เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะในคอสสุขภาพวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะนั่งประตจำที่นะคะที่ข้างหน้ายัางว่างก็เถอะไปนั่งข้างหน้ากันได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับ MC สุดหล่อของเรานะคะวินกวินวุธีมังคลคุณค่ะ อะไรสวัสดีครับนั่นทำหน้างงเลยเปลี่ยนที่สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เซนเตอร์ของเราในวันเสาร์คอร์สนี้ก็เป็นคอร์สสุดท้ายของ Eat, i n g and Be Healthy นะครับ oh. ผมอะตอนที่ผ่านมาสามคอร์สใครเข้าหมดเลยมั้ง <Hey. S 1> โอ้สุดยอดนะครับทบทวนคอร์สแรกคืออะไรครับ Detox คอร์สที่สอง ภูมิต้านทานสามโรคเสื่อมนะครับสี่คือโรคอ้วน What? What? What? อ้วนนู What? What? น้นหันไปทางนูน้นโรคอ้วนนะครับโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันโจมตีหลายๆคนนะ mm hmm. คือมันมันไม่แน่มันไม่น่าเชื่อนะครับวินมีเพื่อนหลายคนหรือว่าแม้กระทั่งแบบเวลาเราดูตาม a ฟ e b o o k ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเจอวิธีการลดความอ้วนเยอะมากนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องลดความอ้วนนะเราคุยเรื่องโรคอ้วน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเข้าใจว่าโรคอ้วนคืออะไรแล้วนําไปใช้ในการลดความอ้วนได้ถ้าเราอยากจะทํานึกออกไหมครับแล้วจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะโรคอ้วนคืออะไรนะครับวันนี้พี่กิทเขาก็จะขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับชีสใครมีแล้วมั้งครับใครไม่มีชีสพี่ต้อมมีชีสไหมครับชีสชีสชีสชีสอะครับเนยแข็งชีสชีส บอกคนบอกชิดยาวๆหน่อยแผ่นกระดาษเ อ, ก ส, เอกสารมีเอกสารประกอบการเรียนยังครับอ๋อ hand out <อ><อ>นะครับพี่ดอมบอกว่ามันคือ hand out ก็ใครยังไม่มีก็หาหามาไว้นะครับจะได้ดูตามสไลด์ไปด้วยอนอกจากโรคอ้วนแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรอีกในวันนี้นะครับรที่มาของอาหารเสริมที่เรียกว่าอาหารเสริมสังเคราะห์คืออะไรโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับอาหารเสริม ทั่วไปที่เราทานกันเนี่ยโดยที่เราไม่เราไม่รู้ที่มาหรือว่าบางครั้งเราดูแค่แบรนด์แบรนด์นี้โอเคเราก็เลยซื้อแบรนด์นี้แบรนด์นี้ราคาถูกเราเลยซื้อแบรนด์นี้แบรนด์นี้เพื่อนบอกเราเลยซื้อแบรนด์นี้จีงนงๆแล้วถ้าเราลองดูที่มาเนี่ยวิตามินหนึ่งตัวสังเคราะห์มาจากไหนฟังแล้วจะขนลุกอันนี้ผมทาเลยฟังแล้วขนลุกแน่นอนนะครับจากพิกิตพีกิต ก, ก็จบด็อกเตอร์มาใช่ไหมครับสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลสุดยอดมากๆในการทํารีเสิร์ชของเขาอะคือสกิลการหาข้อมูลอะ ผมว่าผมว่าพี่นนก็น่าจะมีสกิลนี้เวลาเขาหาข้อมูลเลยนะมันจะ ล, ลึกมากครับตอนนั้นเนี่ยนั่งประชุมกันในกลุ่มอีทดิงแล้วพี่กีก็เอาข้อมูลที่เขาหามาแบ่งปันโอ้โหไม่น่าเชื่อลึกมากๆลึกกว่าที่เราหาครับก็เป็นสกิลที่ดีแล้วก็วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่หามานะครับให้กับพวกเราพี่กีพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญเลยแล้วกันนะครับขอเชิญพี่กีครับนะคุณเผ่าเด้พิจิตรถาก่อนครับ อโอ้โหเพลงสนุกมากสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึ่งแนะนำตัวอีกทีอ่ะคืนไลคกันโอเคเดี๋ยวขอปิดไฟตรงนี้นิดหนึ่งเนาะพีเ <Okay. S 1> อ่านี่ต้องแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับก็ดกเรเผ่าเทพพิชญุสากรนะครับ ถึงปลบมือให้กับปริญญาโอเคครับวันนี้ก็น้องมาเจอกันอีกวันหนึ่งครับวันนี้ตื่นเต้นมาก็ในที่สุดก็ถึงตาของเรานะครับหลังจากฟังเพื่อนๆมาเยอะแล้ว อ, อยากขอข อ, ขอคุยบ้างว่า ง, งั้นนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงโรคอ้วนนะครับก็อันนี้ไม่ทราบมีใครตอนนี้เป็นเชฟอย่างนี้อยู่บ้างไหมกลมๆนะครับ จริงเห็นเห็นรูปนี้ผมนึกถึงวันหนึ่งผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็่อนนั้นจริงไปเตะบอลกับพี่นนแล้วด้วยความที่เสื้อบอลเนานะพอแบบมันเปียกแล้วมันก็จะแบบมันรัดตัวใช่ปะโอ้โหยังจํำได้พี่นนบอกพุงยื่นแล้วนะ <laughs> โอ้มันมันกลมจริงๆครับมันโกมแบบนี้เลย <laughs> นะครับก็นะ่านะนะกลัอาการนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับจากสานักเอสารานิเทศนะครับจริงๆผมเห็นข่าวนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับว่าแบบขนาดนั้นเลยเหรอ ผมผมรู้สึกว่าคนไทยจริงๆนี่ดูออกผอมเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเทียบกับเที่อเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในข่าวนี้ก็บอกว่าคนไทยเนี้ยขาดความรู้ด้านโภชนาการนะครับก็อ้วนตายกันปีละสองหมื่นคนนะครับก็ประเทศชาติเรานะครับก็เสียเงินเป็นแสนล้านบาทนะครับกับโรคโรคนี้ในการรักษานะครับอันนี้ก็ผมก็ช็อกมากบอกว่าหนึ่งในสามของวัยรุ่นเนี้ยตอนนี้ใช้ยาลดความอ้วนหรือว่าสัญญกรรมอืมมีหน้าเวลาไปสยามนี้โอ้โหทําไมมัน ผอมขาวก็ได้ขนาดนี้กูตาไทโอนแน่นอนนะครับแล้วคนไทยเนี่ยก็อย่างหนึ่งก็นิสัยการดื่มของเราครับคนไทยชอบดื่มโซดามากนะครับก็ดื่มขวดสี่ห้าสิบมิลเนี่ยสักสามสามขวดต่อสัปดาห์ก็ครบเนาะสามคนพอดีนะครับชอบกินกาแฟนะครับสี่จุดแปดแก้วต่อสัปดาห์นี่ก็เรียกว่ากินทุกวันอืมนะผมรู้สึกว่าถ้าสําหรับพนักงานทํางานอย่างผมเนี่ยมันมันหนักเหมือนกันนะพอแก้วหนึ่งสตาร์บัคแก้วหนึ่งเท่าไหร่ครับสัก ห้อย่ใช่ไหมครับกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอาจจะ45สมัยนี้นะครับแต่กาแฟนี่3เท่าแคลอรี่ก็3เท่านะครับเดี๋ยวฟังกันจริงลืมแนะนำตัวเองนิดนึงเนาะก็เมื่อกี้บอกชื่อไปแล้วก็ผอพิชญุสากนนะครับก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับที่ PWC นะครับแต่ว่าโดยภูมิหลังเนี้ยก็เป็นด็อกเตอร์นะครับก็จบตรีโทเอกด้านไฟฟ้าแล้วก็ Material Science นะครับ ก็ได้ประยุกต์เอาความรู้ด้านพิาศาสตร์นะครับมาศึกษาความรู้ใหม่ๆนะครับก็เรื่องสุขภาพในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณการพลกับคุณกวินวุฒิมงคลกุลนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมแล้วก็ขอบคุณคุณลิลพัฒ์สัจพจน์นุกุลนะครับที่วันนี้เนี่ยให้อากาศให้โอกาสผมขึ้นมาได้พูดนะครับแล้วก็ช่วยติวให้ความรู้กับผมเยอะมากเลยนะครับก็ขอเสียงปุบมือให้กับทุกท่านที่ผมเพิ่งเอ่ยไปนะครับอ่า ต่อไปนะครับอันนี้ก็จาก World Health Organization นะครับข้อมูลจาก Survey ปี2011นะครับนี่คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องโรอ้วนแล้วอันนี้พูดถึง Obesity ก็คืออ้วนแบบ Jabba the Hutt อ่ะจาก Star จาก Star Wars <laughs> Obesity Obesity คืออาการอ้วนที่แบบมันอ้วนแบบเกินแบบเป็นลูกโป่งเลยะนะครับก็อ่ะคิดว่าอันอันอันไหนประเทศไทยอยู่ไกลๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดอ่านะครับก็นี่นะครับคนไทยไม่น่าเชื่อเลยครับ อันนี้อันนี้อันนี้กัมพูชานะครับอินโดลาวมาเลนะครับพมา่าฟิลิปปินสิงคโปร์จะเห็นเลยเนาะประเทศไหนที่แบบมีอันจะกินนะก็กินเอาจริงๆนะครับเมืองไทยไม่น้อยหน้าใครนะครับเศรษฐกิจ ด, ดีสามสิบสองุดสองแต่น่ากลัวมากอันนี้เวียดนามโอ้โหกินผักเยอะแล้วทำงานกันหนักแน่เลยครับแบบมันตัวมันเล็กเล็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กกว่าขาเราอีกอ่ะกินผักเยอะด้วยนะครับ นะครับก็ลกอ้วนนะครับก็เวลาเราอ้วนเนี่ยจริงๆผมว่าก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดมากพูดอะไรกันมากเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความกังวลอะไรมากก็แน่นอนก็เรื่องเรื่องรูปร่างนะครับก็เวลาผมช่วงไหนที่พุงยืดนี่ก็จะรู้สึกแบบขม่าวอยู่เป็นประจำนะครับการเอ้วนเนี่บางทีก็ถูกคนอื่นตัดสินแบบผิดๆบางทีก็ไม่ใช่ความผิดเรานะครับแต่คนสมัยพอเห็นคนอ้วนก็จะคิดปว่าเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการกินนะครับคุมน้ําหนักตัวเองไม่ได้นะครับพอเราเจออย่างงี้มากๆบางทีก็ขาดขาดความมั่นใจนะครับ อันนี้เป็นเรื่องเรื่องทางอาจจะเป็นเรื่องทางอารมณ์นะครับแต่ว่าทางกายนี่ก็พอเราอ้วนเราก็จะเหนื่อยง่ายนะครับบางทีก็น่ากลัวมากค่ะสมรสมรทภาพทางเพศนะครับโ อ, โ, โอ้โหโหยกันใหญ่นะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้ น, นครับเพิ่มความเสี่ยงนะครับในการที่เราเป็นเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจเส้นเลือดตันในในสมองนะครับก็คือแน่นอนก็มันก็มีโรคหลายๆอย่างติดมากับการเป็นโรคอ้วนนะครับ นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็มาคุยกันว่าแคนเรานี้อ้วนอ้วนกันได้ยังไงนะครับจากที่เราเห็นเป็นพุงเนี้ยเจาะลึกเข้าไปก็คือเป็นเซลล์ไขมันนะครับก็เซลล์ไขมันพวกนี้มันก็จะอยู่ตามร่างกายเราเนาะสำหรับผู้ชายเนี้ยมักจะอยู่แถวพุงนะครับส่วนผู้หญิงเนี้ยมักจะอยู่แถวสะโพกนะครับส่วนผู้ชายก็มักจะหวังว่าทําไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้ทําไมมันไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วครับก็จริงผะว่าเรื่องโรคอ้วนเนี้ยแบ่งได้ง่ายๆก็ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในครับก็วิถีชีวิตเรา กับสภาวะร่างกายนะครับวิถีชีวิตก็เช่นอาหารที่เรากินนะครับ เ, เราใช้ชีวิตแอคทีฟแค่ไหนแทนที่ออกกําลังกายหรือว่าเราชอบนั่งดูทีวีอะไรนะครับนอนดึกไหมเป็นต้นนะครับแต่สภาวะร่างกายเนี่ยจริงๆคุยไปคุยมาก็สรุปได้มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับไว้วาวุญนนะครับอ่ะ <c oughs> ก็มาดูเรื่องการสะสมไขมันก่อนอันนี้คือเซลล์ไขมันในร่างกายคนเรานะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้มีนิวเคลียสแล้วก็มีสิวก้อนโต ไม่ใช่นะครับนี่เป็นถุงเก็บไขมันนะครับก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า adipocyte นะครับเป็นเซลล์เก็บไขมันนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีประมาณ3 0 0 0 0 0ล้านเซลล์นะครับเซลล์นี้ก็จะขยายได้ถึง 2-4 เท่าใหญ่ได้จนถึงจุด4มิลเมตรเลยแทบจะเป็นเซลล์ที่มองเห็นได้ด้วยตาใหญ่มากนะครับอ่ะสมมุติเรากินเรากินเราบริโภคนี่ครับอันนี้ต้องเรียกว่า quadruple cheeseburger นะครับร่างกายเรากระเพาะเราจะย่อยนะครับ ไขมันเนี่ยจะย่อยเป็นเรียกว่าไตรกีิสรายนะครับก็จะมีกริสซิลีนแล้วก็มีฟาตตี้แอซิดมีกรดไขมันเนี่ยสามแท่งนะครับแล้วแต่ชนิดของกรดไขมันเนี่ยก็จะเป็นไขมันคนละแบบนะครับโอเมก้าสามโอเมก้าหกทรานส์แฟตอย่างนี้ความแตกต่างคืออยู่ที่ไอไอสามขีดนี้นะครับซึ่งไขมันเนี่ยร่างกายเราก็พอเราบริโภคเข้าไปเราก็เอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้หรือว่าส่วนที่เกิดเนี่ยก็จะเอาไปเก็บในเซลล์ไขมันนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าเข้าไปร่างกายเราแล้วมันจะเข้าไปได้เลยนะครับ มันมีประตูปิดอยู่นะครับจะเปิดล็อกเนี่ยก็ต้องมีน้ําตาลนะครับสมมุติเราทานโคกนะครับเราก็บริโภคกลูโคสเข้าไปนะครับกลูโคสเนี่ยก็ไปกระตุ้นให้ตับอ่อนเราเนี่ยผลิตอินซูลินออกมานะครับอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวไข่เปิดประตูนะครับให้ไขมันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมันได้นะครับแล้วก็พอกพอกเข อ, อเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือการสะสมไขมันอ่ะมาดูการปลดปล่อยไขยมันมั่งนะครับ ก็ไขมันก็มันก็ไม่ได้ไหลออกเฉยๆได้ง่ายๆครับประตูก็ปิดอยู่นะครับคนละประตูกันนะครับไม่ใช่บานเดียวกับอินซูลินนะครับจะเปิดประตูนี้ได้เนี่ก็ต้องใช้ฮอร์โมนอย่างอื่นอย่างเช่นอะดรีนาลินนะครับเวลาเราออกกําลังกายอะดรีนาลินออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณบอกให้เซลล์ไขมันเนี้ปล่อยไขยมันออกมาในเส้นเลือดนะครับเพื่อที่กล้ามเนื้อเราจะได้เอาไปใช้เป็นพลังงานอีกฮอร์โมนตัวนึงก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเวลาโตการแบ่งแยกเซลล์เนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะครับก็ดังนั้น เด็กเนี่ยก็จะใช้พลังงานเยอะครับก็มีโกลฮอร์โมอนออกมากระตุ้นนะครับอ่าอีกฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ที่ปลดปล่อยไขยมันก็คือไทรอยฮอร์โมนนะครับคนที่มีปัญหาต่อมไทรอยไม่ทํางานเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมม ก, ก็ส่วนมากก็จะเป็นอาการว่าจะดูว่าเขาเนี่ยอ้วนนะครับแล้วเพราะไทรอยเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับคนที่มีปัญหาต่อมไทรอยเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นว่าจะหนาวง่ายนะครับ มีอีกตัวนึงอันนี้ ACTH ก็เป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับเวลาเวลาเรานอนนะครับเกี่ยววงจรการนอนนะครับวิธีการการที่เรานอนดึกเนี่ยไปมีผลกระทบของฮอร์โมนตัวนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถอ้วนในคือไม่เรียกว่าอ้วนง่ายๆครับแต่คือผอมยากถ้าขาดฮอร์โมนพวกเนี้ยคือเราเก็บเราเก็บไขมันได้แต่เราดึงออกมาใช้ไม่ได้เราก็จะผอมยากนะครับอ่า ก็การการอ้วนของคนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นแอปเปิลนะครับก็จะพอกอยู่ตรงตรงพุงนะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะพอกอยู่แถวสะโพกนะครับการวัดความอ้วนเนี่ยคือเรามองมองด้วยตาแล้วก็อาจจะบอกเฮ้คนนี้อ้วนคนนั้นอ้วนหรือคนนี้ผอมใช่ไหมครับแต่โดยรวมๆเนี่ยเราทางวิทยาศาสตร์เราก็อาจจะใช้ B M I นะครับ Body Mass Index ก็คือเอาน้ําหนักเราเนี่ยมาหารกับส่วนสูงเรายกกําลัง2นะครับแล้วเราก็จะได้ได้ดัชนีนครับ ก็จะมีตั้งแต่ประมาณ17จนถึง40นะครับตัวผมเองเนี่ยคอผมคำนวณมาผมจะอยู่ประมาณประมาณ23นะครับก็ถือว่า normal นะครับถ้าเราอยู่26ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเริ่ ม, มอ้วนแล้วถ้าเกิน40เนี่ยก็คือเป็น obese อย่างที่พูดนะครับสมมติว่า BMI เนี่ยได้รับการยอมรับว่าคืออย่างหนึ่งเนี่ย BMI คำนวณงี้มาเปรียบเทียบกันงี้สมมนมากาจะเป็นข้อมูลที่ใช้กับประชากรเป็นส่วนรวมนะครับ ดังนั้นค่า BMI ของเราเนี้ยจะสูงจะต่ําบางทีมันไม่ได้หมายความว่าเราอ้วนนะครับเราอาจจะมี BMI ที่สูงนะครับแต่ว่าจริงเราอาจจะไม่ได้อ้วนก็ได้นะครับแต่ว่าโดยโดยเกณฑ์เนี้ยก็จะใช้ BMI เป็นหลักนะครับถ้าจะให้แม่นแม่นกว่านั้นนะครับก็สามารถจะใช้ต้องใช้เป็น body fat percentage นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเราต้องสามารถแยกได้ว่าร่างกายเรามีไขมันเท่าไหร่มีเนื้อเนื้ออยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้สมมติว่าต้องใช้เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าในการวัดนะครับอามาดูกันนะครับ คนที่เล่นก้ามนะครับ 3% 4% นี่ก็คือลีนสุดๆนะครับก็แทบไม่มีไขมันเลยนะครับ 9-10% เป็นไงหุ่นกำลังดีเนาะผมขอแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะแต่ตอนนี้เราน่าจะอยู่นะกระเถิบขึ้นมาหน่อยเว่ามันแบบมันแบบไม่มีไอ้ตรงเนี้ย <c oughs> นะครับมากกว่านั้นหน่อย 30-32% ก็อย่างที่เห็นครับก็มีหน้ามีตาหูยาวครับ <c oughs> อ่าสไลดนี้ค่อยคือตอนแรกเมื่อคือนทำสไลดนี้เสร็จแล้วรู้สึก ไม่ยุติธรรมใช่ผู้ชายแก้ผ้าดูเราต้องตาผู้หญิงบ้างเอ๊ะไม่ใช่นะครับผู้หญิงนะครับส่วนมากจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยครับเริ่มต้น 14-15 เปอร์เซ็นดูหุ่นก็ก็เพียร์มากเลยใช่ไหมครับอ่า2 0 2ดนี่ผมว่ากําลังเซ็กซี่เลยเนี่ยนี่ต่อมาพอย 25-26 ก็นะก็บวมขึ้นมาหนิดนึงนะครับ 3-4 3-5 ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ในการลดลดไขมันเนี่ยครับก็ จริงก็มีวิธีที่ทั้งถูกไม่ไม่เรียกว่าถูกผิดดีกว่ามีวิธีที่ปลอดภัยกับไม่ไม่ปลอดภัยนะครับวิธีหนึ่งก็คือการใช้ใช้ยานะครับเซนิคอลนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งออ l ์ลิสตันะครับเป็นยาที่ก็ป๊อปลา r มากนะครับทำงานโดยการบล็อกไขมันคือมันมันไปจับเอนไซม์ตัวหนึ่งทำให้เราไม่สามารถดูดซับไขมันได้นะครับอันตรายของมันคือ มันบ๊อบไขมันได้ดีมากจนเราไม่บางทีเราจะขาดวิตามินพวกเอดีเคที่มากับไขมันด้วยกันนะครับดังนั้นคนที่ใช้ยาพวกนี้เนี่ยเขาจะแนะนําว่าช่วงที่ใช้ก็ให้ทานอาหารเสริมด้วยนะครับจริงยานี้เนี่ยสําหรับคนที่อ้วนแบบเต็มที่เล ย, ะ Ob ese, Ob ese, เลยนะครับแต่ว่าคนชอบชอบใช้บางทีแบบไม่ได้อ้วนขนาดนั้นก็นํามาใช้ครับพอใช้บ่อยๆเนี่ยก็มีผลได้กับทั้งตับแล้วก็ทั้งทั้งลําไส้ด้วยนะครับแล้วผมว่าเอ ผลข้างเคียงมันก็ไม่ค่อยพึงประสงค์เลยก็คือเราจะมีน้ํามันในอุจจาระเยอะนะครับก็อาจจะทําให้ถ่ายยากถ่ายแล้วเหม็นมากนะครับจากที่ได้ยินแต่เพราะว่าที่ตัวหนึ่งที่อันตรายก็อย่างตัวนี้ครับเฟนเตมินอันนี้เป็นยากดต่อมต่อมประสาทครับกดให้เรากดไปกดศูนย์หิวนะครับก็คือลดความหิวนะครับแต่เพราะเราเราไปกดที่ประสาทส่วนกลางคือสมองเราเนี่ย หนึ่ให้เกิดอาการติดยาได้อันนี้อาจจะเสียชีวิตได้สมมุตมาจากการที่เรานิสัยเราเปลี่ยนนะครับบางคนก็แบบทานไปเรื่อยก็ประสาทหลอนอะไรําลองนี้ได้นะครับเพราะนี้ยา2ตัวนี้จริงๆก็ต้องต้องให้แพทย์จ่ายแล้วก็ไม่ควรทานนานนะครับอะเมื่อกี้ผมแนะนําเรื่องไทเรื่องฮอร์โมนไปหน่อยละนะครับอีกวิธีหนึ่งที่คนคิดว่าน่าจะเป็นภาษังกฤษเรียกว่า s ิวเวอร์ l ูลเล็ะคือแบบช็อตเดียวจบนะครับก็คือการใช้ฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นทานทานฮอร ôn, อ์โมนไอไทรอยฮอร์โมนเพิ่มนะครับ ซึ่งไทรอยเนี่ยมีส่วนในการควบคุมเรื่องอุณหภูมิของร่างกายครับท่านถ้าเราเพิ่มไอฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยสมมติก็จะมีหัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับทําให้เราตึงเครียดนะครับบางทีนอนนอนไม่หลับนะครับจริงอันนี้ก็แนะนําให้ใช้สำหรับคนที่มีปัญหาต่อมไทรอยจริงๆนะครับแต่ว่าคนที่เขาอยากผอมบางทีก็เอาตัวนี้มาใช้นะครับอีกอันหนึ่งที่ป๊อปปูล่านะครับก็คือโกลฮอร์โมนอันนี้เข้าใจว่าคุณพ่อพี่ลิมก็เคยใ ช, ใช่ไหมครับนะครับก็คือพอพอเราโตเนี่ยมัน เราโตเต็มที่แล้วเราไม่จำเป็นต้องโตเพิ่มเนี่ยร่างกายเราก็ไม่ค่อยจําเป็นต้องมีโกร์ฮอร์โม น, นครับก็จะหยุดผลิตนะครับแต่ว่าคนเราก็ยังอุตส่าห์ไปผลิตโกร์ฮอร์โมนแล้วก็เอามาฉีดนะครับก็ อ, อันนี้เนี่ยแพงแพงนิดนึงแล้วก็พวกดาราฮอลลีวูดจะชอบใช้นะครับสตอลอนตอนนั้นไปไปออสเตรเลียเขาโดนจับเพราะว่าเขาในซุปในกระเป๋าเขาเนี่มีโกร์ฮอร์โมนเต็มเลยซึ่งอเมริกามันโอเคแต่ที่ออสเตรเลียนั้นมันผิดกฎหมายนะครับก็อ ด, ดนดนําเข้านะครับก็ออนี้ประสิทธิภาพก็ยังยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่า อันนี้ก็เขียวเพิ่มความเสี่ยงในการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะครับแต่ผ่อีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเราหยุดต่อแล้วเราไปกระตุ้นให้มันโตเนี่ยมันก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วครับวิธีการลดน้ําหนักที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องเข้าใจถึงคอนเซปต์ของแคลอรี่ก่อนนะครับก็พลังงานของอาหารนะครับอาหารหลักๆที่ให้พลังงานกับร่างกายนะครับก็มีสามหมวดหมู่นะครับก็มีโปรตีนนะครับจริงอันนี้ควรจะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ผมขอใส่เป็นน้ําตาลซึ่งจริงก็หมายถึงกลูโคสนะครับ แล้วก็มีไขมันนะครับโปรตีนกับน้ําตาลเนี่ยให้4แคลอรี่ต่อกรัมนะครับไขมันให้9แคลอรี่ต่อกรัมนะครับถ้าคูณพันหนึ่งก็อันนี้ก็ 4,000 แคลอรี่ต่อ1กิโลใช่ไหมครับ 9,000 แคลอรี่ต่อ1กิโลนะครับสมมติเราทานร ว, วมๆกันอย่างเงี้ยน้ําหนักตัวเราท่าน1กิโลเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าประมาณ 7,000 แคลอรี่นะครับก็สมอว่าเขาจะแนะนํากันนะครับว่าถ้าเราอยากลดน้ําหนักเนี่ยให้เล็งอยู่ที่ประมาณ 0.5 กิโลต่ออาทิตย์นะครับ ก็คือเราต้องเราต้องลดลดให้ได้สามพันห้ารอยแคลอรี่ต่ออาทิตย์นะครับหรือลงมาประมาณห้าร้อยลบห้าร้อยแคลอรี่ต่อวันนะครับอ่ะและการการที่เราจะลดแคลอรี่ได้ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายอาจจะรู้สึกว่าทํายากนิดหนึ่งนะครับก็คือทานให้น้อยลงแล้วเอ็กซ์ไซส์ให้มากขึ้นนะครับอ่ะแต่เรามาดูกันก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็อันนี้โฮมเมอร์นะครับก็ คาแรคเตอร์ในดวงใจผมนะครับสอนสอนภาษาอังกฤษให้กับผมนะครับตัวสองชอปตัวนี้ใช่ไหมอย่าอย่าบอกนะว่าอาอกไปวิ่งอย่างนี้จริงๆนะครับก็อย่างหนึ่งก่อนอื่นมาเรียนรู้กันเรื่องเบโซ่เมตาบอลิกเรทนะครับคือถึงเราไม่ออกไปวิ่งเนี้ยจริงๆร่างร่างกายเราก็เผาผลาญพลังงานตลอดเวลานะครับก็เหมือนรถที่แบบมันอุ่นเครื่องอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเราแค่หายใจเนี้ยแค่หายใจแค่นี้เราก็ต้องใช้พลังงานแล้วนะครับก็คือเบโซ่เมตาบอลิกเรทก็คือ อัตราพลังงานที่เราใช้โดยที่เราแค่อยู่เฉยๆนะครับนะครับคํานวณจริงๆสูตรนี่มันก็ซับซ้อนนิดนึงนะครับก็แต่มันเฉลี่ยมาประมาณเอาน้ําหนักตัวเราคูณ20บนะครับก็อย่างผมประมาณ70็กิโลเนี่ยถ้าตามสูตรนี้ก็จะบอกว่าผมใช้พลังงานแค่อยู่เฉยๆประมาณพันสแคลอรี่ต่อวันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแอคทิ i ิตี้อย่างอื่นอีกถ้าเราเป็นคนที่อยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็บอกก็าอาจจะเราอาจจะใช้พลังงานเพิ่มอีกสักย0ซของ BMR นะครับ ถ้าออกกำลังกายเยอะก็อาจจะเพิ่มอีกห้สิอร์ซนส ม, มุติผมออกกาลังกายเยอะจ 1, ัดพันสผมก็อาจจะวันนั้นผมอาจจะเบิร์นซักก็บวกไปอีกเจ็ดรอยเนาะก็เป็นสองพันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับตัวเรายิ่งหนักเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายมันก็ยิ่งใช้พลังงานเยอะนะครับเหมือนยกของหนะักการทานอาหารนะครับก็เผาผ่านเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นอยากอยากผอมก็ต้องเผาผ่านเยอะๆใช่ไหมต้องทานเยอะๆใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> งงละ <c oughs> นะครับอมาดู activity อย่างอื่นบ้างว่า ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็เบิร์นเป็น BMR นะครับแต่ถา้าถ้าเราอยากจะแบบออกไปออกกำลังกายอ่ยเะเราจะเาาราจะเผาผลาญพลังงานได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราเดินเฉยๆนะครับก็เผาผลาญประมาณ200แคลอรี่ต่อชั่วโมงสมมุติวันนั้นเราอยากลด500 500แคลอรี่นะครับจากการเอ็กซ์เซอรนี่ยเราก็คงต้องเดินสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับตีกอล์ฟนะครับก็แตด่ดูแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะาตีกันทีนี่ออกรอบกัน ห้กชั่วโมงใช่ไหมครับ น, น่าจะเบิร์นได้เยอะพอสมควรนะครับอ่าเทนนิสอันนี้กีฬาผมพี่นนใช่ไหมครับก็เบิร์นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ละห้าร้อยนะครับวิ่งก็ประมาณหกร้อยก็จะเห็นว่าเอ้ยฟังดูก็ง่ายๆเนาะอยากออกอยากลดห้าร้อยแคลอรี่ต่อวนันสบายเล่นกีฬาผมบางทีเตะบอลสามชั่วโมงอะ่ะนะครับแต่พอมาดูอาหารน่ากลัวมากเพราะว่าอาหารที่เราทานเนี่ยแคลอรี่มันสูงมากนะครับอันนี้ผมชอบรานหนามากแค่นี้ก็สี่ร้อยแคลอรี่ละนะครับ อันนี้ก็กะกะอ่ะครับถ้าสั่งพิเศษเนี่ยเขาอาจจะให้เยอะหน่อยใช่ไหมครับแต่เพราะว่าจริงๆอาหารเนี่ยยังยังไม่ค่อยน่ากลัวผมว่าที่น่ากลัวที่สุดคือเครื่องดื่ม oh. Oh. แบบโอ้ s t a r b u c k ของเรานะครับราคาสามเท่าของก๋วยเตี๋ยวแต่ให้แคลอรี่แค่สองเท่าเองอะไม่คุ้มเลย oh. Oh. <laughs> นะครับเพราว่าไอ้ตัวนี้ก็ตัวดีเลยนะครับพวกนี้คือน้ําตาลมันเยอะมาก ก็ไม่ค่อยแปลกใจใช่ไหมครับที่ทําไมคนไทยถึงอ้วนนะครับเพราะเราชอบดื่มน้ําโซดากันมากนะครับ ค, คิดไปผมว่าในเมืองไทยนี่ผมเห็นโฆษณาโซดาเยอะมากเทียบกับที่เมืองนอกอะ่ะเออคือธุรกิจขายน้านี่ร้สึกจะเป็นธุรกิจที่ยอดฮิตสำหรับคนไทยอาจจะเป็นเพราะเมืองเราอากาศร้อนใช่ไหมครับไปไหนมาไหนก็คาลเซเว่นแล้วก็นะซื้อน้ำหวานดื่มซะหน่อยนะครับแต่ที่บอกเมื่อกี้แนะนํำไปว่าใ ห, ให้ให้ทานน้อยลงเนี้ย ทานน้ลงไม่ใช่หมายความว่าไม่ทานนะครับแต่คือให้ทานให้ฉลาดขึ้นให้เลือกอาหารให้ถูกขึ้นไม่ใช่ถูกในแง่ของราคานะครับแต่ว่าคือถูกในเชิงของสารอาหารอ่ะแต่มาดูว่าเรามีช้อยส์ขนาดไหนนะครับปริมาณอาหารที่เราต้องการเนี่ยโปรตีนก็แนะนํากันว่าเราควรจะทานหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมผมเจ็ดสบกิโลก็ควรทานเนื้อประมาณควรบริโภคอะมิโนโอแอซิดนะครับเจ็ดสิบกรัมนะครับต่อวันนะครับ ซึ่งที่เห็นเป็นเนื้อวัวอย่างชิ้นอย่างเงี้ยมันก็มีไขมันใช่ไหมครับที่เหลือก็อาจจะเป็นโปรตีนนะครับแต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์เราไม่ได้ย่อยได้หมดนะครับสุดท้ายออกมาเนี่ยเนื้อวัวเนี่ย <c oughs> ให้โปรตีนอย่างมากก็สี่สิบเปียกสี่สิเปอร์เซ็นนะครับดังนั้นถ้าผมหนักเจ็ดสิบกิโลเนี่ยจะมีโปรตีนครบวันนึงผมต้องทานเนื้อประมาณสองร้อยกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพสเต็กของที่บ้านผมนะครับชิ้นนี้ก็ประมาณสองร้อยกรัมเนี่ยแหละอ่านะครับก็ ดังนั้นนะครับผู้คุณต้องทานโปรตีน200กรัมทุกวันนะครับก็ขอเชิญมาที่ร้านเลยนะครับสมหรับเพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยวผมทำบัตรเมมเบอร์ให้ฟรีบัตรเมมเบอร์ไม่ได้ลดนะครับบัตรเมมเบอร์ฟรีครับบัตรฟรีกินเดี๋ยวผมจบป็นแท็บให้คือเก็บเงินอยู่ดียแหละตองกินเนียสนานะครับอ่ะสมมุตินะครับ ว่าวันหนึ่งเราต้องกินหมดเนี่ยม า, มากกว่า น, นี้อีกอย่างอย่างอันนี้อันนี้น่ากลัวคือถ้าเราทานเนื้ออย่างนี้คือไขมันคงเยอะมากนะครับก็คงอ้วนจากไขมันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรากินวัวเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องออกไปล่าวัวตัวต่อไปใช่ไหมครับวันนี้เรากินวัวเสร็จวันพรุ่งนี้เราก็กินวัวต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่สมมุติเราต้องทานอาหารพวกนี้ด้วยเนี่ยถ้าคุณต้องทานนี้ยทุกวันเยอะขนาดนี้อะ ต้องทานกล้วยสัก22 22เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลู ก, ลกหวีที่22ลูกโห22หวีตายพอดีนะครับแค่นี้ผมก็จะบ้าตายแล้วอะ่ะถ้าต้องทานถั่วพีเนี่ย4 4คัพอะนะครับ4ถ้วยนะครับแต่พสารอาหารพวกนี้เนี่ยเราสามารถรับประทานได้ผ่านอาหารเสริมนะครับก็อะ มารู้จักตัวแรกนะครับในถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยอย่างที่บอกคืออย่างอย่างน้อยเนี่ยคือเราเราต้องออกกำลังกายพอที่เราจะเผาผลาญพลังงานในหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามไม่กินอาหารที่มันให้แคลอรี่เราเกินนะครับแต่อย่างที่โชว์ให้ดูในรูปนี้ครับสมมุติผมต้องการโปรตีนขนาดเนี้ยแต่ในอาหารธรรมดาผมไม่สามารถเลี่ยงได้ที่ต้องบริโภคไขมันเข้าไปด้วยนะครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับก็อย่า ง, ห น, งหนึ่งในทางเลือกนะครับก็โพสต t r รีมนะครับนิตรีไอโพสต์ทรีเนี่ยเป็น เป็นอันนี้ก็มันก็มามาเป็นซองนะครับเป็นผงละลายน้ํานะครับก็ในหนึ่งซองเนี่ยมันจะให้สารอาหารเนี่ยครับครบตามที่ร่างกายต้องการในหนึ่งมื้อนะครับก็จะมีมีพลังงานให้นิดหน่อยนะครับ180แคลอรี่มีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันแล้วก็มีวิตามินแล้วมีเกลือแร่นะครับก็คือครบห้าหมวดหมู่นะครับและนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ําหนักที่ดีดีที่สุดในโลกเลยนะครับก็ได้รับอยอนะครับส่วนมากผลิตภัณฑ์ อาหารทดแทนที่ไว้เวลาลดน้ําหนักเนี่ยก็ไม่รองรับโดย อ, อยอนี่เยอะมากนะครับส่วนมากเขาก็จะไม่โฆษณาด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาคือทานแล้วลดน้ําหนักได้คือเขาจะไม่เขียนไว้บนกล่องส่วนมากอาจจะพูดให้ให้เราคิดว่ามันมันใช้งานอย่างนั้นได้จริงนะครับแต่ว่าน้อยน้อยบริษัทครับที่จะออกออกมาพูดได้เต็มปากเหมือนของเรานะครับว่าเป็นอาหารเป็นอาหารทดแทนได้ครับอ่าต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ เวลาเราอยากลดน้ําหนักเนี Un Un ่ยอย่างหนึ่งที่ที่เราอยากเราไม่อยากทานก็คือพวกแคลอรี่ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์พวกไขมันนะครับแต่เวลาเราเลี่ยงส่วนมากก็จะเห็นคนไดเอทใช่ไหมครับก็จะทานผักผลไม้นะครับแต่พอทานผักผลไม้นี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ก็คือโปรตีนนะครับเพราะขาดโปรตีนหรือช่วงที่เราไดเอทเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากที่เราจะทานโปรตีนน้อยพอเราทานโปรตีนน้อยร่างเราก็ เพื่อที่มันต้องต้องการได้รับโปรตีนในการทํางานมันก็จะไปเอาจากส่วนอื่นของร่างกายนะครับไปเอาจากผิวบ้างไปเอาจากจากกล้ามเนื้อบ้างนะครับส่วนมากมันก็จะเอาจากผิวจากกล้ามเนื้อก่อนเพราะเป็นอวัยวะที่ไม่สำคัญเทียบเท่ากับเช่นหัวใจหรือปอดหรือสมองเรานะครับตัวนี้นะครับกดเซ A ยลเห้ารอยนะครับเป็นกรดเออเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มโอเมก้าหนะครับสกัดสกัดมาจากดอกคำฝอยนะครับหรือไม่ก็พบได้ในเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ร่างกายเราจริงก็ผลิตได้เหมือนกันนะครับ แต่ในช่วงที่เราไดเอทเนี่ยเราอาจจะอยากรักษามวลกล้ามเนื้อของเรานะครับคือไม่อยากให้ร่างกายเราไปดึงโปรตีนมาจากกล้ามเนื้อแต่ถ้ามันอยากได้พลังงานเนี่ยเราอยากให้มันใช้จากไขมันที่มีอยู่นะครับเพราะโปรตีนเนี่ยก็เอาไปเผาผ่านได้เหมือนกันนะครับเราทานตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อครับช่วยให้เราเผาผ่านไขมันที่เราสะสมอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาหุน่นจริงตอนที่ผมทําดีท็อกครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกเลยว่า คือผมทานตัวนี้ทุกวันนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยพอเราเลิกดีท็อกซ์เรากลับมาทานอาหารธรรมดาก็เริ่มเริ่มน้ําหนักก็เริ่มขึ้นแต่จําได้เลยว่าเฮ้ยพุงมันไม่ยืมเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่ามันมันก็คือมันก็ช่วยเรารักษาหุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยรักษาฟิตเนสได้ระดับนึงเพราะจําได้ว่าตอนนั้นไม่ได้เตะบอลมานานนะกับไปเตะครั้งแรกนี้เหนื่อยมากแล้วก็เว้นไปสองอาทิตย์ที่ดีท็อกซ์ที่เราทานซีเอพอกลับไปเตะครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเอยเอเราวิิว่่งวงวววไห้นะครับ อ่ะต่อไปครับนิ l ร z e ไกโรนะครับเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนะครับกับถั่วหมักนะครับก็หลักๆนี่ครับมันทำงานโดยการสมมุติเราทานขนมหวานเข้าไปนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับเราก็จะได้เรียกเป็นดับเบิลซูการหรืออย่างเช่นซูคลสนะก็เป็นเป็นน้ำตาลที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งร่างกายเราเผาผ่านไม่ได้ทันทีนะครับเราต้องร่างกายเราเนี้ยต้องเอาเอนไซม์อีกตัวหนึ่งมาตัดให้มันเหลือ การเป็นน้ำตาลเบสิกที่สุดก็คือกลูโคสนะครับเราถึงจะเอาน้ำตาลนี้ไปใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวเราสามารถบล็อกการแปการเปลี่ยนจากไอซูโคสเนี่ยเป็นกลูโคสได้โดยการทาน c ค r o l นะครับอืมนะครับเราก็จะสามารถทานของหวานได้ทานทานของพวกคาร์โบไฮเดตได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรับแคลอรี่เข้าไปเต็มๆนะครับแต่แล้วเราทานอะไรที่มันเป็นกลูโคสอยู่แล้วอย่างพวกน้ำหวานเนี่ย ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็มีโปรแกรมลดน้ำหนักครับที่ ท, ที่ที่เราแนะนํานะครับก็ลองมาดูนิดหน่อยๆแล้วกันนะครับอาหารเช้าโพสต์ทรีมหนึ่งซองโปรตีนหนึ่งหนึ่งช้อนแล้วก็ C L A ห้าอยนะครับถามว่าในอาหารเช้านี้เราได้อะไรบ้างก็คืออันนี้ก็คือเราเราก็ประช้าแทนที่เราทานอาหารธรรมดาครับเราก็ทานอันนี้แทนนะครับโพสต์ทรีมเนี่ยก็มาแทนอาหารหนึ่งมื้อหนึ่งได้เลยนะครับ ทานโปรตีนเพิ่มนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะไม่เสียกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็แน่นอนมี C L A นะครับพออาหารกลางวันเนี่ยทานแครอสามเม็ดนะครับเพราะว่าเราไม่ก็ไม่โหดมากเนาะเราก็ให้คุณสามารถทานอาหารธรรมดาได้นะครับแต่ก็ขอให้เลือกเป็นอาหารที่แบบไม่ใช่แบบสปาเกตตีคาโบนาร่าแบบขอครีมเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับก็อาหารที่แบบเอ่อไม่อ้วนมากนะครับแล้วก็เราก็ทานแครทเพื่อไปบล็อกน้ําตาลนะครับพอตอนเย็นนะครับก็ แทนที่ทานมื้อเย็นก็กลับมาทานเป็น p o s t t r i นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้สัปดาห์แรกพอสัปดาห์ที่สองเนี้ยอาหารเย็นโอเคปล่อยให้ทานอาหารธรรมดาได้บ้างแล้วนะครับและนอกจากนั้นในทุกมื้อเนี้ยก็ต้องให้ทานอย่างเช่นกระเทียมไฟเบอร์นะครับโอเมก้า 3, สามเลซิตินอ e นะครับก็ต้องมีสารอาหารยอย่างอื่นมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนต้องก็ต้องขอให้ออกกําลังกายด้วยนะครับเพื่อจะ ใ, ใช้พลังงานได้เยอะพอนะครับอ่ะนอกจากโรคอ้วนเนี้ย วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสุขภาพของผู้หญิงด้วยทึ้ง oh. นี้ผมต้องบอกเลยว่าแบบหลังจากทำรีเสิร์ชเสร็จนี่นับถือเพศเพศผู้หญิงมากเพศหญิงมากขึ้นเลยเพราะชีวิตเขาเนี่ยลำบากกว่าเราจริงๆ oh. นะครับ oh. นอกจากจะเป็นฝ่ายแบบไม่สามารถออกไปจีบผู้ชายเองได้เนี่ยต้องให้ผู้ชายมาจีบเนี่ย oh. ไ, มไม่จริงเหรอครับดีมาก ขอเป็นฝ่ายขอเป็นฝ่ายแบบนั่งรอบ้างได้ไหม <laughs> จริงๆอยากเล่นมุกจากเดฟชเพลไว้ข่าวหน้าแะ้วกันนะครับ <laughs> <laughs> อ่ะผู้หญิงเนี่ยส่วนมากคอนเซิร์นเรื่องอะไรครับแน่นอนความงามใช่ไหมครับแต่ผมว่าต่อไปเดี๋ยวพอผู้หญิงออกไปไปจีบผู้ชายเองได้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วเนาะเออเอาไม้ตีหัวผู้ชายลากเข้าบ้านอะไรเงี้ย <laughs> ความงามไม่ต้องสนแล้วนะครับ <laughs> นอกจากนั้นเนี่ยหลกัหลกๆที่ ผู้หญิงมีที่ผู้ชายไม่มีอ่ะเนาะก็การตั้งครรภนะครับประจําเดือนวัยทองอย่างนี้นะครับอืมอ่ามีด้วยนะครับผิวอ่าเรื่องไร่เลยเรื่องความงามอย่างแรกที่พูดก็เรื่องผิวนะครับก็ที่ที่เขาจะเป็นห่วงกันก็อย่างเช่นแก่ก่อนวัยนะครับมีริ้วรอยจุดด่างดําผิวหยาบไม่ละเอียดนะครับขาดความแต่งตึงนะครับก็อย่างเช่นรูปนี้เนาะตอนส า, าวๆก็สวยขนาดนี้พอ เมยอายุหน่อยก็เริ่มมีริ้วรอยใช่ไหมครับผิวเริ่มค้ามีเป็นจุดเป็นอะไรนะครับก็ถ้าดูในรูปไปการ์ตูนก็คืออย่างนี้ครับคือจะผิวเราที่เคยเต่งตึงเนี้ยพอนานๆไปเราเริ่มผลิตคอลลาเจนไม่ไม่พอครับแทนที่เราจะมีไฟเบอร์เป็นคอลลาเจนยาวๆที่ตึงผิวเราไว้เนี้ยมันก็สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะครับผิวเราก็เริ่ม ย, ยุ่ยเริ่มแบบนะครับก็เป็นคลื่นอย่างนี้ก็ผิวเราก็ไม่เรียบนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมนะครับ พอพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเซลล์ที่มันดูแลบำบงลุงเส้นผมเราเนี่ยในการที่มันผลิตไข่ไข่น้ํามันออกมาเคลือบเส้นผมหรือว่าผลิตตัวเส้นผมเองเนี่ยมันก็ทํางานน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมคนแก่นี่ก็จะผมก็จะบางลงนะครับแล้วก็จะแห้งแล้วก็แตกปลายได้นะครับตัวอย่างผู้หญิงคนนี้นะครับก็ผมว่าก็ยังจัดเป็นผู้หญิงที่สวยเนาะสำหรอายุขนาดนี้นะครับแต่ก็จะสังเกตแล้วก็คือผมเนี่ยก็จะเส้นเล็กลงเรื่อยๆนะครับบางทีก็มองก็จะเห็นทะลุไปถึง ถงึงหนังศีรษะนะครับต่อมาก็เรื่องเล็บครับเล็บเนี่ยก็ดูสุขภาพได้ก็คือเนี่ยครับถ้าเล็บพอแล้วจริงเขาบอกที่ลิงก็สอนว่าเล็บเนี่เป็นเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราสามารถสังเกตถึงว่าเราเนี่ยได้รับสารอาหารครบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเล็บเนี่เป็นอวัยวะที่เรียกว่าอยู่ปลายสุดแล้วนะครับเล็บหักเราก็ไม่ตายใช่ไหม ร่างกายเราก็รู้ครับคือถ้ามันต้องให้เลือกระหว่างเล็บกับหัวใจเนี่ยมันเอาสารอาหารไปบำรุงหัวใจก่อนนะครับดังนั้นเล็บเนี่ยมันจะได้ที่หลังที่สุดนะครับก็พอเราเราเริ่มเริ่มมีอายุบางทีได้รับสารอาหารไม่พอเนี่ยเล็บก็จะไปก่อนเลยครับก็เล็บก็จะเริ่มไม่เรียบนะครับก็จะเป็นจะเป็นเป็นขีดขีดอะเป็นเส้นเสนะครับจับดูก็จะรู้ว่าแบบเออมันเริ่มมันเริ่มมีเหลี่ยมนะครับเนี่ครับคนแก่มีแร่เหลี่ยมใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอครับสีไม่เสมอ ซึ่งสอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผิวผมและเนี่ยแก้ได้ด้วยไอนี่ตัวเดียวเลยนะครับ NutriLife SHN นะครับ Super Healthy Nutrition ไอไม่ใช่ตอนแรกผม SHN มันย่อ ม, มาจากอะไรนะครับย่อมัาง่ายๆเลยครับ Skin Hair Nail อ้โหยคนที่ตั้งชื่อนี้เอาไปเลยลิคกิธิ์ลิคกิธิ์แบบนี้ Apple ได้เยอะใช่ไหมครับ ถ้าใครติดตามสงครามพวกมือถือจะเข้าใจนะครับเพราะ Apple เนี้ยเขามีลิขสิทธ์สี่เหลี่ยมลิขสิทธ์สีทองอะไรเงี้ยอ่าคุณทํามือถือได้แต่ห้ามเป็นสี่เหลี่ยมนะห้ามเป็นสีทองนะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ตั้งชื่อสกินแคร์แนวคนอื่นห้ามตั้งตามเอ้ไม่ใช่นะครับจริงนี่ก็จะเห็นอาหารเสริม S H N เนี่ยยี่ห้ออื่นก็ก็จะใช้ชื่อนี้กันเหมือนกันนะครับที่สำคัญหลักๆเลยนะครับก็คือคอลลาเจนนะครับ แต่ของเราเนี่ยเราให้เยอะมากนะครับบางทียี่ห้ออื่นก็ให้แค่คอลลาเจนเฉยๆนะครับแต่ว่าให้คอลลาเจนเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็ทํางานไม่ได้นะครับคือคอลลาเจนมันเป็นไฟเบอร์ใหญ่ครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาไฟเบอร์ใหญ่เนี้ยยัดเข้าไปในปาดแล้วมันจะไปโผล่ที่ผิวหนังเราได้เลยนะครับจริงที่เราให้เนี่ยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ถูกกรรมวิธีตัดมาแล้วนะครับก็คือมันต้องเข้าไปแล้วก็ค่อยไปต่อใหม่นะครับต่อไปประกอบใหม่ที่ผิวหนังซึ่งจะประกอบใหม่ที่ผิวหนังได้แล้วมันก็ต้องมีสารอาหารอื่นนะครับในนปส่ว ไปไปช่วยนะครับอย่างเช่นวิตามินซีนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องวิตามินซีเยอะขึ้นนะครับวิตามินซีมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างคอลลาเจนนะครับถ้าไม่มีวิตามินซีร่างกายเราสร้างคอลลาเจนไม่ได้นะครับครับก็ shn นะครับก็ช่วยเรื่องของคอลลาเจนนะครับซึ่งช่วยหมดเลยนะครับเรื่องทั้งผิวเส้นผมแล้วก็เล็บนะครับต่อมาก็เรื่องประจําเดือนครับก็เรื่องนี้พอยิ่งคิดยิ่งแบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่เป็นที่ปวดท้องประจําเดือนครับครั้งประจําเดือนใช่ไหมก็ทุกเดือนก็มา ทังหนนะครับ12เดือนต่อปีนะครับบางคน40ปีเลยนะครับที่ต้องอยู่กับอาการอย่างนี้ครับแล้วนะแล้วพอผู้หญิงตั้งท้องนี่ก็มีอาการขึ้นไส้ปวดเอ่อปวดหลังผิวหนังแตกบ้างอย่างนี้ก้อนปัสสาวะไม่อยู่ยนี่คือแบบกว่าจะเลี้ยงลูกได้หนึ่งคนนี้แบบนับถือมากอันนี้เมื่อกี้พี่ลินเ พ, พิ่งเพิ่งชี้ให้ให้ให้ดูว่ารู้สึกว่าท้องเขาแบบใหญ่มากอะไรเย่างนี้ จริงๆเพอเอตอนแรกทำแอนิเมชันจริงมีรูปหลบอยู่ข้างหลังนะครับใครเคยดูหนังเรื่องจูเนียร์บ้างอโนอโนเป็นคนแสดงครับอ่า oh. ในเรื่องนี้คืออโนตั้งท้องตั้งครรนครับแล้วเขาก็มีเด็กยืนครับ <laughs> เป็นภาพภาพที่น่ารักมากนะครับอ่ à, ซึ่งอาการของผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็ช่วยได้โดยการทาน Evening Primrose นะครับก็ Even นเนี่ยก็จะมีไขมันเป็น เป็นพวกกดไขมันนะครับก็ช่วยในการรักษาโรคของสตรีนะครับก็สมมติว่จะเป็นบรรเทาโรคที่เกิดจากฮอร์โมนไม่ไม่ไม่ไม่ปะกะตินะครับอ่ะมาดูคุณสมบัติบ้างนะครับก็ช่วยปรับฮอร์โมนนะครับรักษาพวกโรคที่เกิดจากฮอร์โมนนะครับช่วยบรรเทาอาการก่อนรอบเดือนนะครับก็ทําให้ปวดน้อยลงหรือบรรเทาอาการวัยทองรอบเดือนมาปะกะตินะครับช่วยระบบไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับก็คือแล้วก็ช่วยให้สวยด้วยนะครับมวลกระดูกผิวแล้วก็ผม นะครับก็นี่ครับคือถ้าเราขาดสารอาหารพวกนี้นะครับก็จะมีอาการอย่างที่อย่างนี้ครับคันหน้าอกบ้างระคายเคืองแพ้ง่ายนะครับเดี๋ยวขอไปต่อเลยอ่าต่อไปนะครับคือพ อ, อขอแป๊บหนึ่งอโอเคนะครับก็อย่างหนึงเนี่ยเวลาผู้หญิงเป็นเมนก็จะเสียอะไรเยอะครับเสียอารมณ์เอ้ไม่ใช่ <laughs> <laughs> คือโมโหง่ายใช่ไหมเ <laughs> <laughs> พราเสียเลือดเยอะใช่ไหมไม่ใช่ อ๋อน้อนะครับอย่างหนึ่งนี่คือจะก็เสียเลือดเยอะครับก็ต้องทานอาหารที่บารุงเลือดด้วยนะครับอย่างเช่นส p ป n ิชพลก็จะช่วยในการบารุงเลือดได้นะครับก็มีโฟเลตนะครับและที่สำคัญคือมีมีธาตุเหล็กนะครับเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับก็สําก็สำคัญมากที่ต้องทานตัวนี้เพื่อจะไปเสริมสร้างกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะครับ ซึ่งถ้าสําหรับผู้ชายเนาะดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําเนี่ยก็อาจจะผ่านตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยช่วยเราไม่ไม่สามารถเอดูดซับธาตุเหล็กได้ดีนะครับอ่ะมาถึงตอนที่ผมว่าสนุกมากและอันนี้ก็วันนี้ผมก็พูดเรื่องสุขภาพมานิดหน่อยเนาะจริงๆเราก็พูดกันมาอันนี้ก็วันที่สี่เราใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้แนะนําเรื่องอาหารเสริมไปบ้างแล้วใช่ไหมครับจริงก็ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือวันนี้เราก็มาฟังนิวอ่านิวอ่า นิวทิไลต์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องแฟรหน่อยนอะเราก็ดูของของที่อื่นบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยรูปนี้ผมว่าคือผมคุยกับเพื่อนบางคนเขาก็ทานวิตามินกันใช่ไหมผมก็ถามเขาว่าเออแบบแล้วเลือกเอกอรื่องยังไงเขาเขาบอกอืมก็ก็ไม่ได้เรื่องอะไรมากก็แบบมีอะไรอยู่ในตลาดก็ซื้ออย่างนั้นนะครับจริงๆตัวผมเองแต่ก่อนก็ทานแบบเจนซีอย่างนี้ทําไมเหรครับก็ก็เขาเปิดร้านมีร้านใหญ่โตซื้อสะดวกนะครับ ก็ดูนะ่านะมันก็ดูนะ่นะนะ่าเชื่อถือดีเราก็เลยซื้อนะครับแต่มาวันนี้มาที่นี่เนี่ยเราได้รับข้อมูลเยอะนะครับบางทีอาจจะคิดดว่าโอ้โหแบบโฆษณากันเป็นชั่วโมงเลยเหรอจริงก็ไม่เรียกว่าโฆษณามันเป็นการให้ให้ความรู้ครับเพราะส่วนมากเนี่ยเราก็จะแค่อย่างนี้ครับคนยื่นมาให้นะครับเราก็รับประทานนะครับโดยที่ไม่ได้ถามเลยซึ่งผมรู้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับที่คนบางคนเขาสามารถซื้อวิตามินที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายและตั้งใจทานอย่างนั้นน่ทุกๆวัน แต่ไม่เคยถามว่ามันคืออะไรทํามาจากไหนนะครับเพราะเราเราเชื่อถือว่าเอ้ยมันมีคนดูมาให้ก่อนเราแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับสุขภาพมันเป็นของคุณนะครับทางเรื่องก็เป็นของคุณนะครับคือคุณอยากดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็ต้องเอาเอาใจใส่ครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเชื่อคนว่าเฮ้ยอันอันนี้ดีต่อเราแล้วก็เราก็รับประทานนะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยผมจะได้ยินคำคำพวกนี้เยอะคิดว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้ยินนะครับคําเตือนจากหมอนะครับเพราเวลาเราคุยกับญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะครับ บางทีถามเขาเออและแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยคุยกับคุยกับหมอหมอบอกไม่ให้ทานนะครับผมมีคุณอาหลายคนที่บอกว่าแบบแต่ก่อนก็ทานแล้วหมอบอกว่าไม่ให้ทานนะครับก็จะเจอคํานี้ครับวิตามินทานเยอะอันตรายทานแล้วเดี๋ยวมันสะสมสารพิษนะครับอาหารที่เราทานประจําวันก็พอแล้วซึ่งนี้ผมแค่ฟังอันนี้ทานเยอะอันตรายแล้วแบบมันต้องเยอะน้อยมันขนาดไหนหนึ่งสองแบบ วิตามินสารอาหารทำไมทานเยอะมันเป็นอันตรายได้ไงอ่ะถ้าเราทานน้าเยอะเป็นอันตรายไหมนั่นก็คือถ้าเยอะมากๆก็เป็นอันตรายนะครับแต่สมมติเราก็ดื่มกันได้ทุกวันอาหารเราก็กินกันทุกวันใช่ไหมครับมันหมายความว่าไงคือฟังแล้วงงมากนะครับแล้วปอดสะสมสารพิษแล้วมันสะสมสารพิษหมายความว่าไงอ่ะตกลงสารอาหารวิตามินมันเป็นพิษหรือมันเป็นมันดีกับเรากันแน่นะครับคือยิ่งฟังก็ยิ่งงงนะครับส่วนนี้อาหารที่เราทานประจําวันก็พอแล้วคิดว่าถ้าเพื่อนๆวันนี้เข้ามาถึงวันนี้เราเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่า อันนี้เราพูดยากเนาะเพราะวันวนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราทานอะไรดีไม่ดีตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าทานพอพอหรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับก็ผมก็เลยไปทําวิจัยมาเรื่องเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าที่แพทย์เขาพูดอย่างนี้เนี่ยครับคือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมันมีวิตามินอยู่สองแบบนะครับก็มีวิตามินเรียกว่าวิตามินธรรมชาติครับแล้วก็วิตามินสังเคราะห์นะครับวิตามินสังเคราะห์เนี่ยตอนนี้ของในท้องตลาดประมาณเก้าสิห้าปอร์เซ็นนะครับเป็นวิตามินสังเคราะห์ นะครับไม่แปลกครับที่แพทย์หลายๆท่านเนี่ยจะแนะนำว่าอย่าทานวิตามินนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาหมายถึงวิตามินสังเคราะห์พวกนี้นะครับอ่ะสมมุติมาดูการเปรียบเทียบอ ะ, อ, อะไรคืออะไรคือความแตกต่างระหว่างวิตามินธรรมชาติกับวิตามินสังเคราะห์นะครับก็อย่างนี้อันนี้เป็นก็เป็นกราฟวัดพวกสารอาหารที่มีอยู่นะครับอันนี้ n e u t r a l ล e ์แอซิ l แ c e ิลแ a t e ลอ่า uh, ครับก็คือเอาผลไม้ เซลลูลาชรีเนี่ยครับไปสกัดเอาสารอาหารออกมานะครับแล้วเราก็เอาไปเทสนะครับก็เอาไปฉายแสงแล้วก็ดูว่าอะไรมันเด้งกลับมานะครับก็จะเห็นว่ามีสารเคมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีสารอาหารหลายอย่างมากนะครับส่วนนี้คือวิตามินซีสังเคราะห์ที่เจอในท้องตลาดนะครับก็เอาไปฉายแสงเหมือนกันนะครับก็กลับมาแค่นี้นะครับก็ไอ้แท่งนี้ครับก็คงเป็น a s สคอร i c a กแอนะครับของที่สังเคราะห์เนี่ยส่วนมากก็คือจะได้ของที่มันบริสุทธิ์มาก แต่ว่าได้มาอย่างเดียวนะครับในกรณี น, นี้ก็คือได้มาแต่ ascorbic acid นะครับอย่างวิตามินซีเนี่ยถามว่าอยากจะเข้าใจว่าวิตามินซีคืออะไรนะครับก็สมมติเปรียบเทียบเป็นเป็นวงนะครับสมมุติว่าอ่ะคนนี้ชื่อตูน Body Slam ใช่ไหมครับแล้วก็จะรู้จักเขาว่าเขาเป็นนักร้องนําของวง Body Slam ใช่ไหมครับบางทีพูดถึงบอดี้สแลมมก็คือมหมายถึงพูดถึงตูนนะครับพูดถึงตูนก็คือพูดถึง Body s สแลมนะครับเพราะว่าเขาเด่นสุดนะครับ ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็น As สคอร์บิ c แอของวิตามิน C นะครับแต่การที่วิตามิน C จะทํางานได้เต็มที่เนี่ยหรือวงนี้มันจะมันจะเพาะได้นะครับมันก็ต้องมีชัดปิดยอดเอ้ยนะชัดปิดยอดนะครับลงโตพอดีเลยครับมันก็ต้องมีนักมันก็ต้องมีคนอื่นเสริมใช่ไหมครับนะครับก็ต้องมีมือกลองมีมือมือกีตาร์มือเบสอย่างเงี้ยมันได้ทํางานแบบได้ครบนะครับวิตามิน C ก็เหมือนครับแอสคอร์ c ิกแอเนี่ย คืในส้มมันมันไม่ได้มีแต่แอสคอร์บิกแอซิดนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับมีไบโอฟลาวานอยด์มีลูตินนะครับแฟกเตอร์ kt ทนะครับคืออาหารแน่นอนอยู่แล้วครับอาหารธรรมชาติเนี้ยคือสารอาหารมันเยอะมากนะครับหลายแบบมากแต่พอเรามาสังเคราะห์เนี่ยเราเอามาแตแบบตูนอย่างเงี้ยมันก็ยังเพลาะนะแต่มันอาจจะเป็นอะคาเพลล่าอย่างเงี้ยมันคอละคนละมันคนละคนละฟิลกันแล้วอะ่ะนะนะครับอ่ะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับอย่างเช่นโปรตีนนะครับ โปรตีนเนี่ยก็เรียนเรียนรู้กัมาจากคอร์สก่อนหน้านี้เนาะว่ามันโปรตีนที่เราต้องการจริงคืออะมิโนแอซิดนะครับและอะมิโนแอซิดที่เราจำเป็นต้องมีมีเก้าอย่างใช่ไหมครับก็เหมือนวงนี้เนาะอันนี้วงวงอะไรเอ่ยเ i r l g e เ e r a t i o n ใช่ไหมครับขาดแค่สองคนนี้มันก็ไม่เต็มที่ใช่ป่ะเออแบบถ้าเราแบบนะจะจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วเขาแบบนี่มีใครจำชื่อได้บ้างอ่ะบีคนคนนี้ชื่ออะไรคนกลางยูริ ถ้ามอยู่ริอไ ม, ไม่มาอย่าเงี้ยก็มันก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะ <res> อ่นะครับ <res> คือสารอาหารรูปนี้รูปนี้จะแสดงให้เห็นนะครับก็คือถ้าทานต้องทานทุกคนใช่แล้วนะครับทานแค่คนเดียวไม่มันมันแบบไม่ได้เอ้ยไม่ใช่นะครับ <laughs> หมายถึงจะทานสารอาหารมันต้องทานทานให้ครบปริมาณต้องเพียงพอนะครับ <res> ต้องครบทุกคนแล้วก็หลายๆครั้งเอ้ย <laughs> ปไก่แล้วปลาไก่แล้วนะครับการที่เราไม่ทานอาหารให้ครบนะครับคือสารอาหารไม่ครบบางทีอย่างวิตามินซีเนี้ย มันก็ไปลดไปลดประสิทธิภาพของมันนะครับแทนที่มันจะสามารถสมมติช่วยเราลดความเสี่ยงเรืเรื่องโรคหัวใจได้เนี่ยมันก็มันก็ทํางานได้ไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นวิตามิน A ก็เหมือนกันครับวิตามิน A เนี่ยอย่างนี้ต้องเข้าใจคือคําว่าวิตามินเนี่ยมันเกิดก่อนยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันไปถึงนะครับคนรู้จักคําว่าวิตามินมานานแล้วแต่บางทีตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าสารอาหารจริงๆมันคืออะไรรู้แค่ว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ใน ผลไม้นี้หรืออยู่ในผักนี้นะครับที่สำคัญก็เรียกว่าเป็นวิตามินนะครับพอมาที่หลังเนี่ยเราถึงเริ่มมารู้ว่าคืออะไรเหมือนไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเรารู้จักก่อนอิเล็กตรอนนะครับก็มารู้กันทีหลังว่าวิตามินจริงๆคืออะไรนะครับก็อย่างเช่นวิตามิน A นะครับก็หลักๆนี่ก็จะมีเลตินอลเลตินอลเลตินอลนะครับก็รวมอยู่ก็เป็นสารเคมีที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ต้องพอพูดถึงวิตามิน A ก็ต้องพูดถึงทั้งหมดนี้นะครับบางที่เราสังเคราะห์เนี่ยเราก็ได้มาแค่กลุ่มหนึ่ง เราไม่ได้ได้มาทั้งหมดนะครับประสิทธิภาพมันเนี้ยมันก็ไม่มันก็มีมีไม่เต็มที่อย่างพวกเลติโนเนี้ยไม่ได้ไม่มีความสามารถเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วมาดูกันว่าการผลิตนะครับวิตามินสังเคราะห์เนี้ยอย่างวิตามินซีนะครับผลิตจากน้ําตาลนะครับเอาน้ําตาลไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระบวนการนะครับก็จะได้เป็นแอสคอร์บิกแอซิดนะครับหรือว่าผลิตจากถั่วโพดก็ได้นะครับที่อเมริกาเนี้ยก็ ผลิตข้าโพดเยอะนะครับจากที่เราเรียนกันวันแรกเขาเอาข้าโพดเนี่ย ม, มาทําวิตามินซีนะครับก็วิตามินซีตอนนี้ในท้องตลาดนี่ก็มาจากเมืองจีนกับหมดละนะครับเพราะโรงงานเนี่ยอยู่เมืองจีนกับหมดเลยเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นตวันก่อนผมก็เลยคิดเออลองใครรู้จักอาลีบาบาบ้างอ่าคุณคุณเป็นเว็บอะไรเอ่ยประเทศไหนอืมใช่ครับชื่อเหมือนชื่อเหมือนอินเดียนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครจากอินเดียนะครับแต่ว่า เป็นของจีนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ซื้อขายของนะครับส่วนมากจะเน้นเป็น B2B ก็คือ Business to Business นะครับเป็นเว็บไซต์จริงๆเรื่องราวของโฟลเดอร์เขาก็สนุกพอสมควรนะครับก็ก็คือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ถ้าเพื่อนๆ อ, อยากได้อะไรแต่แบบต้องซื้อเยอะๆนะไปหา Alibaba ได้หมดเลยสากกระเบอือยันเรือลบจริงๆนะครับผมก็เลยลองไปดูออยากซื้อ Ascorbic Acid As, อ, อยากซื้อวิตามิน C นะครับขายมินิมัมนะครับหนึ่งพันกิโลพอไหม หนึ่งตันอ่ะราคาเนี่ยครับดูนะครับ a อส o อ b i c Acid วิตามิน u i ฟ g ุกเตนินคาตันนะครับก็คือ Ascorbic Acid นะครับสามถึงสี่เหรียญต่อกิโลนะครับข้างล่างนี้ผมเจออันนี้ natural a c o r b i c cherry extract คือสารสกัดจาก a อ e โตรลาเชอร์เนี่ยครับซึ่งเป็นวิตามิน C เนี่ยราคา20ถึงอยห้าิเหรียญต่อกิโลคือวิตามิน C เหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเหมือนกันทำไมราคามันต่างกันขนาดนี้นะครับ และนี่ไม่ใช่ราคาที่แบบตั้งแล้วแบบตั้งแล้วค่อยมาต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับก็คือนี่นี่มันขายกันทั่วโลกอะ่ะนี่ก็คือนี่ก็คือราคาตลาดนะครับก็คิดดูว่าเวลาเราไปเลือกวิตามินซีเนี่ยจริงวันก่อนน้องน้องแทงก็ไลน์มาถามผมเกี่ยวเรื่องวิตามินซีเขาถามว่าแล้วเราจะสังเกตยังไงว่าอันไหนมันเป็นสังเคราะห์นะครับถ้า ว, วิตามินซีก็ง่ายๆครับถ้าเขาไฮไลท์ตัวเนี้ดูดูส่วนผสมและเขียนเลยว่าแอสคอร์บิกแอซิดสมัคก็ดาดาวได้เลยครับก็เป็นวิตามินสังเคราะห์นะครับ สมมติว่าถ้เป็นวิตามินธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสกัดมาจากอะไรนะครับมาจากส้มมาจากมะนาวมาจากเชอร์รี่นะครับสมมติก็จะเป็นแอเซอร์ราเชอร์รี่นะครับซึ่งเขาก็จะเขียนไว้เฉยๆว่าวิตามิน C นะครับซึ่งแอเซอร์าเชอร์รี่เนี่ยเกือบ 80% ของสป라이นในโลกนี้มาจากฟา ร, ร์มของของแอมเวย์นะครับของนิวทลไลท์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอย่างเจ้าเนี้ยเขาไปเาเชอร์รี่มาจากไหนเป็นของที่เราขายต่อมาหรือเปล่านะครับก็น่าน่าสนใจอ่ะ มาดูวิตามิน B บ้างวิตามิน b รวมนะครับสังเคราะห์จากยางมะตอยนะครับวิตามิน b ีเขาสามารถสังเคราะห์มาจากพวก petroleum product ได้อะนะครับพวกน้ํามันพวกอะไรพวกนี้สุดยอดมากนะครับอ่ะต่อไปก็วิตามิน d สังเคราะห์นะครับอันนี้สุดยอดอีกผลิตจากสมองวัวอาบรังสี UVVVV จริงอันนี้ผมผมคือจริงพอเราเรียนรู้เรื่องกระบวนการพวกนี้เฮ้ ก็นับถึงคนคิดมันเหมือนกันน ะ, ะใครใครรู้บ้างวิตามิน D เนี่ยคืออะไรวิตามิน D จริงๆคือคอเลสเตอรอลนะครับที่โดนแสงแดดแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างนะครับดังนั้นนี่คือที่เราสังที่ร่างกายเราสังเคราะห์วิตามิน D เองได้นี่ก็คือคอเลสเตอรอลครับที่มันอยู่ในในร่างกายเราเนี่ยโดนแสงไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อยก็กลายเป็นวิตามิน D นะครับดังนั้นก็ไม่แปลกครับเขาก็เอาเนื้อสัตว์นะครับโดยสมองเนี้ยใครจะไปกินใช่ปะ ถ้าเป็นเนื้อที่อร่อยๆเขาก็เอาไปขายนะครับแต่สมองเนี่ยขายยากหน่อยไม่เป็นไรครับสกัดเอาคอเลสเตอรอลออกมาก็คือเอาไปปั่นปั่นปั่ น, ป, นปั่นนะครับจนมันเละแล้วก็ดึงคอเลสเตรอรอลมาแล้วก็เอาไปอาบแสง UV ครับก็คล้ายๆกระบวนการธรรมชาตินะครับก็ผลิตได้จากอย่างนั้นแต่ก็มีอันตรายครับอันนี้เซนเตอร์ฟู้ดเซฟตี้ครับตอนนั้นพูดถึงเรื่อง Mac คาร์ดี L ่ใครรู้จักโรคแมคคาร์ดี L ่บ้างถามหน่อยว่าแมคคาร์ดี L ่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสหรือเปล่า แต่มันติดเชื้อกันได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นไวรัสหรือเปล่าอ่าอะไรเป็นตัวสื่อให้เกิดโรคนี้ใครรู้บ้างวัวกินวัวถูกแม้ข่ามาจากการที่เราเอาวัวที่ตายแล้วไปทำอาหารให้วัวตัวอื่นกินพอมันกินซากศพเพื่อนมันเองจากตัวที่มันติดเชือ้อมันก็ติดตามแต่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไวรัสที่ทาให้เกิดโรคนี้นะครับอันนี้จริงๆเป็นโล่ที่ผมเคยอ่านมาผมน่าทึ่งมากคือ เขาเรียกเป็นพริออนพริออนคือโปรตีนที่โปรตีนเราเวลาเวลาทอดไข่อะครับจากเหลวๆใสๆจะไปกลายเป็นสีขาวใช่ไหมคือโปรตีนเนี่ยมันมีการมันจะพับเปลี่ยนรูปร่างได้พอมันเปลี่ยนอย่างไข่จะกขาวจากใสก็เป็นขาวนะครับโปรตีนในร่างกายเราก็ต้องมีการพับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อทางการทํางา น, นครับแต่แม้คาร์ดีซีคือการที่โปรตีนมันพับแล้วมันพับผิดแบบนะครับเหมือนเราจะพับเเครื่องบินกระดาษอะไรเนี้ยแต่เราพับผิดมันก็บินไม่ได้นะครับ แล้วมันสามารถติดต่อได้คือพอมันพับผิดปุ๊บมันไปทําให้โปรตีนค่าเนี้ยพับผิดด้วยนะครับนั้นโปรตีนพวกนี้ที่มันอยู่ในซากศพของสัตว์เนี้ยเอาไปให้สัตว์ตัวอื่นกินกินโดยเฉพโปรตีนที่เรียกว่าเป็นพรีออนเข้าไปเนี้ยมันก็ติดเชื้อเป็นเหมือนกันนะครับแล้วตอนนั้นเขาก็เขาก็มาเซ็นเตอร์นี้ก็มาบอกว่าถ้าเราทานพวกวิตามินที่ผลิตจากสมองพวกอย่างเงี้ยเราอาจจะได้รับไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปด้วยดังนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะติดแมคคาร์ดิซีจากวิตามิน อืมก็น่ากลัวมากนะครับเนาะก็ธรรมดาเราคเดาจสทานไหมของอาหารอย่างนี้นะครับอ่ะคล้ายๆกั น, นครับวิตามินดีอีกแบบนึงก็สามารถสังเคราะห์ได้จากขนแกะอาบรังสี U V เหมือนกันอย่างที่บอกครับมัตเตียร์ล์ห ล, กลักๆที่ต้องการวัตถุดิบที่ต้องการในการผลิตเวิตามินดีก็คือคอเลสเตรอรอลนะครับซึ่งดังนั้นเขาก็เอาคอเลสเตรอรอลจากส่วนไหนของสัตว์ก็ได้อะที่ที่เราเราไม่ใช้โดยทั่วไปอะครับก็อย่างนี้ครับก็เอาขนแกะมา ส่วไหนไม่ใช่ก็มาปันป่นๆๆๆและคอเลสเตอรอลที่ดึงออกมาได้ก็เอาไปอาบยูนะครับวิตามิน E สังเคราะห์สมมติว่าผลิตจากโพแทเลนโปรดักต์เหมือนกันนะครับวิตามิน E เนี่ยสมมตว่าต้องมีรูปแบบทางเคมีเรียกว่า RRR เป็นรูปแบบที่ร่างกายเราสามารถดูดซับได้เรามีเอนไซม์ที่เข้าไปทํางานต่อได้นะครับแต่เวลาสังเคราะห์เนี่ยด้วยดวยความด้วยขั้นตอนทางเคมีนะครับเราก็จะได้วิตามินอี8ชนิดนะครับ แรูปแบบมี R S S R S R เลยพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจริงๆเราใช้ได้แค่สีเขียวอ่ะ Triple R RR, เนี่ยครับส่วนที่เหลือเนี่ยสัดส่วนที่มันส่วนที่เหลือที่ได้มาเนี่ยร่างกายใช้ใช้ไม่ได้นะครับก็เกิดอะไรขึ้นก็คือถ้ามันไม่เข้าไปสะสมในร่างกายก็คือตับก็ต้องทํางานหนะักในการที่จะเอามันออกนะครับคือบางทีเขาบอกอย่างว่าซินเนตวิตามินสังเคราะห์เนี่ยบางทีทานเราไม่ได้ไม่ได้ผล คือสมมติเราซื้อปริมาณเท่ากันเลยทานเราซื้ออันนี้เราได้แค่หนึ่งส่วนแปดเองใช่ไหมครับแถมต้องทํางานหนักในการถ่ายเจ็ส่วนแออกนะครับเนี่ยซื้อปริมาณเท่ากันที่เป็นธรรมชาติเราได้ครบนะครับแต่บางทีพวกนี้เนี่ยที่เราต้องขับออกเป็นผลร้ายให้เราด้วยซ้ํา น, นะครับแล้วก็พอฟังอย่างนี้ครับก็คือแล้วพวกนี้เป็นวิตามินที่สามารถสะสมในไขมันได้นะครับทานเยอะๆเนี่ยมันก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็กลับทําให้ผมกลับไปคิดถึงเวลาที่แพทย์เขาพูดใช่ไหมครับ ทานแล้วเป็นพิษอ่าอย่างนี้ทานเยอะก็เป็นพิษได้นะครับเพราะร่างกายเราไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วบอกว่าทานและสะสมสมมติว่าสิ่งที่สะสมได้ต้องเป็นวิตามินหรือสารอาหารที่ละลายในไขมันนะครับก็พวก A D E K นะครับแต่พวกอย่าง B C อย่างเงี้ยมันละลายในน้ําก็สะสมไม่ได้ทานเยอะสมมติก็อะไรไม่ใช้ก็ฉี่ออกหมดนะครับอืมนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก็คงเห็นแล้วนะครับว่าวิตามินเนี่ยถ้าเราจะทานเนี่ยให้เลือก ทานวิตามินที่มาจากธรรมชาติดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยผมเองก็เป็นนักนักวิทยาศาสตร์ผมก็เชื่อถือในกลไกลแล้วก็กระบวนการของวิทยาศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตน้ําตาลเป็นแอสคอร์บิกแอซิดได้อ น, นี้ผมเชื่อนะว่าทําได้เพราะพวกนี้มันมันมั น, ม น, มนพิสูจน์ได้แต่ผมว่าหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ก็คือแอสคอร์บิกแอซิดอย่างเดียวมันเพียงพอหรือเปล่าสําหรับสุขภาพของเรานะผมว่าจริงร่างกายมนุษย์เนี่ยยังมีปริศนาอีกเยอะนะครับที่ ยังอีกนานะครับกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถหาจิกซอได้คร บ, บ, บทุกชิ้นเนี่ยดังนั้นถ้าเราเลือกได้อ่ะเราจะเลือกเอาจิกซอจิกซอแค่ชิ้นเดียวหรือว่าเราจะเอามันทั้งหมดนะครับถ้าอยากได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องทานอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะเราถ้าเราทานสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยเราก็ได้เท่าที่ปัญญาของมนุษย์มีนะครับแต่ผมว่าปริศนาในธรรมชาติมันยังมีอีกเยอะนะครับดังนั้นก็ควรทานสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะครับซึ่งนิวทริไลเนี่ยเป็น เป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์เดียวนะครับที่ปลูกพืชของเราเองนะครับเก็บพืชเองนะครับล้วก็ผลิตเองนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เป็นเซอร์ติฟายคือได้การรับรองว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับซึ่งอย่างอันเนี้ยรับรองโดยยูโรมอนิเตอร์นะครับยูโรมอนิเตอร์ก็เป็นเขาเป็นองค์กรที่แบบเวลาบริษัทไหนก็ตามออกมาเคลมออกมาบอกว่าเฮ้ยชั้นอันดับหนึ่งชั้นอันดับห้าชั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาจะเอาไอ้ประโยคนี้ มาตีความแล้วก็ไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะตอบว่าคืออันนี้อาจจะไม่ใช่คำพูดของเขาอันนี้อาจจะเป็นคำพูด n u t i l i t e n u t i l i t e บอกเลยว่าเราเป็นแบรนด์อย่างนี้ Euro Monitor ก็จะไปพิสูจน์ดูว่าที่พูดแต่มันจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าของเราอะจริงนะครับต่อมาก็ Discovery Channel นะครับก็บอกเหมือนกันครับว่า n u t i l i t e เนี่ยเป็นวยี่ห้อวิตามินระดับโลกนะครับที่เหมือนกันเลยครับปลูกเองเก็บเองผลิตเองนะครับ ดูของยี่ห้ออื่นบ้างครับก็ส่วนมากก็ไม่มีฟาร์มเป็นของตัวเองครับแล้วบางทีไม่มีไม่มีแรงกําลังการผลิตของตัวเองด้วยซ้ําไม่ปลูกเองไม่ไม่ผลิตเองแล้วอแล้วใครทำไหมครับก็ระบบธุรกิจสมัยใหม่ครับก็จ้างคนอื่นทําแทนได้นะครับทําแต่แบรนด์ส่วนสินค้าให้คนอื่นผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบในสินค้าของแอมเบรของนิวทรีไลท์ครับเพราะว่าคือเราผลิตเองจริงๆนะครับ ทำให้เราเชื่อถือได้ว่าสิ่งที่เรากำลังบริโภคเนี่ยมันมามันมาจากบริษัทของเราจริงๆนะครับนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยพูดถึงอาหารเสริมที่ที่เราควรจะทานนะครับแน่นอนคือเราพูดถึงอาหารเสริมก็คือเราเราอยากมันก็ต้องเป็นอาหารนะครับดังนั้นอาหารเสริมที่ดีเนี่ยก็ต้องเริ่มจากอาหารก่อนและต้องเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงนะครับเพราะสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะส้มลูกหนึ่งมีวิตามินซีอยู่เท่านี้ แล้วเราต้องการที่จะสกัดวิตามินซีพวกนี้ออกมาเนี่ยต้องถามว่ามันจะสกัดออกมาได้สักเท่าไหร่นะครับถ้าส้มผลนั้ น, น, นเนี่ยวิตามินซีไม่เยอะมันก็สกัดออกมาได้ไม่เยอะใช่ไหมครับแต่อย่างวิตามินซีเราใช้อเซอร์ราเชอร์รี่เนี่ยซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้ม50เท่าอย่างนี้นะครับหรือเราใช้กระเทียมแบบพันุ์พิเศษนะครับเนี่ว่าเป็น king of garlic อ่ะคือแบบสารอาหารมันคือเราเราเราอย่าไปคิดนะครับว่าอาหารเสริมที่เราทานอย่างนี้ของ utilite เนี่ยเขาใช้แบบกระเทียมที่เราแบบ เห็นใส่อยู่ในแบบข้าวผัดกระเทียมตามตลาดของเราครับคือทุกอย่างเป็นพันพันที่เขาคัดเลือกมาแล้วครับแลนนี้ครับเราก็เริ่มจากอาหารที่มีโภชนาการสูงนะครับเราก็เก็บเองนะครับแล้วก็เราก็เข้ากระบวนการผลิตครับกระบวนการผลิตเนี่ยก็คือการไปทําทําให้แห้งก่อนก็คือสกัดเอาน้ําออกนะครับเอาส่วนแบบแล้วเราก็เอาเอาไปบดนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยครับสารอาหารที่ดีมันอยู่ในเปลือกกับอยู่ในแกนถามว่าเรากินแกนได้ไหม คงไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมครับแต่เราเป็นบทไปบทเป็นผงเนี่ยก็กลืนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ใชไหมครับนะครับเราก็เก็บนะครับพืชแล้วเอาเอาไปบทเป็นผงนะครับแล้วเราก็เอามานําแล้วเราก็ามาทดสด้วยครับว่าในผงเนี้ยมันมีปริมาณสารอาหารเท่าที่เราเท่าที่มันควรจะมีไหมนะครับแล้วก็เอ า, เอามาอัดเป็นเม็ดนะครับซึ่ง QC ของของนิวทรีไลน์เนี้ยสุดยอดมากนะครับถ้าเขาตรวจแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ออกมามันแบบวิตามินมันไม่เยอะ เท่าที่มันควรจะมีเนี่ยเขาก็ไม่เอามาขายเราแต่ที่ผมรู้สึกมันสุดยอดมากคือเขาเอาไอ้พวกที่ของที่ขายไม่ได้เนี่ย <laughs> ไปขายต่อไม่ใช่ครับ <laughs> <laughs> เขาเอากลับไปโปรยบนฟาร์มของเขาอะ่ะ <laughs> เพื่อให้มันกลับคืนเป็นปุ๋ยให้กับรุ่นต่อไปอะ่ะเออคือแบบผมมันเข้าใจคิดมากอะ่ะใช่ไหมครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือวิตามินของเรานะครับไปดูไปดูวันวันที่อะครับสมมติว่าจะไม่เกินหกเดือนนะครับ เพราะของเราก็าคือเราผลิตเองและด้วยความที่เราเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยเราไม่ได้ไปวางบนเชลล์วะไม่ได้ไปวางบนเชลล์ของร้านที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะบางทีเราไปซื้อไปร้านยาใช่ไหมจะเห็นวิตามินวางเต็มเลยแต่เราไม่รู้มันค้างอยู่บนเชลล์นั้นมนนา น, นานแค่ไหนอ่ะนะครับแต่ขของแอมเบด้วยธุรกิจเนเจอร์ของธุรกิจขายตรงเนี่ยเอาเลทมันมีมันมีน้อยใช่ไหมครับไปที่สยามเนี่ยก็มีแค่สอามเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็ดันออกมาเรื่อยๆ ถ้าใครอยากซื้อก็ต้องไปซื้อจากที่นั่นหรือไม่ก็สั่งจากอินจากเน็ตใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะเราควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถนําสินค้าที่มันเราก็สามารถทยอยสินค้าออกมาได้เรื่อยๆนะครับและการทําการตลาดของเราเนี่ยด้วยการที่การตลาดของเรามันโตตามตามธรรมชาติอยู่แล้วครับคนบอกต่อความต้องการด mm ีแมนกับสินค้ามันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับขึ้นตลอดแต่แต่คือค่อยๆขึ้นนะครับแต่ในธุรกิจทั่วไปเนี่ยถ้าวันนี้ผมอยากบอกว่าอยากตั้งบริษัทขายวิตามินซีเองเนี่ย แน่นอนอย่างที่ดูอาลีบาบาเมื่อกี้ผมสั่งวิตามินซีอย่างน้อยต้อง1 1ตันใช่ไหมผมก็ต้องสั่งแล้วผลิตทีเดียวเลย1ตันแล้วก็โฆษณาโคมครามเพื่อที่หวังว่าจะมีคนมาซื้อไอ้1ตันให้มันหมดภ า, ายในทันทีนะครับถ้าเราผมทําการตลาดไม่ดีค่อยๆขายเนี่ยแน่นอนผมผลิต1ตันแล้วก็ขายอาจจะขายยาว3ปีกว่าจะหมดใช่ไหมครับก็อาจจะทําเงินได้นะครับแต่สินค้ามันก็ประสิทธิภาพมันก็ค่อยๆลดลงนะครับเพราะอายุมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือ มีความต้องการก็ผลิตมีความต้องการก็ผลิตนะครับเพราะนี่เป็นเป็นธรรมชาติของธุรกิจขายตรงอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี้ยพอผมคิดอย่างนี้จริงทำให้ยิ่งยิ่งจริงๆผมยิ่งชอบในธุรกิจขายตรงมากกว่าธุรกิจคัลเทอร์เซลล์ด้วยซ้ำ น, นะครับเพราะธุรกิจคัลเทอร์เซลล์ก็อย่างที่บอกครับคือ supply demand เนี้ยมันจะมามันจะมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ธุรกิจขายตรงคือ supply กับ demand จะใกล้เคียงกันมากนะครับก็อย่างตอนนี้นี่จริงๆแอมเวย์ M ก็กําลังจะเปิด มีความต้องการมากใช่ไหมครับก็กําลังจะเปิดโรงงานแห่งใหม่นะครับที่ทั้ที่ทั้งอินเดียแล้วก็ที่เมืองจีนด้วยนะครับแต่ที่เมืองจีนเนี่ยผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าถึงไปเมืองจีนเนี่ยก็ยังเป็นบริษัท Access ของเรานะครับที่ไปควบคุมโรงงานนะครับและการผลิตนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบอยากจะผลิตก็ผลิตนะครับการจะสกัดสารอาหารออกมาจากพืชโดยที่มันไม่ไม่สูญเสียคืออย่างอย่างที่บอกครับเราอยากเอาน้ําออกนะครับ จะเาน้ำบ อ, อกอย่างนึงก็อาจจะอต้มใช้ความร้อนใช่ไหมให้น้ำมันละเหยแต่ถ้าใช้ความร้อนมากไปเนี่ยสารอาหารก็จะโดนทําลายด้วย ด, ดังนั้นเนี้ยไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทําได้นะครับต้องมีการวิจัยนะครับซึ่งเราก็มีการวิจัยอย่างเช่นนี้ครับ heat e t alcohol extraction of h e r b ก็คือเราอยากจะสกัดสารออกมาจากอืมอันนี้เรียกว่าอะไรภาษาได้สมุนไพรอย่างนี้ครับอันนี้เราใช้เราใช้แอลกอฮอล์ใชใช้ความร้อนหน่อยแต่เราก็ดูครับว่าถ้าเราใช้ความร้อนเราใช้ได้นานแค่ไหน ความร้อนเท่าไหร่ที่มันไม่ทําลายสารอาหารอย่างนี้ก็เป็นลกลิขสิทธิ์นะครับก็จดไว้นะครับคือเรามีนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับที่ก็เป็นพีเอชดีอย่างผมนะครับมีเป็นร้อยคนนะครับที่เนี่ครับดู Access Business Group นะครับซึ่งเป็นนี่ Michigan State University ก็แสดงว่าเขาจับมือกันระหว่างสองสององค์กรนี้นะครับมีชื่อของนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนี่ก็มีหลายหลายอันเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น public information คืออยู่ในสาธารณะก็ไปสามารถเปิดดูเองได้ นะครับก็อย่างก็คงจะสรุปตรงนี้ครับว่าถามหน่อยว่าธรรมดาเราคงไม่ทานไอ้พวกนี้ใช่ไหมคือโอเคน้ำตาเนี้ยทานบ้างเนาะแต่คงไม่ทานเยอะแต่ยางมาต่อยเนี่ยเราจะทานไหมขนแกะเราจะทานไหมสมองวัวเราจะทานไหมไม่ทานหรอมันก็น่าจะทําได้อร่อยนะมันคงมันเยอะดิไม่รู้เป็นไงแต่ธรรมดาเราก็ไม่ทานใช่ไหมครับถ้าในรูปแบบนี้เราไม่ทานเนี้ยในรูปแบบนี้เราจะทานไหมอ่ะ คือผมก็อย่างที่บอกผมก็เป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์จริงผมเชื่อว่าถ้ามันสกัดมาได้ี้จริงก็อาจจะไม่ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ผมเชื่อวิทยาศาสตร์แต่ผมไม่ค่อยเชื่อคน <c oughs> นะครับคนที่ผลิตจากนี่มานี่เนี่ยเราไม่รู้เป็นใครนะครับและถ้ามันเริ่มมันเริ่มจากแบบต้นทุนมันต่ําอยู่แล้วอะ่ะการนี้มันจะออกมาดีมันคงยากอะนะครับและการผลิตพวกนี้แน่นอนครับคือรู้ว่าเขาผลิตประเด็นสำคัญคือกำไรนะครับผมจะขายวิตามินเอ่าผมจะใช้ คอนเซนทร่าคอนเซนเทรตกิโลละร้อยห้าสิบเหรียญหรือผมจะใช้ a s สคอร์บิกแอกิโลละสามเหรียญ น, นะครับดูแค่นั้นก็รู้อยู่แล้วครับว่าจุดประสงค์ในการทําธุรกิจของแต่ละแต่ละแบรนด์มันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเขาห่วงเรื่องเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยผมก็คงคิดว่าเขาคงไม่ได้ห่วงสุขภาพผมใช่ไหมครับอ่ะแต่อาหารพวกเนี้ยเราก็ทานอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นชีวิตประจําวันนะครับถ้าแค่ผมเอาผักพวกนี้มาอบให้มันแห้งนะครับบดเป็นผง มาอัดเม็ดเนี่ยแค่นี้เองอะ่ะมันก็ยังเป็นอาหารอยู่ใช่ไหมอือนะครับจริงๆบางทีคนบอกเฮ้ยมันแบบเทคโนโลยีเกินไปแต่ผมบอกว่าจริงการทําอาหารในประจําวันตอนนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมครับการทําอาหารให้สุกการใช้ไฟนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์น ะ, ะยิ่งทําเค้กอย่างที่บ้านผมหมว่าวิทยาศาสตร์เยอะมากนะครับการใสยย่ยีให้ขนมขนมปังมันฟูหรืออะไรพวกนี้เครือนี้ก็แค่เป็นวิทยาศาสตร์ก้าวต่อไปครับมันก็ยังเป็นแต่เราก็ยังเริ่มจากอาหารจริงๆะครับ เพียงแค่รูปร่างมันเปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นอาหารอยู่แต่นตัวผมเองเจริงๆก็เคยพูดกับพี่ลินว่าเอ้ยผมทานอาหารเสริมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นซูเปอร์แมนนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆก็รสึกว่าสุขภาพเท่าเดิมทั้งที่เราทําเรามีเวรายกับตัวเองหนักขึ้นเป็นสองเท่าอ่ะนะครับแอทติฟทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ไม่เหนื่อยนะครับก็คิดว่าคงเป็นผลตรงนั้นแต่ตัวผมเองเนี่ยทานเพราะคือคิดแค่เนี้ยครับว่ามันก็คืออาหารเนะ่ยแล้ววันนี้เราเลือกอาหาหรดดีๆไ้ ในฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันแบบมันเข้ากับชีวิตสมัยใหม่อ่ะเพราะการที่ผมจะทานผักมันกระบาดอย่เงี้ยคงยากจริงๆวันนี้นี่ตอนก๊อปปี้ซีล็อกให้ อ, อ่าเอกสารให้เพื่อนๆนี่ยคุณแม่ก็เอาผักมาให้จานหนึ่งโหเต็มจานเลยกิ <c oughs> นไปก็แบบคืออย่างนึงแปลกใจอันนี้ก็ขอแชร์หน่อยคุณแม่เน <c oughs> ี่ยเมื่อคืนมามาคุยกับผมว่าคือตอนนี้คุณแม่ทําดีท็อกซ์พอมกับผมแม่เขาบอกแปลกใจมากเลยทานเราไม่หิวอ่ะคุณแม่นึกว่าจะหิวนึกว่าจะ ก็หายอยากทานอาหารอย่างอื่นเพราะแม่ว่าธรรมดาสามทุมอยู่ในครัวที่พัตคาเนี่ยก็ต้องสั่งอะไรมากินเล่นแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าทานดีท็อกซ์แล้วไม่มีความรู้สึกอยากนะครับคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยคงเป็นเพราะเราได้รับอาหารสารอาหารที่เพียงพอขอเสียปบมือหน่อยครับคือสุดยอดกว่านนีกคุณแม่บอกว่าคือตะก่อนก็ก็คิดว่ารู้ว่ามันคิดว่ามันดีนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่า การได้สารอาหารครบอ่ะมันสําคัญจริงๆโอ้โหยนะครับเพราะว่าคือการการที่เราหิวอ่ะบางทีมันไม่ใช่คือเขาจะบอกทานไขมันเยอะๆมันจะไปหยุดเอ่าต่อมหิวได้ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าร่างกายเราก็คงรู้ได้มากกว่า น, นั้นเนาะว่ามันขาดอะไรอะ่ะนะครับมันอาจจะขาดสารอาหารพวกเนี้ยแล้วมันก็ส่งสัญญาณออกมาว่าหิวแล้วแต่คนปัจจุบันพอเราหิวแล้วซัดอะไรครับมาม่าซัดเละใช่ไหมครับจริงๆผมว่านี่เห็นชัดมากว่าเวลาเราซัดพวก อาหารที่แบบไม่ค่อยดีอะ่ะคือมันมันรู้สึกได้ทันทีเลยเนาะว่าหลังเหมือนรู้เหมือนรู้สึกเหมือนว่าแบบไม่ได้กินอะไรอะ่ะเออบ า, าาเเเเบางทีมามาเซ็นเตอร์มันรีบมากนะครับผมว่ากินอาหารจากเซเวมันก็อิ่มท้องแต่มันจะรู้สึกก ล, งกลวงๆว่าแบบเหมือนว่าแบบเหมือนแบบไม่ได้กินอะ่ะคือเป็นอาหารอาหารเซเวนี่เป็นสแน็คจริงๆเลยครับกินให้พุงกลางเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นสแน็คไม่รู้สึกเหมือนว่าเราทานอาหารไปทั้งมือ ห, ห, หนึ่งอะ่ะเออคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับนะครับก็อยากสรุปนะครับว่า แน่นอนครับทานอาหารควรจะทานอาหารที่ดีนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยพวกนี้ซื้อได้ตลาดของเตยก็ซื้อได้ใช่ไหมครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวนะไปเดินตลาดของเตยแล้วยิ่งถ้าดูวิดีโอในวันแรกที่มากันใช่ไหมครับอาหารที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมสมารเนี่ยคือกระบะเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายาค่าเชือเยอะแค่ไหนอะ GMO หรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรามีโอกาสที่เราจะซื้ออาหารพวกนี้ส่งตรงจากฟาร์มนิวทรีไลท์นะครับซึ่งเป็นฟาร์มออร์แกนิก ไม่มีสารเคมีไม่มี GMO นะครับแล้วเขาส่งมาแทนที่จะส่งมาในรูปแบบนี้ซึ่งสามารถเสียได้ระหว่างทาง น, นะครับเขาแค่ทําให้มันสะดวกขึ้นครับใส่มาในแบบนี้นะครับคือนอกจากว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่หาที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะที่อื่นไม่มีทางซื้อผักจากฟาร์มของเราได้ใช่ไหมครับแล้วผมว่ า, าผักของฟาร์มเราเนี้ยดีที่สุดในโลกละนะครับก็ดังนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ดีใจนะครับที่ทุกคนได้ทานนิวทรีไลท์นะครับก็ดีใจมากที่คุณแม่ก็ได้ทานนิวทรีไลท์เหม ครับก็ดังนั้นเนี่ยจริงก็จบพรีเ n นเทชันวันนี้ก็ขอเสียงปกมือหน่อยนะครับครับจริงก็เดี๋ยวขอแชร์อีกเรื่องนึงเนาะก็เดี๋ยวจริงๆระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องน้ําหน่อยนะครับเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกผักพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังช่วยขออ่ะเดี๋ยวขอให้ช่วยน้องๆช่วย Se ต up ให้หน่อยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปด้วยนะครับจริงเป็นเรื่องหนึงที่ผมอยากจะใส่มาในสไลด์นะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลา แชร์ให้ฟังนะครับโอ้จริงๆผมมีมีวิดีโอขอเปิดวิดีโอหน่อยครับวางไว้บนเดสก์ท็อปแล้วสาธิตได้ได้ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่าใช่ใช่ใช่คือผมผมก็หาวิดีโอนะครับก็รู้สึกว่าคือวิดีโอดีๆมีเยอะมากนะครับแต่อันนี้ชอบชอบเมสเซจมานะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ํายังไงนะครับ เอ้ยนิวทรีไลฟ์สนุกอย่างนันเลยเนี่ยอ้าวจบอ่านี่นี่เป็นฟาร์มนิวทรไลฟ์ของเรานะครับพิลินพอจะทราบไหมครับว่าอันนี้เป็นฟาร์มที่ไหนอะครับเล็กวิวนะครับนะครับก็ก็อย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์เดียวนะครับนี่ก็บอกว่าวิจิตรสมเป็นสินเตติกนะครับสังเคราะห์แต่นิวทรไลฟ์ของเรานะครับทําตามที่ธรรมชาติบอกว่าควรจะเป็นนะครับ นี่ครับเขาบอกว่าให้เทียบระหว่างการทำเกษตรก ร, กรทั่วไปครับที่เป็นออร์แกนิกจริงๆเนี่ยจริงไม่ค่อยได้ยินเลยผม mm hmm. คือเราปลูกพืชด้วยการใช้สารอาหารจากจากดินจริงๆะครับ mm hmm. ที่ฟาร์มนี้แจว๋วครับเพราะว่าเราอยู่ติดภูเขาลูกเนี้ย คือน้ำมันลงมาจากภูเขาและน้ำมันก็สัดผ่านพวกหินมันก็พาแร่าธาตุมาและแร่าธาตุพวกนี้มันก็มาตกอยู่ในในดินของเราครับและพืชเราก็ดูดแร่าธาตุพวกนั้นขึ้นไปนะครับคือหลายพันปีมาแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นพื้นของทะเลสาบนะครับมีสารอุดมสมบูรณ์มาก อ่าอันนี้ที่ที่เม็กซิโ ก, โกนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ภูเขาไฟนะครับเขาบอกนานๆนนทีเนี้ยมันก็จะได้ควันจากป่องภูเขาไฟเนี้ยไอควันไอเขม่าพวกเนี้ยก็คือเป็นสารอาหารดีๆทางนั้นนะครับพวกซัลเฟอร์พวกอะไรเนี้ยครับก็เป็นรางวัลจากจากธรรมชาติเลยครับอันนี้ที่บราซิลนะครับดูแล้วขน ล, ลุกอะ่ะ <laughs> นะครับ อันนี้เชอร์รี่ของเรานะครับเชอร์รี่เนี่ยเราเก็บตั้งแต่มันเขียวเขียววิตามินซีสูงสุดตอนนั้นนะครับแค่นี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วอะครับจะเก็บตอนเขียวเลยจะเก็บตอนมันแดงนะครับอ๋อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยครับคือฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่สุดยอดมากนะครับยังไม่ต้องพูดถึงอาหารเสริมครับพูดถึงแค่อาหารนะครับ อ่าขอเซ็นปุ่มเือนิวทิไลอีกทีหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูเมื่อกี้นะครับคือเรื่องของน้ําจะเห็นตอนแรกที่เขาพูดถึงน้ําที่มันซัดมาจากภูเขาใช่ไหมครับแล้วลงมาในดินนะครับนั่นคือกระบวนการที่เราสามารถนําแร่ธาตุเนี่ยเข้ามาในพืชเข้ามาในวงจรอาหารของเราได้นะครับคือเราจะรู้ว่าเราได้แร่ธาตุเนี่ยจากน้ํากับอาหารใช่ไหมครับแต่ถามว่าอาหารพืชหรือสัตว์เนี่ยมันได้แร่ธาตุมาจากไหนสัตว์กินหญ้าก็ได้มาจากหญ้าใช่ไหมครับ ระยะหรือพืชเนี่ยมันได้แร่ธาตุมันจากไหนก็ได้มาจากดินได้มาจากน้ําเหมือนกันนะครับดังนั้นแร่ธาตุสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดมันมามาจากน้ํานะครับที่มันนําพามาจากภูเขาหรือมาจากแหล่งดินที่ไหนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารับรับแร่ธาตุจากน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับจร่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อเลยดีไหมหรือเดี๋ยวต่ออันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่า ก็นะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนะ้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นเล็กวิวใช่ไหมครับก็มีข่าวที่น่าตกใจเนาะจริงก็ไม่ได้น่าตน่าตกใจแตน่น่าเสียใจก็คือเล็กวิวนี่เท่าที่ทราบคือกําลังจะปิดตัวใช่ไหมครับเหตุผลคืออะไรทราบไหมครับที่คือเขาบอกว่าแร่ธาตุในดินเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามาอบรมในวันหน้านะครับถ้าพี่เดชาได้ขึ้นมาสอนเรื่องอัซ่าเนี่ยก็จะรู้ว่าการปลูกพืชเนี่ ต้องการแค่นาทีเจนมีอะไรบ้างครับพี่ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมมีแค่สามอย่างนี้ต้นไม้จะสามารถเติบโตเขียวก็จีดูน่ากินได้นะครับแต่มันจะขาดจจะขาดแร่ธาตุขาดแคลเซียมขาดซิงค์ขาดอะไรก็ตามที่เราต้องการในในชีวิตของเรานะครับที่มันขาดเนี่ยเพราะพืชพวกนี้เดี๋ยวนี้มันโตมาในดินที่ไม่มีแร่ธาตุนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้เราอาจจะทานผักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแร่ธาตุที่เราได้ในผักนี้มันลดน้อยลง นะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเป็นเหตุสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องดื่มน้ําอย่างเช่นน้ําที่มาจากเครื่องกรองน้าอ e ีสปริงตัวนี้เพราะเป็นน้ําที่มีละท่านะครับโอ้ขอบคุณมากเลยมี Meet. เพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มทานน้าอย่างน้ําสิงนะครับซึ่งเป็นน้ําที่ไม่มีละท่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้อีกทีนะครับก็อ่ะสมมุติวันนี้เนี่ยเราอยากทานน้าที่มาจากแม่น้ําเจ้าพย า, าย <laughs> ไม่อยากขหรอเฮ้ยแม่น้ําของไทยนะมันเส้นเลือดของไทยนะยต้องทานดีนะครับ แต่ก็ไม่เอาใช่ไหมครับเพราะาน้ำสมัยนี้คือแบบมันก็สกรปรกอ่ะเนาะนะครับก็น้ำธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ที่เราเราจะใช้เนี่ยก็คือในกรุงเทพเราก็จะมีสุนทรบับบ์น้ำอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพใช่ไหมครับอ่ะจริงเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจริงขอผู้ช่วยขึ้นมาคนหนึ่งได้ไหมเอ่ยน้องแตก็กน้องตก๊กอ่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับปราพรฤทธิ์ศิษฤทธิิษฐ์นะครับ ก็น้ําน้ําสมัยเนี้ยครับกว่ามันจะมามาถึงบ้านเราเนี่ยมันก็เจออะไรมาเยอะใช่ไหมครับผ่านผ่านทุ่งน้ำก็เจอสารเคมีนะครับผ่านบ้านเราก็เจอน้ําเสียจากบ้านนะครับเจอโรงงานก็เจอสารเคมีจากโรงงานนะครับถือว่าอันนี้เป็นเสียอาหารนะครับก็สมมุติว่าเสียอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกในน้ํานะครับตอนนี้ปั๊มเนี่ยมันก็ น้ำมันกวนอยู่อย่างเงี้ยน้ำก็จะแดงอยู่อย่างงี้ก็เหมือนสิ่งสกรปรกที่อยู่ในน้ำนะครับอ่ะถ้าเราเอาน้ำนี้มาดื่มก็สกรปรกใช่ไหมครับอ่านะครับแต่เรามีแต่เครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเนี้ยเดี๋ยวสคุณข้างในผมค่อยพูดถึงแล้วกันแต่ว่าประสิทธิภาพในการกรองของมันเนี้ยดีมากนะครับที่ผมใช้สีเนี้ยเพราะว่าสีเป็นอะไรที่กรองยากนะครับเพราะอนุอนภาคมันเล็กมากแต่ก็อย่างที่เห็นครับก็คือ เครื่องกองน้ำของเราเนี่ยมันก็กางกองได้สะอาดนะครับเต็มที่นะครับจริงถ้าผมเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขาวเลยนะครับเครื่องกองน้ำอ e ีสปริงเนี่ยเปลี่ยนโค้กให้เป็นน้ำเปล่าได้ออเปลี่ยนน้ำาป่าให้เป็นไวได้ไม่ใช่นั่นนั่นพระเยซูแล้ว <laughs> นะครับอันนี้ยังไม่ถึงพระเยซูแต่ก็นะลาบเทพต้องบูชาทุกวันนะครับ แต่มาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดการยังไงกับสิ่งสกปรกนะครับคอรีนเทสคอรีนแล้ขาไปอันหนึ่งนะครับก็ในเมืองไทยนะครับเราก็จะใช้คอลีนนะครับคอลีนเนี่ยนอกจากฆ่าเชื้อเนี่ยมันสา ม, มารถกัดสีได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำก็จะเห็นว่าน้ำมันก็จะขาวขึ้นขาวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเดียวขอเออกกลับไปก่อน นะครับก็น้ําเนี้ยก็จะมีคลอรีนนะครับจริงๆเนี้ยโอ้ขาวขาวขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับอ่าเรามาดูหน่อยว่าแต่คลอรีนมันก็ยังอยู่ในน้ํานะครับจดคลอรีนตึง้ง ถ, ถือไม้นะครับอ่าอันนี้น้ําเดิมคืนโอน้นะครับอันนี้ก็น้ํากล่องอีกครั้งหนึ่ง อ่ะเครื่องกรองน้ําของเราเนี่ยครับก็นี่เขาเทสสมาธิเราอยู่ใช่ไหมเนี่ยนะครับ<อ>ก็คือเครื่องกรองของเราเนี่ยกรองคอลอรีนได้นะครับ<อ>ซึ่งคือกรองน้ําถูกๆเนี่ยส่วนส่วนมากจะกรองคลอรีนไม่ได้นะครับจริงวันวันคาทีดด่แล้วสาธิตเนี่ยจริงไม่ไม่อยากแก้งพี่นนท์เนาะก็จะไม่สาธิตแล้วกันแต่วันก่อนที่สาธิตเนี่ยคือเราให้ผู้ชมนะครับขึ้นมาเอาน้าเนี่ยกรวดปากแล้วเขาก็บ้วนกลับไปพอบ้วนกลับไปปุ๊บหูน้ําขาวเลย ข่าวแล้วขุนด้วยพี่นนท์ลองคือคอลีนเนี่ยครับเพราะว่าด้วยการที่มันฆ่าเชื้อได้เนี่คือมันสามารถเกาะกับสารที่เป็นออแกนิกได้ดีนะครับมันก็จะเกาะกับกระพุ้งแก้มเรานะครับก็คือเราข้วปากด้วยน้ําคอลีนเนี่ยคอรลีนมันติดปากเราไปหมดเลยนะครับพอเราคอร์ลีนเนี่ยมาอ่านะครับพอเราเอาน้ําที่มันมีคอลีนเนี่ยมาทําอาหารยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมเนี่ยสุดยอดเรายังไม่ได้เปิดของเราที่มีช้อนไหม อ hey, เลยนะอ่ะสมมติเราเอาน้ำที่มีคอรีนมาต้มชาอืมเอานิวคนเลยดีไหมอืมนะครับพวกชาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันมันก็จะดูดคอรีรนครับเหมือนต้มอ่า้าวข้าวก็เหมือนกันครับข้าวก็จะดูดคอรีนนะครับแล้วคอรีนเนี้ยพอมันโดนความร้อนแล้วมันอยู่กับกับสารที่เป็นอินอินซีครับมันก็จะแปลงร่างเป็นไตรฮลูมีเทนซึ่งทำให้กาะเกิดมะเร็งได้นะครับ ก็ที่เมืองนอก น, อ น, นี่ครับก็จะเริ่มเปลี่ยนจากคลอ ร, รีนไปใช้โอโซนแล้วนะครับแต่โอโซนนี่แน่นอนก็คือมันก็ระเหยออกจากน้ําได้นะครับก็คือถ้าเราส่งน้ําระยะไกลเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยไม่สามารถฆ่าเชื้อที่มันอยู่ไกลๆได้นะครับอ่านี่ก็คือเทสแรกครับว่าเรื่องของคลอ ร, รีนนะครับก็คือคลอรีนเนี้ยมีอยู่ในน้ําดีเพราะมันมันฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ในร่างกายเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องกรองน้ำที่ดีๆนะครับในการกรองคลอรีนออกนะครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดกันเรื่อง เรื่องเอ่อ uh, ไมมีน้าอย่างนี้ด้วยเนะี่ยล้างไม่ดีหวั <laughs> งว่าจะไม่เป็นอะไรน ะ, นะครับสมมุติว่าเราอยากดูว่าน้าเนี่ยอย่างที่บอกต้องมีต้องมีเกลือแร่นะครับหวองว่าน้าน้านี้คงสะอาดข้างใน <c oughs> อันนี้น้ากลัน่นน้ากลั่นเนี่ยไม่มีเกลือแร่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อน อ่าต่อมาก็น้ําสิงนะครับน้ําสิงเนี่ยเป็นน้ําเรียกว่า reverse osmosis นะครับก็ไว้วันหน้าจะอธิบายเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ก็คือเป็นการกรองน้ําที่สะอาดสุดๆนะครับแบบนักนักบินอวกาศใช้กรองฉี่ตัวเองเป็นน้ําเปล่านะครับ oh, <my. S 1> เทพเจ้ามากเปลี่ยนฉี่เป็นน้ําเปล่านะครับก็เบียร์สิงเนี่ยครับก็เขาผลิตเบียร์ใช่ไหมเ ข, เขาก็มีพวกกากเบียร์เหลือเยอะกาบเบียร์พวกนี้มันดื่มไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็เอามาเข้ากระบวนการ AO นะครับแล้วก็ผลิตเป็นน้ำน้ําดื่มให้เรานะครับ แล้วเขาใช้กระบวนการทางการตลาดเนี่ยบอกว่าน้ํำ AO เนี่ยสุดยอดนะครับตอนนั้นผมได้ยินทางวิทยุบอกน้ําอย่างดีน้ําแร่จากจากเขาใหญ่ซึ่งเขาใหญ่จริงมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ผ่านกระบวนการ AO นะครับคือ AO เนี่ยมันจะสะอาดเหมือนเป็นน้ําก่นเลยครับคือมันจะไม่มีพวกสารพวกละท่านเนี่ยมันก็จะกรองออกไปได้หมดเลยครับจะได้น้ําแต่ก็นะ ส่วนอันนี้น้ําดื่มออร่านะครับเป็นน้ําดื่มเป็นน้ําแร่นะครับก็จะมีแร่ธาตุท้ายครับอันนี้ก็น้ำํำแบบปลาที่เมื่อกี้เอามาให้เอามากันตั้งแต่แรกเนาะอ่าแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ําอีสปริงยังยังไม่เกิดอะไรขึ้น อ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมเล ย, ย, เล ย, เลยต้องตบมือนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับก็น้ําจากแม่น้ําคงคาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเราอยู่อะไรเจ้าพญาเนาะอ่ะแม่น้ําเจ้าพญานะครับจะเห็นว่ามันเปลี่ยนจากสีสีน้ําเงินเข้มที่อยู่ในหลอดผมเนี่ยเป็นสีชมพูนี่คือน้ําที่มีละท่านะครับถ้าน้ําที่ไม่มีละท่าเนี่ยสีมันก็ยังจะเข้มเหมือนเดิม นะครับก็คือไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีนะครับก็คือน้ำกาดไม่มีอย่างที่ผมบอกจริงๆจะเห็นว่ามันชมพูนิดๆเพราะเพลินว่าล้างแก้วไม่สาดมันติดมาหน่อยนะครับแต่ก็เห็นว่ามันก็ยังอ่าอันนี้น้ำสิงนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็ไม่มีไม่มีเกลรานะครับแต่เปนจริงมันเริ่มม่วงก็อย่างที่บอกมันติดมานิดนึงนะครับอ่าแต่มาดูน้ําที่เป็นน้ําแร่นะครับอ่าเห็นชัดใช่ไหมครับอ่ามาดูของเราบ้างนะครับคือน้ําเนี่ยน้ํำ A O คือเป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการมาแล้วนะครับ เขาจัดเอาคอลีนออกแล้วก็เอาแร่ธาตุออกไปด้วยนะครับแต่อย่างน้ําแร่อย่างเงี้ยก็มีมีเกลือแร่นะครับแต่บางทีจริงๆอาจจะมีเกลือแร่ไม่ครบชนิดก็ได้นะครับอ่มาดูอันนี้ก็คือน้ําปลาปลาที่ผ่านผ่านเครื่องอีสปริงนะครับก็คือยังมีเกลือแร่อยู่นะครับก็มีก๊าซแซงให้ดูแล้วว่าก็ไม่มีคอลีนแต่มีเกลือเกลือแร่นะครับดังนั้นน้ําอย่างเงี้เป็นน้ําที่เราควรจะดื่มในชีวิตประจําวันนะครับคนสมัยใ ห, ใหม่เนี่ยจริงๆคุณแม่ผมเนี่ยตอนนี้ก็กระดูกเท้าแตก ต้องนิ้วโป้งนะครับก็คนรุ่นใหม่ครับผู้ใหญ่ก็จะกระดูกคุณกันเยอะนะครับอย่างนึงก็คือแคลเซียมไม่พอนะครับที่แคลเซียมไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกครับคือบางทีก็ไม่ทานน้าดีๆเพราะเราทานโพลาริสเราทานน้ําดื่มตาสิงนะครับเราทานน้าอัดลมพวกนี้เป็นน้ำอัดลมทั้งนั้นเราขาดเกลือแร่ขาดไปนานๆเนี่ยกระดูกพุ่นหัวใจพองโตก็เป็นโรคพวกนี้ครับก็เริ่มมามาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เนี่ยยิงที่อเมริกาต่างประเทศเขาก็เริ่มรู้เรื่องนี้กันแล้วนะครับเขาก็ไม่ค่อยดื่มน้ำอัดลกันแล้วแต่เมือไทยครับก็ ก็ยังดื่มกันต่อนะครับเพราะเราชอบสิ่งนะครับสิ่งสถิตนะนะครับก็เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนะครับเราก็เลือกเครื่องกรองน้ำดีๆอย่างเช่น E-Spring นะครับ oh. ก็สามารถทำให้เราเนี่ย oh. ดื่มอย่างนี้30สิปีก็มีสุขภาพดีได้นะครับ oh. ก็ขอเสียงปรบมือให้เครื่องกรองน้ำอ e s p r i n g oh. นะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวคงจะไม่แกะข้างในให้ดูครับเป็นมิสเบรยสำหรับวันต่อไปนะครับโอเคก็ okay, จริงๆวันนี้ก็สำผมเนี่ยก็หมดแล้วนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวยังมีเพื่อนๆ น, นะครับจะขึ้นมาสาธิตประสิทธิภาพของนิวทริไลท์เพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวใครจะขึ้นก่อนเอ้ย น, นะครับจริงๆก็เดี๋ยวขึ้นมาพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้คุณกบินวุฒิมงคลกุลนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณปนาลณนีสืบแสงนะครับเอโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยเก็บนะครับระหว่างนี้ก็เชิญพี่ดอมเลย เผื่อไว้ก่อนอ๋อพี่ถือให้ผมเหรอจริงผมมีสามมือ <laughs> สวัสดีครับก็ขอบคุณพี่ลินนะครับที่เตือนจริงๆแล้วผมต้องสาธิตตั้งแต่วันแรกแล้วก็โชคดีไปวั น, นวันนี้ใครมาแล้ววันนั้นใครไป ม, มา <laughs> อ่า fiber นะครับตัวนี้คือฟ i b e r lens นะครับใครเคยกลืนบ้างโดยไม่เคียว <laughs> ไม่ไหวใช่ไหมแต่เลติสติงเคยไหะ <laughs> เลยติดตินเม็ดสามเหลี่ยมนะครับน้องชัดเคยเคยไม่เคียวละกืนแล้วสุดยอดมากนะครับเม็ดก็จะขนาดผมผมให้ด okay ูขนาดเม็ดอ่าโอ้ยคืนไม่ได้แน่นอนนะแต่ผมชอบนะรสส้มสถิตภาพคารีนะโอ้ยนายกฤ แล้วตอนอตอนนี้ยังไม่ใช่ครับอยากถือเองก็คือเรานึกภาพลำไส้ก่อนแล้วก่อนนะครับไฟเบอร์เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเกี่ยวกับลำไส้เราเรียนมาแล้วเนอะลำไส้ของเราตั้งแต่ส่วนลำไส้เล็กจนถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็มี สารอาหารใช่ไหมครับต้องผ่านกระบวนมันเป็นระบบของระบบย่อยอาหารนะครับที่ที่ร่างกายเราเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยก็ผ่านปากอาวัยวะต่างๆใช่ไหมครับหลอดหลอดอาหารกระเพาะแล้วก็มาที่ลำไส้เคยด้ยิเรื่องส่วนกาแฟไหมครับอ่ามันคือการีท detox แบบหนึงน่งนะเราก็ต้องมีท่านอนแล้วก็มีกาแฟอุณหภูมิน้ําปริมาณที่พอเหมาะอย่าร้อนเกินไปเพราะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยเคยมีคนนะครับจะส่วนกาแฟแต่ว่าทําผิดวิธีใช้น้ําร้อนแล้วฉีดเข้าไป เข้าโรงพยาบาลแล้วแบบไม่ได้ออกมานานเลยครับก็ลองลองคิดภาพลําไส้ข้างในอะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไหมมันเบินอะมันมันโดนน้าร้อนลวกจนแบบเละไปหมดอะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาทําอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันดูไม่ใช่ธรรมชาติอะวินแนะนํ า, นาให้ระวังไว้เลยดีท็อกซ์เนี่ยวินได้ยินมาเยอะแล้วครับดีท็อกซ์โดยวิธีการทําแบบนู้นโดยวิธีการทําแบบนี้ส่วนทวารด้วยละดย ด้วยกาแฟมีอะไรอีกมีชาอีกใช่ไหมสบู่ด้วยเหรอผมไม่เคยรู้แต่ไฟเบอร์ของเรานะครับคือการล้างลําไส้โดยที่ตามตามกระบวนการการย่อยอาหารของเรานี่แหละกระบวนการการย่อยอาหารของเรานะครับธรรมชาติมันมีคลิกค้นแบบนี้ขึ้นมาอยู่แล้วไม่ไงั้นมนุษย์เราอยู่ไม่ได้มาถึงกี่กี่พันปีอะใช่ไหมครับก็หลายพันหลายหมื่นปีเหมือนกันผมไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วเขาก็อยู่กันมาได้ โดยที่พืชผักผลไม้ที่เรากินนี่แหละมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่นะครับอ่ะดีครับไฟเบอร์นี่นะครับก็จะเป็นตัวช่วยทาําความสะอาดลาไส้ให้เราทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยผักผลไม้เราก็หาได้ง่ายกว่าปกตินะครับสมุนไพรเมื่อก่อนเดินออกมาจากบ้านเนี่ยก็เจอแล้วเด็ดข้างทางกินก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็บางคนก็ไม่กินผักใช่ไหมครับพี่กิตก็เป็นคนไม่ชอบกินผักเหมือนกันแต่ตอนตอนที่อยู่ออสเตรเลียที่เอห้องอาบน้ําที่มันมีเห็ด โตด้วยนะออกมาเด็ดได้เลยอะโอ้โหบานหัวขนาดนี้เลยพี่จะเป็นช่วงหน้าร้อนเท่านั้นอ่ะไฟเห็ดไม่ค่อยมีไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เนี่ยจะมีคือนึกภาพอะไรที่เคี้ยวแล้วมันเคี้ยวยากๆอะผักผัก <ไฟ S 1> ผักกระเฉดอย่างเงี้ยนึกออกไหมไอพวกที่ย่อยไม่ได้นี่แหละครับก็คือที่จะกวาดลําไส้เรานี่ผมเคี้ยวให้แล้วนะเห็นไหมครับนี่คือลําไส้แล้วก็นี่คือลําไส้เราแล้วก็มีน้ําใช่ไหมครับนี่คือ น้ำมันทําไมใช้น้ํามันเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะครับไอ้พวกเห็นแล้วครับพี่ลินเห็นตั้งแต่แว็บแรกที่พี่กําลังหมุนเลขแล้วเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยไอ้ผนังลําไส้อะครับมันก็ต้องมันก็ต้องทํางานในการดูดซึมถูกไหมครับแล้วพอเวลาเราทานอาหารที่มันมีไขมันหรือมันมีกากที่แบบไปติดอยู่ตามลําไส้เราอะผนังลําไส้การดูดซึมก็จะยากขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูลําไส้ที่ มีไขมันอยู่ข้างใน เ, เยอะหน่อยแล้วกันอ่าเห็นไหมครับเป็นวงยังยังอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะน้ํากับน้ำมันมันจะแยกกันอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยก็จะติดอยู่ตามผนังลําไส้ทําให้การดูดซึมเราไม่ดีบางคนก็ขับถ่ายยากเพราะอากยาศใยอาหารน้อยตัวนี้นะครับจะมีใ ย, ยอาหารทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ําก็สกัดมาไปดูได้เลยแฟกนี่คือสกัดมาจากอะไรบ้างนะครับแล้วมันทําอะไรได้อย่างแรกไม่ละลายน้ําเนี่ยมันจะไปช่วยนึกภาพไม่กวาด ไปกวาดผนังลำไส้ครับเพื่อให้ผนังลำไส้สะอาดแล้วก็การดูดซึมดีมากขึ้นพร้อมทั้งเป็นที่อยู่ให้แบคทีเรียรดีในลำไส้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเราทานไฟเบอร์ลงไป<อ>ปกติเราทานเมน็ดนึงต่อมือครับแต่นี้วินใช้สองเม็ดเพื่อเห็นภาพชัดๆอ่านึกภาพตอนนี้เราเข้าห้องน้ําอยู่ไขมันที่ติดตามผนังลำไส้นะครับจะกวาด จะเข้าไปจับไอ้ไฟไขมันที่ติดตามหลังลําไส้นะครับจะถูกไฟเบอร์นะครับเข้าไปจับจับจับแล้วพวกนี้นะครับก็จะเป็นก้อนผมคอเล่นปฏิกิยาเหมือนเวลาเราเบ่ง <Hey. S 1> สักพักหนึ่งนะครับไอ้ก้อนไขมันที่อยู่ตามลําไส้เนี่ยมันก็จะขัดถ่ายออกมาแล้วลําไส้เราก็จะสะอาดมากขึ้นสงสัยไม่ไม่ได้ปล่อยนานนะตอนนี้หยุดปลายลําไส้แล้วผมมีสองนาทีพี่ขอขยเยาหน่อย พี่ลินบอกไม่ให้ขยา่าดูนึกภาพอ่ะไอก้อนใหญ่ๆอยู่นี่โอเคเดี๋ยวมันก็ลงนะครับอ่านี่คือการทำงานของไฟเบอร์แล้วก็แนะนำสำหรับคนที่ทานไฟเบอร์นะครับกินน้ำตามด้วยนะครับเพราะใ ย, ยอาหารต้องมากับน้ำมันถึงจะทำงานได้ครับถ้าไม่ทานน้ำเข้าไปเนี่ยตัวบวมแน่นอน <c oughs> นะครับโอเคไฟเบอร์ไฟเบอร์หมดแล้วนะครับตาต่อไปเลซิดี โอเคนะครับก็โอ้โหโล่งละจริงอ네 allora. ันน so, uh, ี้เป็นการสาธิตที่อเห็นภาพมากเห็นเยอะเกินไปด้วยอ่าเชิญพี่ดอมต่อเลยครับนะเราเอาเอาไปซ่อนซ่อันที่จะต่อไปก็คือเลซิตินนะคะเลซิตินก็จะมีประโยชน์กับ เกี่ยวกับเส้นเลือดแล้วก็เกี่ยวกับไขมันที่จะไปเกาะเส้นเลือดอันนี้จริงๆมันมีประโยชน์อีกหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นพวกสารเกี่ยวกับสารพิปษประสาทด้วยนะคะเดี๋ยวจะจําลองให้ดูว่า <c oughs> ไมโครโฟนติด อ, อน้ํานี่สมมุติว่าเป็นเลือดของเรานะคะเลือดสิงแสงวาเชลซีฮฮ ก็สำหรับคนที่ทานอาหารพวกมันๆเยอะเนี่ยจำได้ไหมที่วันนั้นเราพูดเรื่องโรคเสื่อมมันก็จะไปคนที่กินไขมันสะสมจากอาหารเป็นประจำมันก็จะไปเกาะเกาะเกะตามเส้นเลือดเราซึ่งมันทำให้เส้นเลือดทาให้เลือดในเส้นเลือดอะไรเวียนได้ไม่ดีนะคะกอ็อ่าเพราะมีคนสองคนคนนะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวผมจะอ่านใจพี่ดอมแล้วก็พูดแทนมามายไม่ดูเหมือนเป็นน้ำมันที่เรากินติดไปกับอาหารนะคะก็ไขมันก็อยู่ในเส้นเลือดเราแล้ว ขอช้อนหน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมพูดแทนนะครับตอนนี้ก็ก็ทานทานมาม่าเข้าไปในในลาไส้อะนะครับฝังน้ำมันกำลังดูน่ากินเลยโ h oh my god ดู้ดูดดูดดูดดูดดูดดูดมันดะดดูดดมดนูดดูดดูดดูดดูดดูดดูดดู นี่เป็นไลซิตินนะคะที่บดแล้วเพราะคนที่ทานไลซิตินกับคนที่ไม่ได้ทานไลซิติน นนจะลองไหมคะไม่เอากระดาษจิ้มลงไปในนี้คือจริงๆเนี้ยห <c oughs> น, น้าหน้าที่ของเลซิสตนเนี้ยมันจะเหมือนเป็นอิมัลซิฟเออร์ช่วยน้ำกับน้ำมันให้รวมกันได้น้ำกับน้ำมันพอ ร, รวมกันปุ๊บเนี่ยโดยหน้าที่ของเลซิสตินแล้วเนี่ยมันจะทำให้ให้ไขมันรวมรวมกับเลือดเราแล้วก็ออกไปจากร่างกายได้ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ไปเกาะที่เส้นเลือด คือจริงๆเนี่ย เ, เหมือนอันนี้มันจะมันกว่าเรซินมันดูดน้ามันไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยมันบนกระดาษแผ่นนี้โอ้เสร็จประมือครับโ อ, โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับ นะครับก็เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับก็ความแตกต่างครับก็จริงก็สินค้าเป็นทุกตัวนะครับก็สามารถสาธิตได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับเราก็สาธิตก็ถือว่าสิมเพิลสิมเพหน่อยนะครับแต่ว่าก็เห็นผลได้จริงนะครับแล้วคนต่อไปนะครับก็จริงวันนี้เนี่ยวันวันก่อนผมก็คุยกับเพื่อนนะว่าเนี่ยคนคนนี้เนี้ยรักช่วยให้คนเนี้ยมีสุขภาพดีขึ้นผิวดีขึ้นมาหลายคนแล้วนะครับเขาก็ถามว่าแบบอเขาก็หาหมออยู่ทำไมทําไมต้องปรึกษานะครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆพอเทียบแล้วคือพี่ลินนะครับมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มานานนะครับก็ได้รักษาคนมาเยอะแล้วนะครับทั้งสุขภาพทั้งผิวหน้าผมเองนี่ก็ผิวหน้าดีขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าเทียบพี่ลินกับเทียบสมมติไปวุฒิศัก์ให้หมอที่เพิ่งจบการศึกษามาดูแลผิวเนี่ยคือประสบการณ์มันเทียบกันไม่ได้นะครับและประสบการณ์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญไอ้ยโยนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมสามารถเอาความรู้ นะครับมาแชร์ได้นะครับอ่าเราเราวังนิดนึงอ้าวฮุ้ยเล่หุยห้ยหุ้ยเล่หุย้ยใครทําน้ําหกต้องจ่ายอ๋อหุยสุดยอดอ้าวขอเซฟปุ่มือครับนะครับเพราะอย่างวันนี้นะครับอย่างที่บอกคือผมขึ้นมาก่อนเนี้ยผมก็ได้มาแชร์ความรู้นะครับ เป็นเรื่องของสไลด์ใช่ไหมครับวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยวิตามินสังเคราะห์เป็นอะไรวิตามิน C เป็นยังไงนะครับปลูกยังไงที่ไหนนะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราแบบอยากไปแนะนําให้กับคนว่าเฮ้ยเขาควรจะทานนั่นควรจะทานนี่เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับเผาหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยใช้ประสบการณ์อย่างมากเลยนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมปรึกษาพี่ลินเนี่ยจะทึ่งมากนะครับเพราะว่าพี่ลินคือแบบอย่างกับแบบมีลูกแก้วอะมองมองเห็นได้ครับว่าคนนี้อาการอย่างนี้เกกิดขึ้นนจาอะะไระครคับ ก็ทำให้รู้จริงมันมาจากประสบการณ์ซึ่งของงี้เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ง่ายๆครับเราต้องสามารถออกไปเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่เราได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์พีล่ลินนะครับเราก็ได้เก็บตกไปนะครับแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้เอาความรู้นี้เอาไปไปฝึกแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆ พ, พร้อมแล้วนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆนี่ครับตั้งใจฟังอย่างมากเลยครับเมื่อกี้ผมพูดอาจจะน่าเบื่อนะครับอาจจะเผลอหลับกันไปนะครับก็ขอให้ตื่นได้แล้วนะครับเพราะคนต่อไปเนี่ยเป็นเหตุผลที่เรามามามาที่นี่นะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะขอให้ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็ขอเสียงปุบมือดังๆนะครับให้กับคุณลินลพัส์โยเฉพาะนุ ก, กูลนะครับโอ้ยโอ้ยน่ากลัวเออเนาวไม่พี่ว่ามันจะหก โอเคค่ะโอ้โหเต้นจีข้างหลังสนุกมากเลยเป็นการออกกําลังกายก่อนขึ้นพูใช่ไหมคะมเป็นการลดคอนตื่นเต้นอะนะคะก็เราก็ได้เรียนกันมาสามครั้งครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่ใช่ไหมคะก็สามครึ่งแล้วเนาะใกล้จะจบแล้วนะคะก่อนจบนะคะอาจารย์สอนสุขภาพอยากให้ได้อะไร <c oughs> นะคะก็เออเป็นโลกประหลาดมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นดีท็อกสก็ดีนะคะเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงหลอดเลือดและหัวใจใช่ไหมคะโรคเสื่อมและโรคภูมิดานทานคือถ้าเราสังเกตชีวิตเราเราสังเกตสุขภาพเราเนี่ยคือเราเคยผ่านมาหมดแล้วแหละเพียง mm. แต่ว่ามันออกอาการเหล่านั้นหรื อ, อยังบางครั้งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เ ป, ทเป็นวันที่ไม่คาดหมายมากๆนะคะลินไปไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อนที่มาจากอินเดียคือเจอกันที่มุมไบแล้วเป็นการเจอกันที่ประหลาดมากลินเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากสิงคโปร์ นะก็ถ่ายรูปให้เขาหน้าโรงแรม Touch มาฮาลถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปกินกาแฟกับเขาที่ยอดคลับที่ต้องเป็น Member ร์ส only แล้วคนที่พาเราเข้าก็คือผู้ชายคนเนี้ยนะก็เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นคนทุ่มทุม่เป็นคนออกแบบแบบผ้าลายผ้าอ่านะคะเขาก็มาเมืองไทยก็าบอกว่าเนี่ยผมบ้าไหมเนี่ยมาหาคุณหลังจากที่รู้จักกันแค่เดือนเดียวแล้วเจอกันแค่ในวันเดียวเท่านั้นคือไปมุมใบไปเช้ามุมใบก็เจอเขาครั้งเดียวแล้วเขาก็บินมาที่นี่เพื่อมา มาเจอใช่ไหมคะก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกันก็พาไปกินพาไปกิน vegetarian เขาก็กินนะก็กินกันไปนะคะก็ดีมีพิงกี้ไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องแบบโอ้เขียนมาแล้วเขาบอกว่าพิงกี้ก็นั่งมองเขาเขาบอกนี่คุณฟังผมอยู่มั้พี้บอกฟังแต่ไม่รู้เรื่องปวดหัวนะไม่เป็นไรนะก็เลยคุยกันไป เขาก็เห็นเกินดีท็อกซ์ใ pues ช่ไหมคะเรนก็เ nope คี้ยวเลซิต e ินคือคือมื้อกลางวันเนี่ยเรนจะเคี้ยวไฟเบอร์เคี้ยวเลซิตินเพราะว่าอยากจะให้มันมีโมชั่นของการเคี้ยวคือความรู้สึกมนุษย์เนี่ยมีความเคยชินสูบบุหรี่เป็นความเคยชินอันนี้เรนยืนยันนะคะสูบบุหรี่เป็นความเคยชินคือโมชั่นของการขี้อะไรสักอย่างแล้วมูมาที่ปากนึกออกไหมแล้วก็มีการสูบจริงๆจะสูบน้อยสูบมากสูบแรงสูบไม่สูบเบานะคะคือเรนเล่ย์มาเรื่อยเลยนึกออกไหมคือแบบตั้งแต่ เรตมามีเดียมมาไลท์ Light, ม า, Ultra Light, มาออทร่ไลท์มาเนี่ยอกว่าตั้งแต่สิบหกมิลลิกรัมยันหนึ่งมิลลิกรัมเป็นแบบออทร่าฟิลเตอร์พลัสบาบอต้องซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรองี้ก็ทํำมาหมดแล้วอะ่ะคือมันเป็นโมชั่นอะ่ะคือจะสูบหนึ่งมิลลิกรัมหรือว่าจะสูบนิโคตินหนึ่งมิลลิกรัมหรือจะสูบนิโคตินสิบหกมิลลิกรัมก็เป็นความรู้สึกคล้ายๆกันคือคือขอให้ได้มีท่านี้เนี่ยบออกว่าท่านี้กับมือใดมือหนึ่งมันได้เสร็จแล้วมันโอเคแล้วมันพอใจแล้ว้ววนนะคเคคาียกมชิ แนะการกินก็เป็นความเคยชินถ้าวันนี้ เ, เราดื่มอาหารเราทุกมื้อนะคะเราจะไม่รู้สึกว่าเราอิ่มหรือเราไม่รู้สึกว่าเรากินอะไรเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีโมชั่นในการกินนะคะลินอก็กลางวันเนี่ยก็ใบเขียวเขาบอกทําอะไ ร, รอบอกทำ detox พวก detox ทําเพื่ออะไรลินบอกโอ้โห detox เนี่ยสาคัญมากเลยลิยนทําปีละครั้งเขาบอกทำไมลินบอกเพราะว่าเรากินสารพิษเข้าไปตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งที่ลินทําเนี่ยคือลินล้างตับและล้างลําไส้ในช็อตเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือลิมิตท็อกซินที่เข้าในร่างกายว่าเราจะไม่กินอะไรที่มาจากเนยนมไข่ชีสทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ไปทานที่ร้านอาหารอิตาเลียนบอกแล้วอิตาเลียนไม่มีเนยนมไข่ชีสยังเป็นอิตาเลียนอยู่อีกเหรอนี่บอกเออถูกของมึงนะคะก็ก็เลยไม่เป็นไรก็กินกันไปนะคะลินก็เป็นคนสั่งเพราะว่าลินสั่งเสร็จแล้วทุกคนจะกินได้แล้วก็เลยสั่งเสร็จแล้วเราก็ทานกันคุยไปคุยมานะลินก็จบท้ายด้วยการกินอาหารวิตามินเสริมใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งเขาบอกว่า เขาบอกว่า you've got me smitten ก็คือหมายถึงแบบเธอทำให้ฉันแบบรู้สึกอุ้ยโดนมากๆเลยแบบว่าชอบมากเลยในต้องบอกอีกสิว่าต้องทํายังไงบ้างเขาต้องกินอะไรบ้างเขาทำอย่างไม่ดิเล่าให้ฟังตื่นเช้ามาเขาทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ น, ส น, สนี้นึกออกไหมคะคือแบบเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเขาจะต้องทิ้งเวลามาอีกลางแล้วไม่กิน breakfast ตลกไหมคะไม่กิน breakfast กินแต่น้ําแครอทนี่ก็น้ำแครอทโอเคกินตอนไหนก็ต้องกินหลังเที่ยงกินก่อนเที่ยงไม่ได้ โอ้โหนี่สูตรไหนวะเนี่ยเนื่ออกว่าอยากรู้จริงๆคือเขาบอกว่ามีคนหนึ่งอะ่ะเปิดสถาบันนะที่มุมไบแล้วก็สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็รักษาคนจากการเป็นโรคมาแล้วเนี่ยบอกรักษาโรคอะไรวะเนื่ออกว่ารักษาโรคแข็งแรงมากให้ไม่แข็งแรงคือไม่เข้าใจงงมากเลยว่ารักษาอะไรเนื่องบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้นะเดือนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เขาทำไดเอทในนี้คือตัวเขาบวมขึ้นเยอะเลยคือทั้งบวมน้ําแล้วก็บวมอะไรสารพัดเรื่องก็คือหนึ่งเนี่ยทานน้ำแครอทเสร็จข้าเที่ยงคือทานสลัด สลัดเสร็จแล้วมื้อเย็นก็คือทานตามปกติ่านะคะทานตามปกตินะคะนีงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอการดื่มน้ําแครอทกับการกินสลัดนะคะมันก็การเป็นการลดแคลอรี่นั่นแหละนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการลดความอ้วนก็คือนี่เล่าให้ฟังว่าไอเรื่องโรคต่างๆที่เคยเป็นมันเคยเป็นมาหมดแล้วไออ้วนก็เคยเป็นนึกออกไหมคะไออ้วนนี่เคยเป็นอยู่นานเลยด้วย <laughs> เคยเคยเป็นไออ้วนอยู่หกสิบกิโลนึกออกไหมคะเออนะลองนึกถึงสภาพตอนนี้เนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างพอกเข้าไปฉาบเพิ่มะ ฉาเพิ่มทุกสิ่งอย่างนะะบวมไปหมดทุกอย่างคือเ้นเอากางเกงตัวนี้เนี่ยนะคะให้กางเกงที่เรนใส่ตอนอ้วนนะคะน้องบิ๊กก็คือผู้ชายหุ่นประมาณกันอย่างเง e ี้ยนะคะใส่ได like ้นะเออไม่ต้องโหกนางแรงก็ได้เนาะกางเกงยีนเพราะว่าบางทีเรื่องซื้อกางเกงยีนแบบก็ซื้อกางเกงยีนดีๆใช่ไหมคะเราก็รู้สึกเสียดายอ่ะเราจะทิ้งก็เสียดายเราจะให้คนอื่นก็เสียดายก็เออไม่เป็นไรเอาดาวไลน์มาก็ให้ใส่แล้วกันก็ให้เอากางเกงให้เขาใส่เขาชอบมากเลยเพราะมันเป็นกางเกงผู้หญิง <laughs> น้องบิ๊กเขาชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแท้ๆนะาสวยค่ะใส่แล้วมีเอวมีสะโพกเนอะ <laughs> ชอบ <laughs> <laughs> ชอบมากนะก็เลยยกให้บิ๊กไปสองตัวนะบิ๊กชอบมากเสร็จแล้วสรุปแล้วเนี่ยก็คือคือกางเกงเนี่ยถ้าให้แท็กใส่เสร็จใ ส, ใส่ติกระดุมเสร็จปุ๊บรู้สิบพอเสร็จพอปล่อยปุ้มเกงจะตก <laughs> นั่นคือความอ้วนของลินนะคะเสื้อตัวใหญ่ๆอ่ะหูใส่ได้แบบโคร่งไปหมดเลยเื้อยืดที่ใส่ามาถึงตอนนี้ไหลอยู่แถวนี้อืมก็คือตอนหนักหกสิบกิโลนี่ไม่ได้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราอ้วนอะ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกเราปกติมันค่อยๆ อ, อ, อ้วนไงตอนมันอ้วนมันค่อยๆเริ่มมันไม่ได้แบบมาตื่นมาหนึ่งวันตายหาแล้วเมื่อวาน 50, วนี้ห้าสิบวันนี้หกสิบนึกออกัหมมันมเป็นไปไม่ได้มันค่อยๆสะสมอย่างที่คิดบอกใช่ไหมคะมันมีเรื่องของแคลอรี่ที่เรากินเกิน เกินทีละนิดทีละหน่อยวันหนึ่งสะสมครบเจ็ดพันกิโลแคลอรี่ปุ๊บก็ไปเลยหนึ่งกิโลน้ำหนักใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรียนถูกแต่ก็ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เนาะไม่ใช่แต่เดี๋ยวต้องใช้นะคะก็ตอนนั้นหนักหกสิบกิโลเหตุเกิดเพราะว่ายานะคะก็คือฉีดยาเนี่ยเมื่อกี้นี้กิตก็พูดถึงโรคของเนื้องอกในมดลูกใช่ไหมคะอะ่าน ะ, ะเอาตัดชไลท์ไวแล้วอา้าวโถเอ้ยไม่ เตรียมกันก่อนเลยเว้ยนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็โรคผู้หญิงมีหลายโรคใช่ไหมคะก็คือมีเรื่องความแก่ใช่ไหมแก่ง่ายตายยากเขาบอกผู้หญิงใช่ว่าแก่ง่า <c> ย <oughs> <c oughs> นะคะเป็นโรคธรรมดานะคะเขาว่าเขาเนี้ยสามีทุกทุกคนจะชอบบอกว่าฮะ <c oughs> โรคฮิดแก่ง่ายตายยากนะคะก็ออ่านะคะก็มีผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเนื้องอกในมดลูกโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่เคยตั้งท้องเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยแหละ โอ้ยจริงๆแล้วฮอร์โมนตัวนี้ตอนนี้มันมีความคิดของผู้หญินะเวลาเราคนท้องใช่ไหมคะเวลาตรวจปัสสาวะเขาตรวจหาฮอร์โมนตัวนี้คือ hcg อ่าเสร็จแล้วไอ้ตัวฮอร์โมนตัวนี้ตอนนี้เนี่ยไปฮิตมากในการเป็นวิธีการลดความอ้วนวิธีใหม่คือจะฉีดฮอร์โมนนี้ให้เพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่าเวลาผู้หญิงท้องแรกๆจะไม่รู้ตัวใิงไหมแต่ไม่ไม่แท้งลูกแล้วลูกยังได้รับสารอาหารแล้วยังเติบโตปกติเพราะว่าร่างกายมีฮอร์โมนตัวนี้ปุ๊บจะไปเบิร์น เอาไขมันส่วนเกินทั้งหลายที่เราสตอเก็บไว้เนี่ยไขมันต่างๆที่เราเก็บไว้เนื้อไหมคะคือ energy พลังงานต่างๆที่เราเก็บเอาไว้แคลอรี่ของเราเนี่ยเอามาเบิร์นพอเบิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอามาใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กพออยู่ได้สักพักหนึ่งมันจะหยุดเพราะว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราท้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกินตามปกติดูแลดูแลคันตามปกตินั่นแหละก็คือไอตัวฮอร์โมนตัวเนี้ยเขาบอกให้ฉีดอยู่ประมาณสี่สิบวันได้ ฉีดฉีดสี่สิบวันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือร่างกายเราคือมันจะไปเบิร์นส่วนที่ดีมากเลยนะหน้าท้องต้นขาเนีอยหรอวะสะโพกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบไดเอทในฝันนะอืมนะแต่ว่าเรนไม่ได้ทําบบนั้นนะคะสิ่งที่เรนทําก็คือตอนนัำหกสิบกิโลเหตุที่เกิดคือหมอฉีดยาเพื่อระ ง, งับฮอร์โมนบางตัวทําให้เรนน่ะเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นเป็นวัยทองตอ น, นั่นเนี่ย ผมล้วงอ้วนง่ายกินอะไรก็อ้วนหงดหงีดขี้ร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยเหมือนวัยทองเป๊ะเลยนะคะก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นคือกินอะไรก็ขึ้นใช่ไหมน้ําหนักขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะคะถึงหกสิบกิโลเอ๊้ยาก็หมดลทธิ์ไปแล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าคือประจําเดือนกลับมาปกติแล้วแล้วกลับมาปกติเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือปกติเขาบอกยาเนี้ยต้องอยู่ได้แค่หกเดือนมันอยู่ไปประมาณปีหนึ่งปีครึ่ง หมูที่แรกคิดว่ากูจะไว้ทองเพอร์มานนนต์ถาวรยั่งยืนละน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะก็ เ, เลยคิดว่าโอ้โหทําไงดีปรากฏว่าพอทานไปเรื่อยๆนะคะทานอาหารเสริมยอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ลดกลับกับประจําเดือนกลับมาปกติทีนี้น้ําหนักที่เหลือเราทํำยังไงมันขึ้นไปแล้วอะ่ะพอฮอร์โมนหมดก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆจะแฟบอะ่ะไม่ใช่ลูกโปง่งเนี่ยหรอว่าเออนะก็ทําไงดีนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะก็รู้สึกว่าตัวเองโททะนิดนึงอะ่ะคือแบบ เนื่ออกว่าเวลาปกติเวลาเราเดินสวนกับใครในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยใช่ไหมคะเดินสวนใครมีคนชนเราเราก็จะแบบปลิวนิดนึงอ่ะแต่หลังๆแม่งเดินไปไม่มเคยมีความรู้สึกกระทบอะไรกับใครคือใครชนแม่งกระเด็นหมดเลยอ่ะมันเริ่มเนื้อมันคือรากผ่านมันคงนะคือแบบตัวใหญ่มากนะกําลังภายในดีนะเซนเตอร์การ์เินตี้อยู่หนักแน่นมากคนเดินชนทีแม่งกระจุยนะเราไม่เป็นไร สุดท้ายแล้วนะคะก็แบบมันเป็นวันหนึ่งนะคะที่เรียกว่าการลดความอ้วนเนียมันเป็นมันเป็นอะไรที่อยู่ในความคิดมากๆคือเราสามารถหมดหวังกับชีวิตไปเลยก็ได้นะว่าแบบอืมก็ไม่ต้องอย่างเงี้ยแก่แล้วก็ต้องอ้วนอะ่ะนึกออกไหมคะอายุมากขึ้นก็ต้องอ้วนอะ่ะมันเป็นความคิดที่ผิดอะ่ะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวคือเราอยากจะผอมเมื่อไหร่ก็ได้นะึกออกไหมคะมันขึ้นอยู่ที่เราเราพอพอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือเปล่าเราพอใจกับชีวิตที่มีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้ชีวิตที่ดีดกว่าใช่ไหม อืมนะคะก็วันหนึ่งก็ดูกระจกคือแบบเหมือนกับใส่ใส่แค่ชั้นในอย่างเดียวแล้วมองตัวเองแล้วแบบโอ้โหทําไมกูน่าเกลียดขนาดนี้หรอแม่มันเป็นฟีลลิ่งนั้นแหละฟีล ท, ที่รู้สึกว่าโอ้โหทุเรศตัวเองอะ่ะเห็นแล้วแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะหลังจากนั้นนะเชื่อไหม ว, ว่าพยายามออกกําลังกายอยู่ประมาณสามเดือนนะแต่ว่าคือการออกกําลังกายที่เราออกกําลังกายแบบไม่เต็มใจออกอะ่ะเป็นการเสียเวลามากเนื่อาแบบว่าวิ่งหย่อยหญ่เมื่อก่อนนี้เลินไปยิมเนี่ยซื้อซื้อเมมเบอร์ชิพแบบสารพัดอย่างอะ่ะที่ซื้อแล้วแบบตลอดชีพอ เนาะซึ่งตลอดชีพอะ ม, มาถึงเสร็จปุ๊บก็วิ่งห้านาทีไปละนี่ยอกว่าก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บน้ำข้นแต่ก่อนนี้มีมีแคลิฟอร์เนียอยู่แค่ที่เดียวคือตรงสีลมนะแล้วข้างๆเนี่ยจะมีก๋วยจั๊บมีข้าวหมูแดงมีตรงซอยคอนแวน์เน่ยโอ้โหอาหารเยอะมากขาหมูขาหมูคือแบบวิ่งห้านาทีเอาอย่างเอาอย่า ง, งไปเาคือแบบไม่เคยได้ออกกำลังใจโอ๊ยจริงๆแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะวินก็มาอีกเหมือนกันนะคะตอนที่ทําอ A ลดพยายามลดลดหกสิบกิโลลงไปเนี่ยนะคะโหตัวใหญ่ใหญ่จนแบบคือนาฬิกาบางเรือนเนี่ยนะคะยังที่เินไม่ได้ปรับเนี่ยคือความหลวมของมันใส่แล้วใส่แล้วมาถึงตรงเนี้ยนึกออกไหมคือแบบมันข้อมือยังใหญ่ทุกอย่างใหญ่หมดเลยมือก็อ้วนทุกแหวนแหวนมัน่นตอนนั้นเนี่ยคือแบบปัจจุบันนี้ใส่ไม่ได้ชักนิ้วนึ่งนึกออกมหมคต้องใส่แบบนิ้วใหญ่ๆนิ้วมือขวาอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือนี่คือใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันผอมลงไปเยอะมาก โอเคนะคะยังอุตส่ามีคนมั่นเนอะหกสิบกิโลดีใจ <laughs> โอ้ยไม่ตกมือเลยแลอว่นี่เฮ้ย <laughs> เอาจริงไว้พวกนี้ <laughs> เออใช่ไหมแบบว่ากอดเต็มไม้เต็มมือเออนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือตัดสินใจไปลดในสลิมอัพเซ็นเตอร์อ่าบอกชื่อยี่ห้อเสร็จสับเรียบร้อยนะคะลงทะเบียนไปเสียตังค์ไปแสนสองเอาเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกอยากดกี่กิโลบอกอยากลดสิบกิโล อ่ะถ้างั้นโปรแกรมนี้นี่มีนวดมีตบมีบ้ามีบอยเยอะแยะไปหมดเลยเหนื่อยไหมคะอืมเสร็จแล้วในโปรแกรมเนี้ยเขาก็จะให้ลินเนี่ยลดการกินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะให้ลินเนี่ยมาตบแล้วก็ห้ามออกกาลังกายเพราะว่าการตบกล้ามเนื้อกับตบไขมันตบไขมันให้มันแตกรือก็ไม่รู้ว่ามันแตกยังไงนะแล้วเขาก็จะมีวิธีการรีดแล้วก็เลื่อนน้ําเหลืองของเราแบบขยับบีบนู่นนี่นั่นกับเครื่องอ่ะใช้เครื่องแล้วก็ใช้คนมานวด โอ้โหแบบออกมาให้ที่แบบระบมไปหมดทั้งตัวนึกออกวะคะสิ่งที่แย่ติดกว่านั้นก็คือคือจริงๆแล้วลดไปได้ประมาณสักสามสี่กิโลนะคะรถสามสี่กิโลคืออันดับแรกสุดเนี่ยเรนว่ามันมีข้อดีตรงที่มันทําให้เรามีกําลังใจการลดความอ้วนเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือกําลังใจถ้าเราเห็นคนที่แบบเขาลดลงไปนิดนึงแล้วเราแบบเฮ้ยชมเขาเราจะเขาจะมีแรงต่อเรนก็มีแรงต่อจากตรงเนี้ยนึกออกว่าคือมีแรงต่อจากไอตัวเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรนรู้สึกก็คือกลับมาเนี่ย ปกติแล้วเปนคนมีสะโพกใช่ไหมคะเป็นคนมีสะโพกเป็นคนมีหน้าอกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกเวลาทําสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างแฟบหมดเลยคือมันแฟบในส่วนที่คือเหมือนกับว่าไอตัวไขมันทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับถูกเผาถูกถูกลดไปอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เผาแล้วลดในส่วนที่ถูกเนี่ยกูไม่ได้อยากลดตรงนั้นเนะไม่ได้อยากลดตรงนั้นโกรธมากนะคะก็ไม่ไม่พอใจมากสะโพกลิเนี่ยคือแบบเปลี่ยนร่างกายเราเปลี่ยนรูปอะ คือเหมือนกับทรงหุ่นมันเปลี่ยนเนื้อไปคือมันเปลี่ยนรูปนะก็คือออกมาตัวตรงๆอ่ะ ต, ตัวตรงๆหน้าหลังแบนเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะต้องมาดังเวิร์กใหม่ออกกำลังกายใหม่เพื่อบิ้วให้มันกลับไปสู่สภาพเดิมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือหนึ่งการควบคุมอาหารอย่างที่บอกตอนนี้นะมีมีวันก่อนนี้นนก็ส่งไปเสียช่วบอกว่าไดเอทนั้นชื่อโซนไดเอทใช่ไหมคะ คือการทานอาหารให้เท่าๆกันหมดเลยรู้สึกว่าจะสามสิบโปรตีนสามสิบแฟตสามสี่สิบคารบอืมก็กลายเป็นการลดคารบไปนในตัวนะคะแต่เพิ่มแฟตขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วพอถึงแฟตเนี่ยมันก็กินได้ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันตรายคือเรื่องการปรับฮอร์โมนร่างกายเราเนี่ยเวลาเราไปเปลี่ยนหรือไปเล่นกับเล่นกับระบบการทางานปกติของมันเนี่ยปัญหาของมันคือแบบเรื่องอินซูลิน การที่ไม่มี insulin, อมินซูลินนึกออกมาหรือมีออกมาน้อยทำให้การทานให้การปรับสภาพหรือระบบในร่างกายของเราเนี่ยทำงานไม่ปกติพอมันทำงานไม่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะบอกว่า Adkins Diet South Beach ทุกอย่างคือแบบพวกอะไรที่เกี่ยวกับการลดคาร์บเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะไปย่อยโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเนี่ยมีหน้าที่สำคัญกว่านั้นนึกออกป้ะเหมือนเราเอาเหมือนเราเอาซอมามาม า, มาแยกจดหมายอะ นื้อออกไหมคะมันทํางานคนละแบบอะในในองค์กรทุกองค์กรมันต้องมีสมองขององค์กรแล้วก็ต้องมีพนัก ง, งานทํางานขององค์กรใช่ไหมคะพนัก ง, งานก็ตั้งแต่ทําความสะอาดทาบัญชีเนื้อออกไหมคะเก็บบัตรเก็บตัว๋วทํางานเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ต้องมีงานเสมีย์เน่ยเหมือนกันค้าบเนี่ยคือเหมือนทํางานเสมีย์เนื้อออกไหมทำงานแรงงานทํางานที่เกี่ยวข้องกับแบบ daily activity อ่ะคือคื อ, คอกิจกรรมประจําวันเล็กๆน้อย ๆ, ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรตีนเนี่ยจะทําหน้าที่แบบ เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเหรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะจัดการในเรื่องของอวัยวะไหนเสื่อมอวัยวะไหนต้องซ่อมแซมอันไหนต้องเพิ่มอันไหนต้องให้ใช่ไหมคะกล้ามเนื้ออีกเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยรินไม่ออกกําลังกายเลยสูญเสียกล้ามเนื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะคือตัวที่แบบเละไปหมดเลยจากเดิมเนี่ยปกติหรือเป็นคนที่เฟิร์มมากเนี่ยเหรอคะคือถึงแม้ว่าอายุสาสิบกว่าแล้วไม่ค่อยออกกําลังกายเนี่ยแต่ว่าจับตรงไหนก็เนื้อว่าคือแบบเนื้อจะแน่นนั่นเชื่อว่าเป็นเพราะโปรตีน เสร็จ แ, แล้วเนี่ยหลังจากนั้นที่ทําไดเอทอันนั้นมานี่คือแบบจับไปโอหูแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันห้อยหมดเลยนึกออกปะขาแขนแบบนองเนืองแบบไม่มีกล้ามเนื้ออยู่ในตัวเลยอะ่ะเพราะเลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบเนี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าความรู้สึกของเรากับการทําไดเอทอันนั้นไม่เวิร์กอ่านะคะก็ <c oughs> <c oughs> อะไรน้องนั้นอยากแชร์เหรอค ะ, <c oughs> อ, ะอยากแชร์ป่ะ <c oughs> ไม่รู้ยี่สิบกิโละ อ๋อโอเคเดีวชรในอัฟเตอร์ดีไหมนะคะเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะคะโ okay, <Okay, S 1> อเคก็สรุปแล้วก็คือลองไปสลีปอัพลดไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นไอ้หกกิโลที่เหลือนะคะเกิดขึ้นจากการชกมวยยกเวทแล้วก็กินอาหารสม่าเสมอทานอาหารมื้อมากขึ้ น, น, นแล้วก็มื้อเล็กลงคือการลดความอ้วนเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือหนึ่งคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มันไปเผาผ่านไขมัน สองคือเราจะต้องทำให้ระบบเาผาผลาญอาหารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะเาะผาผลาญเนื้อออกไหมคะในมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายแบบอยู่ที่เยอรมันเป็นคนไทยเนี่ยนะแบบไม่รู้คิดเคยเจอเหมือนกันนะคะคริสนี่กินโอ๊ตโอ๊ตอ่ะข้าวโอ๊ตเนี่ยกินวันละสี่พันห้าพันกิโลแคลอรี่แต่ว่าการออกกําลังกายของเขาเนี่ยคือเขาวิ่งวันหนึ่งวิ่งประมาณแบบยสกิโลเนึ้อออกไหมคะ แล้วก็ยกเวทอีกเหล่ากํกาลังกายก็ในแบบนึกออกว่าหน้าที่มันมีแค่นี้ขอหล่อยอย่างเดียวใช่ปะะก็เป็นอย่างเงี้ยกินคี่งห้าพันกิโลแคลอรี่อ่ะแล้วกินยังไงมันกินเป็นม้าเลยนึกออกไหมกินเหมือนมา้ากินข้าวโอตต้ตอ่ะเหมือนม้าเลยแบบเป็นม้าหรือเป็นคนไว้นี่ยนะก็ก็กินอย่างนี้ทุกวันนะเลยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้ก็คือเอ็กซ์ตรีมมากถ้าเกิดเรารู้ว่าเราใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นแต่ในชีวิตประจําวันเราจริงแล้วไม่ ใช่ไหมคะเพราะการออกกาลังกายของเรานะคะกิจกรรมกิจวัตรของเราไม่เหมือนกันนะคะก็อันดับแรกในเรื่องของการทําไดเอทใช่ไหมคะการลดความอ้วนก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องยาวนานแล้วทําให้เป็นนิสัยได้รินชอบคุณแม่ในอย่างหนึง่งตั้งแต่รินเด็กจนถึงอายุสักยี่สบ็ตอนยี่สบเจ็ดเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากลดความอ้วนเห็นไหมคะซึ่งจริงเราไม่ต้องลดอะตอนนั้นหนักสี่สบห้านะมีความรู้สึกอยากลดความอ้วนอีกก็เลยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง แล้วเขาบอกว่าให้กินไอ้น้ำผลไม้อย่างเงี้ยแหละแล้วหนังสือนั้นชื่อ Fit for Life นี่ก็รู้สึกว่าโหแบบนึกเอกว่าตอนนั้น27ตลอดมานะคะคุณแม่เลยเนี่ยเราเดินเข้าซูเปอร์กันเดินบอกว่าอุ้ยอยากกินชีโตสก็คือแบบทุกคนรู้เนาะที่เล่นชอบกินอ่ะอืมแล้วก็อยากกินเลอยากกินอะไรเงี้ยคือที่มึงนอกมันจะมีถุงใหญ่ๆอ่ะแม่บอกซื้อไปเลยโอ้โหแต่กินไม่เยอะอ่ะกินไม่หมดหรอกอะไรเงี้ยแม่ผมไม่ต้องกินให้หมดกินสามชิ้นทิ้งดีกว่ากินให้หมดแล้วอ้วนแต่กินให้หาอยากพอ ปัญหาของเราคือเวลาเรากินให้หายอยากกินไม่เป็นเนียเหรอไหมคะมันจะกินให้มันจะหายอยากไปสามชาติเนี่ยเหรอวะเหมือนเวลากินบุฟเฟ่เลยอะหูต้องซัดกันหนําเอาให้คุ้มเลยอย่างนั้ น, น, นคือปัญหาปัญหาของเราคือไม่ใช่กินแต่เรื่องการหยุดกินใช่ปะปัญหาของเราคือปัญหาการหยุดกินถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถควบคุมได้เนี่ยแล้วเราไม่ต้องเสียดายของอะ่ะ เนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาว่นอีกครั้งนึงเพราะว่าถูกตีหัวล้วคุณแม่กลัวว่าจะไม่มีพลังงานมากพอในการดูแลรักษาอาการนึกออกไหมคอาการสมองของตัวเองก็เลยจัดแจงทําอาหารให้กินปกติเล่นกินข้าวเท่าไหร่ไม่ให้สองเท่านึกออกไหมกินมากินไปกินไปกินมาจนบัด น, นี้สามกิโลนั้นยังไม่ลงไปไหนเลยยังอยู่แถวเนี้นะคะแย่มากนะคะก็เป็นความหวังดีของคุณแม่นะคะ อยากฉายแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะคะก็มีเรื่องของอ่าอันดับแรกก็กลับไปที่เรื่องของเนื้องอกนิดนึงก่อนนะคะก็คือลินอยากจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิง40เปอร์เซนจะเป็นเนื้องอกในบอลลูนโดยเฉพาะในการที่เราไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนใช่ไหมคะการที่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีตั้งท้องเลยเนี่ยนะคะโอกาสจะเป็นยิ่งสูงกว่าผู้หญิงที่เคยเป็นแล้วผู้หญิงที่เคยเป็นแล้วปกติก็จะเป็นแต่ว่าเขาจะไปเป็นตอนแก่ๆแล้วอ่ะ ใช่ไหมคะเป็นตอนอายุเยอะแล้วนะคะเป็นตอนอายุเยอะเนี่ยพอถึงเวลาเข้าวัยทองปุ๊บไอ้พวกนี้ก็จะฝ่อลงไปทันทีเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีผลแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเป็นแล้วต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้ที่บอกว่าถ้าภูมิต้านทานของเราดีใช่ไหมคะสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้ตัวเซลล์มะเร็งมันจะไม่เข้าไปคุกคามไม่เข้าไปยุ่งกับไอ้ไอเนื้องอกตัวนี้ เพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ายุ่งญาบเนื้อ ง, งอกตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทําให้เนื้องอกตัวนี้กลายเป็นเนื้องอกที่เป็นเป็นมันเป็ น, ปนมีเซลล์มะเร็งอยู่ด้วยเมื่อเกิดมันอยู่ดีหาพวกอ่ะมันก็หาพวกเสกร็จแล้วมันก็ไปขยายขยายขยายกลายเป็นว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือเนื้องอกในรังไขซึ่งเป็นมะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งได้ที่เกี่ยวข้องกับกเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นลิจะบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอาการเนีี่่่ยตตออนนท้งไปผาะะค อาการเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปัสสาวะบ่อยเพราะว่าเนื้องอกมันก้อนใหญ่มากคือลูกเท่าลูกเทนนิสแล้วมันก็ไปกดกระเพาะปัสสาวะเขาไปกดกระเพาะราะปัสสาวะปุ๊บเนี่ยคือกินน้ำนิดเดียวก็เข้าห้องล้ำละข้อสองคือประจำเดือนมาเยอะมากนั่นหมายความว่าแบบเจ็ดวันเจ็คืนเนื้ อ, ออกว่าเปิดเป็นก๊อกอ่ะนะคือแบบว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนแบบหนักหนักหนักนี่หมายถึงแบบเป็นลมอ่ะ นะคะคือแบบว่าไม่ไม่ได้ฟังก์ชันปกตินะคะถึงบอกว่าจริงๆแล้วพ่อเรนบอกมึงน่าจะตายตั้งแต่สเดือนแรกแล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าโรคเยอะเหลือเกินนะคะโรคสารพันโรคผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดแบบเงือตกเลยเพราะว่าตอนที่ผ่าเขาใช้กล้องสองใช่ไหมคเพราะเรนมีอยากแผลใหญ่เขาใช้กล้องสองแล้วต้องต้องผ่าตัดเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงครึ่งซึ่งปกติหมอผ่าเนี่ยเขาบอกว่าชั่วโมงครึ่งเขาก็เสร็จแล้ว นะผ่าไปสามชั่วโมงครึ่งนะตื่นมาเนี่ยคือไหลคือเขาต้องเอาตัวเราเอนขึ้นเป่าลมเข้าท้องเสร็จแล้วก็ใช้กล้องแย่ลงไปใช่ปะแล้วก็เอามีดเอาเบรนเดอร์ไปปัน่นโอ้แบบเยอะมากแล้วก็นในเคสของลินเนี่ยคือต้องตัดผนังมดลูกออกแล้วเย็บผนังมดลูกติดกันเพราะว่าประเภทเนื้องอกที่เกิดไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่เป็นก้อนแต่เป็นเนื้องอกที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนลึกส้มแกนๆหรอไหมคะส้มที่มันเป็นเนื้อกันแกนกัดเข้าไปแล้วฝ่อๆแข็งๆอะ เออมันเป็นแบบนั้นก็เลยต้องตัดเนื้อตั ด, ตดมลูกส่วนหนึ่งออกแล้วก็เย็บติดกันนะคะก็ด้วยความที่ตอนนั้นยังมีความรู้สึกว่าอยากแตง่งคือคื อ, คอมั่นแล้วนี่เนาะเราอยากแต่งงานอยากมีลูกก็เลยคิดว่าเก็บมลูกไว้ก่อนนะคะคุณพ่อบอกตัดแม่งทิ้งไปเลย <c oughs> นะค ะ, นะคะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรค่ะขอให้เรามีออปชั่นดีกว่าใช่ป่ะเออก็เลยตัดสินใจเก็บเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ โรคนี้เป็นโรคที่คอมมอนมากไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเรามีเราเจอเวลาอุตอสาสมีนะคะเพียงแต่ว่าคอยดูใกล้ชิดว่ามันเติบโตเยอะแค่ไหนแล้วก็เติบโตเร็วแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของอ๋อเราคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกไปแล้วว่าเปการฉีดวัคซีนได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ระวังในเรื่องนี้โรคผู้หญิงส่วนอื่นนะคะก็คือพวกซิส ช, ช็อกเลสซิสอะไรพวกนี้ก็คือเป็นอาการคล้ายๆกันมันเกิดขึ้นจากการที่เวลา เวลาคนเป็นประจําเดือนมันก็ไม่ถึงกับขาดเลือดนะเพียงแต่ว่าเลือดนะคะคือมดลูกผนังมดลูกเราเนี่ยพอเวลาถึงเวลาไข่ตกตรงมาที่ที่ผนังมดลูกมันจะต้องมีฟูกรองรับอะไม่ไงั้นเนี่ยมันก็จะกระเด้งแล้วก็ตกหายต่อมไปเลยใช่ปะมันต้องมีฟูกรองรับเพราะฉะนั้นฟูกนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนผนังเลือดซึ่งร่างกายเราก็จะผลิตออกมาในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเพราะไข่มันตกลงมาทุก28วันเมื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะถ้ามันถูก ปฏิสนธิใช่ไหมคะมันก็จะสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็ไอ้ผนังเลือดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นเป็นอะเป็นโรคเป็นอาหารให้กับเด็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเลือดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เราสูญเสียเลือดมันเหมือนกับร่างกายเราบิ้วไอ้ผนังนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วพอถึง28วันปุ๊บเนี่ยมันก็ลอกตัวออกถ้ามันไม่ได้ถูกถ้าถ้าไข่กับกับกับอสุจิไม่ได้ประสิสนธิกัน น ะ, ะอ่านี่ก็คือเป็นความเข้าใจอย่างนีน้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแน่นอนนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางก็จะจางขึ้นก็จะเพราะว่าเขาต้องมีเลือดที่ที่เอาไปผลิตตรงนี้เหนืหอไหมคะเอาไปเอาไปบุกตรงนี้แล้วร่างกายเรามองว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าตามหลักของกายภาพของของมนุษย์แล้วเนี่ยคือเราเกิดมาเพื่อเ พ, อเพาะพันธุ์เหนืหอไหมคะอ่าน ะ, ะเกิดมาเพื่อเ พ, อเพาะพันธุ์สัตว์ทุกชนิดเลยค่ะเกิดมาเพื่อขยายพันธุ์อย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายเราจะให้ส่วนสำคัญกับมดลูกมากเพราะฉะนั้นก็จะดึงเอารัพยากรทุกอย่างมาไว้ที่นี่สังเกตจสิคะบางทีแม่เนี่ยแพ้ท้องเละเทไปหมดเลยแต่ลูกยังอยู่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าแม่เนี่ยคือสุขภาพเสื่อมโทรมมากเพราะว่าลูกดูดไปหมดเลยอืมมันก็มีค่ะเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเขาต้องรักษาเอาเอาเอ า, เอาทารกเอาไว้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพผู้หญิง ะะการทานพริมโรสนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่วันนี้เราเราไม่ได้คุยปะคุยเหมือนกันใช่ปะะมันไม่รู้แล้วเบลอไปหมดไม่รู้สไลด์ไหนเป็นสไลด์ไหนน ะ, ะก็คือพริมโรสเนี่ยนะคะเป็นในในน้ํามันพริมโรสของเรามีบ o ร a g e ออยแล้วก็มีเรื่องของออตังกุยอ่านะคะตังกุยเนี่ยช่วยลดอาการของการปวดท้องประจําเดือนแล้วก็พริมโรสี่จะทําให้ระดับฮอร์โมนของเร า, าปกติช่วยในการเลเวเลตฮอร์โมนของผู้หญิง เพื่อทําให้เราเนี่ยมีประจําเดือนได้ปกติเวลามีประจําเดือนไม่มีสวิงไม่มีมูทสวิงเยอะนะคะไม่มีอาการก่อนประจําเดือนเยอะเช่นปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เวิร์กกับทุกคน100นะคะแต่ว่า shn เนี่ยนะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประจําเดือนเลยนะคะเวิร์กร้อยนะทุกคนจะชอบมากเลยนะเรื่องนี้คืออยากผิวใสอยากสวยนะคะพิตตี้นี่แบบว่าโอ้โหเจอ shn ลุมกันใหญ่นะชอบมากอันนี้ก็เรื่องของผู้หญิง เรื่องของเด็กเดี๋ยวไว้ข้างหน้าดีกว่านะคะเพราะรินว่าเวลาเรามีไม่พอนะคะเป็นว่าเรื่องไดเอทนะคะต่อไปนะคะก็คือเลือกไดเอทนะแต่จดเอาไว <c oughs> ้เห็นที่รินบอกว่าอย่าอย่าอดอะไรสักอย่างนึกเอกไว้คะ <c oughs> สมมุติว่าเราเราอดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะอยากกินมันมากสมมติว่าเรารู้ว่าเฟรนด์ไฟล์มันทําให้เราอ้วน <c oughs> ชอบกินเฟรนด์ไฟล์มากเฟรนด์ไฟล์นี่ตัวอ้วนเลยรใช่ไหมแคลอรี่ประมาณไม่รู้อะประมาณแปดล้านแคลอรี่ น ะ, ะกินเข้าไปถ้ากินเยอะพอก็ถึงแปด้านแคลอรี่นะก็แคลอรี่นะค ะ, ค ะ, คะมันก็จะเยอะมากแล้วก็การกินอาหารทอดนะคะแปรรูปใช่ไหมคะเหมือนที่กินพูดอะโปรตีน ม, มันพับจริ ง, รงๆแล้วมันมีโอ้แมคคณิซึมในการที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหารไม่ว่าจะเกิดการดีไฮเดรตหรือว่าเกิดการไฮดรอิเนตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้อาหารเนี้ยแปรรูปได้อย่างเช่นน้ํามันโดนความร้อนมากๆใช่ไหมคะเจอสารอาหารเจอสารดินทรีย์บวกไปบวกมากลายเป็นเนึกออกไหมคะกรดในร่างกายอะไรยเงี้ย เอาเป็นว่าการกินพวกเนี้ยไม่ไม่เวิร์กมากมใช่ไหมแต่ว่าเราชอบจริงปะมันห้ามไม่ได้หรอกบางทีเนะมันก็รีบอใช่ปะมันก็อยู่ตรงเนี้ยนึกออกว่าง่ายๆกินง่ายๆหาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกินไปนะคะไม่ต้องไปตกใจกับมันนานๆกินทีโอเคอย่ากินเป็นกิจวัตรประจําวันอย่ากินเป็นแบบกินทุกกลางวันกินทุกวันทุกอาหารเนื้อาทุกเมื่ออาหารพิซซ่ากินมื้อเย็นทุกวันไม่ค่อยดีนะคะนะคะก็ มีสาเหตุหลายมากกว่าหนึ่งสาเหตุนะคะอาจจะไม่ได้ทอดนะคะจะอบแต่ว่าน่ากลัวพอใช้ได้ทีเดียวเลยเชียวนะคะก็อ่ะเรื่องการทานพยายามอย่าอดเพราะว่าอดจะทำให้เราอยากมากเกินไปสองก็คือทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถทำได้สม่าเสมอเช่นเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาทานอาหารเช้าถ้าวันนี้เรายังไม่ทานอาหารเช้านะหลังจากที่เรียนมาแล้วลสีคอร์สกลับไปทานอาหารเช้า เรนรับประกันได้เลยนะว่าเราจะรู้สึกเมียนจีมากขึ้นเราจะรู้สึกร่างกายเฟิร์มขึ้นเราจะรู้สึกว่าน้ําหนักลดด้วยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดของคนอยากลดความอ้วนคือการอดอาหารหรือการกินแบบแทบไม่กินอะเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ลรนแบบหลีกเลี่ยงมากที่สุดเลยคือตอนที่เราอยากลดความอ้วนคือกินอาหารแต่ว่ากินมื้อเล็กลงอาหารอะไรก็ตามที่เคยกินหนึ่งจานเนี่ยตัดครึ่งทิ้ง ทิ้งเลยนะคือตัดใจทิ้งไปเลยข้าวจานหนึ่งเนี่ยเวลาเขามาเนื่องจากว่าเอาคร อ, อบมาหนึ่งถ้วยเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บทิ้งเสร็จ แ, แล้วส่วนที่เหลือกลับตักใส่จานให้เท่าให้มันดูแบบเหมาะสมและหลังจากนั้นคือไม่แตะกับข้าวอื่นๆอีกเลยเหมือนกินบุฟเฟ่อะแต่ว่ากินบุฟเฟ่แค่จานเดียวเซอร์วิงเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นให้กินเพิ่มหมายถึงกินหลังจากนั้นอีกสักสองามชั่วโมงทานอีกสักมื้อหนึ่งแต่อาจจะทานน้อยกว่านั้นด้วย ทานแค่เป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นแอปเปิลเนื้อออกไหมคะเวลาเราแนักพยายามแนคมัคแบบพวกอย่างเงี้ยที่คิดบอก่าไปไปซุปเวีซเว่นก็จะเจอเลสคุกกี้สามอันช็อกแลตชิฟคุกกี้แคลอรี่ประมาณร้0ยหกสิบแคลอรี่เท่ากินแอปเปิลสองลูกอะเรากินแอปเปิลลูกเดียวเราก็รู้สึกอิ่มแล้วเนาะเออนะคะเขาบอกว่าให้กิน volumetric diet หมายถึงว่ากินอะไรที่มีวอลลุ่มเยอะแต่มีแคลอรี่ต่า คืออย่างเช่นผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มีแคลอรี่พอสมควรอย่างเช่นกล้วยใช่ไหมคะเรากินกล้วยเข้าไปเนี่ยก็คือทําให้มีแคลอรี่เยอะพอสมควรเพราะมันมีแป้งมีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยใช่ไหมมีวิตามินเกลือแร่สารพัดเรื่องเลยมีเยอะแยะยเลยเรากินกล้วยเข้าไปเราก็จะไม่หิวละแต่ว่ามันจะไม่ให้แคลอรี่เราเยอะขนาดนั้นเราต้องกินกล้วยถึงประมาณห้าใบถึงจะได้ร้อยหกสิบกิโลแคลอรีร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินมันถึงเล็กๆหน่อยนะไม่ต้องใหญ่มากนะคะ ประมานี้แต่ว่ากินแอปเปิ้ลสองลูกใช่ไหมคะก็ได้แคลอรี่เยอะขนาดนะัเท่ากับคุกคกี้สามอันคุกกี้สามอันกินไม่หยบหรอจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เราหาอะไรที่มันมีวอลลุ่มอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจดีกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันหาอย่างอื่นมาทดแทนไม่ได้ก็คือเรื่องเหล้าเหล้ากับเบียร์เป็นอะไรที่มีแคลอรี่สูงมากคือเหล้าหนึ่งช็อตนี่มีแคลอรี่แบบเกือบพันแคลอรี่นึกออกไหยคะ แล้วมันเป็นแคลอรี่ที่ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงเหมือนน้ําตาลขัดขาวเหมือนข้าวขัดขาวเนี่ออกรอไหมคะเหมือนข้าวสวยที่เรากินกันเนี่ยข้าวสวยธรรมดาข้าวพวกนี้คือมีแต่แคลมีแต่แค ล, แแคลอรี่อย่างเดียวมีแต่คาร์โบโไฮเดรตให้เราล่างกายเราย่อยแล้วไปใช้เป็นพลังงานอย่างเดียวไม่มีเบนิฟิตอย่างอื่นเหมือนกับเรื่องวิตามินไอ้เหมือนกับเรื่องเหล้าเหล้าไม่มีวิตามินนะะอืมนะคะทานเสร็จแล้วเนี่ยทําให้ตับไตเราทํางานหนักขึ้นด้วยใช่ปะ แล้วแถมแคลอรี่สูงด้วยแคลอรี่สูงนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันทาไมคนกินเหล้าทำไมถึงเป็นไขมันพอกที่ตับนึกออกปะอ่านะคะเพราะว่ามันมีแคลอรี่สูงมากแล้วมันก็ไปเก็บสะสมอยู่ในอยู่ในตับขอสไลด์หน่ mm hmm. อยค่ะ นะภาพนี้ก็คือจะเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าการที่เราลดความอว้วนหรือการเราเราตัดแคลอรี่ออกหรือเราออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเฟิ่มขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไปคอนเซนเทรตทำใ ห, เห้เหมือนกับเราลดน้ําลดอ๋อลินจะบอกว่าการลดการลดการกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะมีส่วน อ, อีกส่วนหนึ่งที่อันตรายก็คือทําให้ร่างกายเราอุ้มน้ําได้น้อยลงนะเพราะฉะนั้นนีในการอุ้มน้ําได้น้อยลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็แฟบไปใช่ไหมเราไม่ได้แฟบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเพราะว่าเซล ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกัดจากจา ก, จากสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเซลล์ Cell ไขมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขยายแล้วไม่เพิ่มแต่ถ้าสมมุติว่ามันรับโหลดไม่ไหวหมายความว่ามีสารพิษเยอะมากมันจะแตกตัวนี่คือทําไมเหตุผลที่เราต้องดีท็อกส์ถูกป่ะคะเราดีท็อกส์เพื่อให้เซลลให้การอุ้มสารพิษของเซลล์เราเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเซล์ไขมันเราก็จะแฟบลงแล้วมันก็จะไม่ขยายตัวมันจะไม่เพิ่มขึ้น ทีนี้เนี่ยพอเราถึงเวลาเราไปลดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะไปคอนเซนเทรตทุกอย่างแค่ให้มันอยู่ในที่ที่น้อยลงเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้กําจัดมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะรีเบิลที่เขาเรียกโยโย่เนี่ยก็จะกลับมาเพราะว่าร่างกายเรายังมีสารพิษเหล่านั้นอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นท็อกไอเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องดีท็อกส์นะคะกับเรื่องการลดความอ้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกันเรื่องฮอร์โมนมีส่วนเกี่ยวข้องกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจว่าร่างกายเราต้องมีระดับฮอร์โมนในร่างกกายปติ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ร่างกายให้เครื่องมือในการสร้างฮอร์โมนให้กับร่างกายเราให้ปกติด้วยแล้วเราก็ต้องให้อาหารที่บริสุทธิ์อ่ะก็เมื่อกี้นี้ริมไม่รู้นั่งกับบีอยู่ข้างหลังเพิ่งทนันเพิ่งทันเข้าเย็นมาเนาะเห็นสมองวัวเอามาสากัดวิตามินบีใช่ไหมดีคือแบบเห็นแล้วแบบต้องต้อ ง, องนั่งอย่างเงี้ย <laughs> ไม่อยากไม่อยากเห็นสนไลด์เขารู้สึกแบบคลื่นไส่มากอะ่ะรู้สึกแบบอือนะลินก็ไม่รู้ว่าเราจะมีความรู้สึก ยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็เหมือนกับที่ลิ น, นวันนี้ลินคุยกับเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะที่อยู่ที่อินเดีย ล, ลินก็บอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าแล้วอันเนี้ยอาหารเสริมเนี้ยมันพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงลินบอกว่าอ๋อถ้าอยู่จะกินเลซิตินแบบที่ฉันกินเนี่ยนะเธอไม่สามารถกินยี่ห้ออื่นได้ถ้าเธอกินยี่ห้ออื่นไตเธอจะพังแน่นอนตับเธอจะพังแน่นอน <S <S <ๆ>เขาบอกทําไมเพราะมันไม่ธรรมชาติมันไม่ออร์แกนิกใช่ไหมคะก็กลายเป็นเนี้ยลินบอกว่ากินไปกินมากลายเป็นว่าเราสะสมสารพิษเพิ่ม แทนที่เราจะทำให้สารพิษในร่างกายเราลดน้อยลงนะคะโอเคดพนเพราะฉะนี้เสร็จเรื่องสไลด์ก็ไปคุยต่อ อ, อ่านะคะอืมการดีท็อกซ์ก็คือการกำจัดไอพวกท็อกซินต่างๆเพื่อให้ร่างกายและเซลล์ไขมันของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติเพราะอยู่ในสภาวะปกติมันก็จะเก็บสิ่งที่ตามปกติก็คือเก็บพลังงานส่วนเกินไว้นิดหน่อย เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสองก็คือเก็บพวกวิตามินเก็บพวกอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยในการสร้างคอเลสเตอรอลสร้างอะไรต่างๆเพื่อเอามาผลิตฮอร์โมนในร่างกายเพราะฉั้นอยากขาดอะไรนะเออาไหมคะคือบางทีเนี่ยเราคิดว่าพอเราอ้วนปุ๊บเนี่ยเราก็อะไรที่เป็นไขมันเราก็จะไม่แตะเลยรินบอกคออย่างเดียวอย่าแตะไขมันไม่ดีแล้ววันนี้เนี่ยพิงกี้ไม่รู้จักอะโวคาโดวันน้เราไปกินสลัดกันแล้วก็กินอะโวคาโดสลัดใช่ป่ะแล้วบอกนี่มันอะไรอ่ะอร่อยจังเลย อืมนะคะวานิลาโดนะคะก็เป็นเป็นไขมันดีนะคะมะมะกอกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าออลิฟออยล์อย่างเงี้ยก็เป็นไขมันที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะทานไขมันที่เป็นอันเชอเรคือไม่อิ่มตัวถ้าเรากินไขมันไม่อิ่มตัวถือว่าเป็นไขมันที่ดีมันก็จะช่วยในเรื่องของเรื่องต่างๆในฟังก์ชันต่างๆในร่างกายเราบวกกับการที่มันไปรวมกับอย่างโอเมก้าสมหรือโอเมก้าหใช่ไหมคะไอ้พวกนี้มันจะเป็นโอเมก้าหกที่ดี โอเมก้าหกนี่ก็มาจากพืชมาจากอาหารที่เรากินทั่วไปอย่างถั่วเหลืองอย่างข้าวอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้ํามันของมันนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นแค่นั้นเองนะอย่าขาดหมู่ใดหมู่หนึ่งนะมีแต่เราต้องกินหมู่ที่เพิ่มขึ้นก็คือหมู่พฤกษศาเคมีสีสันของพืชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนาะอ่านะคะก็สรุปแล้วนะคะการที่เราอ๋อ เมื่อกี้นี้คุณลินเห็นเขาพูดเรื่องโพสิตรีมก็เลยอยากจะก็เลยโน้ตเอาไว้นิดนึงโพสิตรีมเนี่ย น, นะคะจริงๆแล้วไม่ได้ทาเป็นอาหารควบคุมน้ําหนักอย่างเดียวจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตเร่งด่วนเนาะทางานไม่มีเวลากินข้าวหรือว่าไม่มีเวลากินข้าวเช้าหรือไม่มีเวลากินข้าวเย็นนะคะโพสิตรีมหนึ่งซองน้ําเปล่าก็ได้นมก็ได้นะถ้าใครที่ไม่แพ้นมก็ดื่มนมได้ ทานไปอย่างเงี้ยนะคะทานอาหารเช้าก็ได้อาหารเช้าครบมือ้อเพราะว่ามีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนื่องมาามีครบหมดทุกอย่างเนี่ยเป็นการกินอาหารที่แบบฉบับยอ่อนะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเรามาเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเราไม่มีเวลากินข้าวเย็นนะคะแต่เราอยากกินให้เป็นเวลาเราอยากลดความอ้วนก็ซัพโปซิทีฟหนึ่งซองเรียบร้อยจบจบเกมวันนั้นนะคะอยากให้เพิ่มความหนแน่นนิดนึงนะคะก็ใส่โปรโตีนไปสักช้อนนึงหรือว่าใส่ไฟเบอร์ไปด้วยก็ได้เคียวไฟเบอร์ไปด้วยก็ได้นะคะไฟเบอร์ก็จะทําให้หิมท้องน ะ, ะมันก็จะะทําให้ออง ทำให้อาหารเคลื่อนสู่ในระบบเราช้าลงการเคลื่อนในระบบช้าลงเนี่ยมันมีโอกาสได้ย่อยนานขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการกินก็คือให้เคี้ยวเียกับการเคี้ยวมากสร้างให้เป็นนิสัยอะเรื่องนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เป็นนิสัยการเคี้ยวให้ช้าลงการกินให้ช้าลงนะคะคือกว่าเราจะรู้ตัวโอ้โหเรนกินข้าวกับกินเหนื่อยมากนึกออกหมเพราะมันกินเร็วมากนี่คนนี้อีกคนหนึ่ง มาถึงเสร็จบอกอะไรวะเนี่ยมากินแรวะเหนื่อยก็เย็นเย็นเนี่อา้เลยก็ตักค่อยๆกินค่อยๆกินใช่ไหมคือฮะอ๋อพอหันเท่าไม่เป็นไรเรารู้ผู้ชายมันมีกฎแซนเดโกอยู่เอ้ยนะคะก็คือเราเผลอเป็นคนแซนเดโกไปด้วยแป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาเรากินนะคะเคี้ยวก็คือเคี้ยวช้าๆกินช้าๆ คือดูอาหารมีสติอะเรียอง่ายๆนะคะใครเคยปฏิบัติทำก็จะรู้เรื่องนี้มองอืมกินแล้วว่าอ่าก็ให้กินเสร็จแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคีย้ยว <c oughs> ค่อยๆเคี้ยวไปนี่เหรอคะเคี้ยวเสร็จแล้วเนี่ยพอละเอียดแล้วก็ค่อยกลืนนะคะอย่างงี้เนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญอาหารเราดีนึกเข้าใจแหละ ว, ว่าทําไมหลายๆคนพูดว่าอย่า ก, กินในข้าเช้าแล้วก็ให้ควบคุมอาหารแล้วก็ให้มีการฟาสติ้งการฟาสติ้งคือการอดนะทําไมเขาถึงทําแบบนี้ คือเหมือนให้โอกาสให้ร่างกายเราเคลียร์เคลียร์ระบบออกอะแต่ว่าเราใช้วิธีการดีท็อกซ์แทนใช่ไหมคะแล้วร่างกายวิธีการเคลียร์ระบบของเราออกคือเรากินแล้วเราก็กินอาหารเสริมให้ถูกต้องแล้วมันจะได้ขับถ่ายออกทีเดียวแต่เหตุผลที่เขาบอกให้เราหยุดแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เราเหมือนกับรีเซ็ตร่างกายเราเองอะ่ะและการที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ยเยฟังแล้วฟังทฤษฎีแล้วเข้าใจความคิดของคนที่คิดแต่ว่ารู้ว่ามันต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเนืออ่องมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเชื่อ เพราะเราเชื่อว่าการกินที่บาลานซ์สกินให้ถูกต้องและกินอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าพอเรนนั่งคุยกับเขานะคะเ mm hmm. ชื่อไหมว่าตลกมากเลยเรนคุยกับเขาเสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาก็บอกว่า เ, เดี๋ยวนะเเราคุยถึงเรื่องออกการกินเลสิตินใช่ไหมคะกินเลสิตินถ้ากินอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแล้วก็การที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องกินต่อเนื่องถ้าเกิดเขาดูแลสุขภาพเขาแป๊บๆก็ไม่เวิร์กหรอกสรุปแล้วหลังจากนั้นนะเขาบอกไปเราไปเราไป let's go shopping for my body ไปช้อปปิ้งเพื่อร่างกายของฉันคือลากเราอะไปดิสคัพเบอรี่นึกออกไหมก็พาเราไปดิสคัพเบอรี่ไม่หรอกเราก็พาเข้าไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปคุยกันก็คือรีชวนเขาไปตรวจสุขภาพตรวจว่าเปอร์เซ็นต์มวลไขมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในร่างกายเขามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างพอตรวจเสร็จเรียบร้อยก็คือเขาตรวจไม่ได้เพราะเขามีเพลสเมเกอร์สมมตว่าเขาก็เล่าทุกอย่างเลยนะว่าโรคเขาหัวใจเขาใส่เพลสเมเกอร์เข้าไปเขาว่าเป็นแบบเป็นคาร์ดิโอไหมเขาเรื่องแล้วนะคือคือหัวใจเต้นไม่ปกติอะ เอริสเมีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอืมเส็จแล้วมันก็เต้นไม่ปกติแล้วเขาก็ต้องใส่เพลสเมเกอร์เข้าไปเพื่อให้มันเต้นปกติแล้วเขามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วพี่กี้ก็ดูลายมือพีก่กี้พี่กี้ดูลายมือเสร็จแคลเซียมไม่พออะไรอะไรอะไรอะไรอะไรไม่พอเต็ไมไปหมดเลยใช่ไม่มอ่าเสร็จแล้วระบบการดูดซึมการย่อยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลินก็สัมภาษณ์ต่ อ, อนิดหนึ่งพอสัมภาษณ์เสร็จเขาบอกทําไมเธอเขาถามลินว่าทําไมลินดูลายมือไม่เป็น S 1> <S 1> นึงบอกอ๋อ น, นี่เป็นศาสตร์ของคนจีนเขานึงมีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถบอกได้ว่าคุณต้องกินอะไรแล้วสุขภาพจะแข็งแรงเขาโอโ้ขนาดนั้นเลยเหรอพิงกี้ยอ้สุดยอดมากใช่ไหมทิเชอร์ไม่ทิเชอร์ไม่ทิเชอร์มากเลยน่ารักมากนะคะก็คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วน ะ, ะก็ไปถึงนึงก็บอกว่าดับเบิลเอ็กซ์จะเอารีฟิลหรือไม่รีฟิลเขาบอกรีฟิลเนี่ยเธอก็กินต่อได้สองเดือนเอารีฟิลนึกออกไหมคะโปรตีนไปหาซื้อถ้าเกิดกลับไปอินเดียแล้วหาซื้อได้ไหมบอกได้ แล้วโปรตีนที่อินเดียเนี่ยคื อ, อยูมีหลายไซส์ให้เลือกเล ย, ยกินได้เต็มที่แล้วโปรตีนของเราเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็อธิบายเล่าเล่าเ ล, า เ, ล, า เ, ลาเสร็จนะโอ้โหเขาแบบแฮปปี้มากเลยใช่ไหมคะก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวที่นี่ซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวไปสมัครที่อินเดียแล้วพอย้ายไปอเมริกาก็จะสมัครที่ินดียอเมริกาอีกเพื่อจะได้ดูแลสุขอาหารดูแลสุขภาพตัวเองต่อเนื่องแต่เธอภายในวันจันทร์ต้องส่งอีเมลให้ฉันว่าฉันต้องกินอะไรนี่แบบโอเคได้ นะฮะก็เรียบร้อยนะคะก็จางที่ลินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาแล้วลินก็บอกว่าว่าเขาบอกว่าเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยของอะไรลินบอกนิวทรีไลน์นิวทรีไลน์นี่ของอะไ ร, บ อ, T T ออะไรบอกของอเมริกาอเมริกามาจากไหนบอกของแอมเวย์เขาบอกแล้วเธอทำแอมเวย์อย่างเดียวเหรอบอกไม่ได้ทำแอมเวย์อย่างเดียวมาตลอดแต่ว่าช่วงเนี้ทําแต่แอมเวย์อย่างเดียวใช่ปะเขาบอกทำมากี่ปีแล้วบอกทํามาสิบเอ็ดปีล้วเขาบอกว่าเฮ้ยฉันก็มีเพื่อนทําแอมเวย์นะเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยลินบอกคนส่วนใหญ่ขายของใช่ไหมล่ะเขาบอก ใช่เลยตบโต้ใช่เลยลินบอกอ๋อเออก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ปะ่ละลินคิดเขาบอกว่าเนี่ยไม่เหมือนเธอเลยนะเธอแบบมาให้ความรู้เราว่าดูแลสุขภาพยังไง holistically แบบดูโดยรวมภาพรวมแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะมุมโดยองค์รวมนะว่าดูแลสุขภาพยังไงทํำยังไงแล้วทําอย่างนี้นะโอ้โหฉันอยากกินมากเลยตอนนี้คือแบบทีแรกจะไม่ซื้อโปรโตีนเพราะว่ามันกระป๋องใหญ่แล้วก็จะหิ้วกลับไปไม่ไหว ตอนหลังแบบเห็นโปรตีนมาตั้งเขาเอามาตั้งไงพ่อลินสั่งไว้ใช่ไหมกกสั่งกินโปรตีนสั่งกินเดวบ์เอ็กซ์น้ำมันปลาใช่ไหมคะสแตนดาร์ดเลยแล้วก็ไฟเบอร์ผงเอนน้บอกว่าแคลเซียมไม่ต้องเพราะไปวัดมวลกระดูกแล้วมวลกระดูกอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขายังไม่ได้สูญเสียแคลเซียมไปจากการทําอะไรทั้งสิน้นก็ให้เขากินแค่เดวบ์เอ็กซ์ไปก็โอเคแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เห็นโปรตีนเสร็จจะเอาดีไม่เอาดีลิมบอกไม่เอาก็ได้เดี๋ยวกลับไปซื้อที่อ่น ไม่หรอเอาก็ไนี้เราตัดสินใจซื้อในที่สุดนะคะก็ควักเงินทั้งหมดที่มีอยู่จ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่าแพงเหมือนกันนะเนี่ย healthy เนี่ยคือสุขภาพที่แข็งแรงพี่กี้บอกว่าไปโรงพยาบาลแพงกว่าสุดยอดมากอ่ะจริงค่ะเรนจะบอกจริงแล้วเนี่ยน้องน้องน้อ ง, องตก็เคยพาคนมาเรียน มาถึงมามาถามเรนว่าทํายังไงถึงจะลดความบ้วนเขาอยากปรากฏนางงามใช่อืมอยากปรากฏนางงามนะะอยากถามว่าทํายังไงให้ผิวดีขึ้นทําไงให้ผอมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูมาดูตัวเป็นเป็นแล้วเขาก็บอกว่าโอเคนั้นก็พี่บอกอะไรมาหนูก็กินใช่ไหมก็บอกโอเคเขาบอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หมดตัวไม่สามารถมาเรียนคอสนี้ได้หมดตัวจริงๆหมดหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าจะไปเข้าคอส simply beautiful ใช่ไหมคะอ่าก็คือหมดตัวแล้วไ ม, ไม่สามารถมาได้แล้วแต่เขาก็บอกว่า พี่ลินสงสารน้องเขามากเลยอะเนาะเสร็จแล้วลินก็บอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องสงสารจริงๆนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาไปลดความอ้วนดูสิว่าลินไปเสียสลิมอัพเซ็นเตอร์แสนกว่าทุกวันนี้มันยังโทรตามมาหาลินอยู่เลยนะให้ลินไปออกให้ลินไปถูกตบใหม่อีกรอบหนึ่งเขาอว่าบอกว่ไม่ตบกับมึงแนละ้วตบเสร็จก้นหายน้องหายไม่เอาเขกวไม่ตบ ก, บกับมึงแล้วนะก็บอกกลายเป็นว่าแสนสองเสียไปไเฉย และช่วงที่ลินลดเนี่ยทําให้เพื่อนลินที่อ้วนๆกันทั้งหลายเนี่ยแบบเฮ้ยจริงเหรอเวอร์เหรอเวอร์เหรอไปเสียกันคนละแสนสองแสนนี่ยหรอปะคะสุดท้ายแล้วคือไม่มีใครลดสักคนเลยและลินคิดว่าที่ลินลดเพราะว่าดิสซิเพลินเรื่องการกินการเปลี่ยนนิสัยและความคิดของตัวเองทั้งนั้นคนอื่นเนี่ยคืออยากลดความอ้วนก็เลยหาทางลดเหมือนที่คนไปฉีดในฮอร์โมนทุกคนท้องเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็คือที่ที่คิดบอกเนี่ยคุณพ่อลินเมื่อก่อนเนี่ยบินไปฝ ร, รั่อครไปฉีโ แล้วก็ไปเติมวิตามินอะไรก็ตามที่เขาขาดนึกออกไหมคะจากคนที่ตีกอล์ฟหน้าด่างๆอะ่ะคือแบบเขาตีกอล์ฟแล้วหน้าเขาจะเป็นนึกออกไหมเป็นเป็นเหมือนเป็นดําอ่ะคือแบบว่าดําๆด่างๆได้ไม่ใช่ดําธรรมดาไม่ได้เป็นฝ้าค่ะแต่ว่ามันมันจะมีซันสปอตเป็นเป็นแพชนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ะแขนเขือเนี่ยก็ะจะมีรอยเหมือนกันเสร็จแล้วคุณพ่อเองก็ไปฉีดโกรทฮอร์โมนกับมาแบาบโหคือแบบ เอวลดหุ่นลดนึกออกว่าแต่งตัวโหตอนนั้นช่วงนั้นพ่อลินแบบแต่งตัวมันมากนึกออกไหมแบบว่าวัยรุ่นมากแล้วก็หน้าใสใช่ผอมลงอะไรอย่างเงี้ยเก็ทำอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยคือหมอเขาเนี้ยเขาก็พูดถึงชื่อหมอคนนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยถูกซื้อตัวมาบำ ร, รุงร่าดด้วยแล้วก็มาทำเรื่อง Anti a อน i a g i อ g ก็คือฉีดโกรทฮอร์โมนฉีดไปฉีดมาฉีดไปฉีดมานะในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักประมาณสักหกเจ็ดปี แลวหกเจ็ดปีหลังจากที่เริ่มทําเนี่ยนะคะก็กลายเป็นมะเร็งต่อมลุกมาอืมนะคะเนี่ยแล้วก็เอ็กซเรย์ L A ออกมาเห็นปอดเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยพ่อเล็งก็คาดคาเนไปทั่วสงสัยเล่นไพ่ไงพวกนั้นแม่งสูบบุหรี่กันทั้งเนื่องบอกว่าคือแบบเขาเล่นไพ่กับเพื่อนเพนื่อนก็จะสูบบุหรี่กันใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เพื่อนพวกนี้มึงทําให้กูเป็นมะเร็งปอดด้วยที่มะเร็งต่อะไรก็ไม่รู้ไปกันใหญ่นะสุดท้ายผ่าเสร็จหายหมดโอเคใช้ได้นะคะหายหมดดีใจมากนะคะก็ นี่เราบอกว่าผลกระทบของสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีณตอนนี้เรายังไม่เห็นยังไม่เกิดขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเหมือนธรรมชาติที่สุดแล้วเราทําให้มันเป็นเหมือนระบบร่างกายเราทํางานได้ดีที่สุดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะกระตุ้นมันมากกว่านั่นหมายความว่าการกินอาหารให้สมดุลการรู้ว่าตัวเองควรจะทานอะไรในปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วรู้ว่าตัวเองกำลังทานอะไรอยู่และส่วนสําคัญก็คืออยากกินเยอะเกินไปจริงๆมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อกินเยอะจนอิ่ม นออมคะคือเราเกิดมาเพื่อจะกินแค่พอดีพอดีนะแต่ว่าด้วยด้วยเวลาที่ผ่านไปแล้วก็อาหารที่มีคุณภาพน้อยลงนั่นหมายความว่าวอลลุ่มของอาหารกับแคลอรี่มันไม่สมดุลกันอนะวอลลุ่มมันเล็กมากในขณะที่แคลอรี่มันสูงมากลองนึกถึงแบบก็ได้ว่าสักก้อนหนึ่งเนื้อออกไหมคะอือคือมันเป็นก้อนเล็กๆมากเลยช็อกโกแลตไส้แชมเปญบ้าบอใ ส, ใส่ถุงใส่ถุงกินเข้าไปกัดหนึ่งคไปแล้วสามร้อยแคลอรี่เนอ แล้วไม่ไหวอะนะนื่องกว่าแล้วแต่ว่าถ้าในนั้นเป็นเล่าจริงๆเป็นกรนมานเยเป็นอะไรพวกนี้ยกินเข้าไปก็โดนอะโดนแน่ๆเป็นหลายร้อยแคลอรี่ใช่ไหมคะถ้าเรารู้เราอยากกินกินแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมไม่ใช่ทั้งกล่องน ะ, ะเขาขายเป็นกล่องเพราะว่าเขาขี้เกียจแพ็คหลายๆทีก็ <c oughs> เ, เลยแพ็คทีละสิบสองเม็ดแต่ว่าเอามาเสร็จแล้วก็แจกเพื่อนๆใช่ไหมคะแบ่งกันอ้วน <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดทำให้ฉันผอมไม่ได้ก็ขอช่วยทําให้เพื่อนฉันอ้วนแทน เใช่ไหมคะดีกว่านะจะได้ดูสมดุลอ่าโอเคเอาละ่ะก็ในเรื่องของการไดเอทนะคะลินคิดว่าในการในการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างที่ลินบอกว่าลินไม่ได้ลดความอ้วนได้เพราะว่าสลิปอัพไม่ได้ลดควา้วนได้เพราะว่านิวทีไรตอย่างเดียวสุดท้ายแล้วอยู่ที่อยู่ที่ความคิดของเราว่าเราต้องการจะดูแลสุขภาพอยู่ที่ความคิดของเราว่าวันหนึ่งเนี่ยคือเราไม่ต้องรอจนจนมีคนมาเนื้อออกไหมมีคนมาเปิดฝาลงให้เราแล้วอะ่ะแล้วเราถึงจะดูแลสุขภาพ คินเชื่ออะไรว่าอย่างเพื่อนคนนี้วันนี้เนี่ยคือเขาคงเขาก็คงอยากดูแลสุขภาพนึกออกไหมคะแต่ว่าไม่รู้วิธีแล้วก็ไปฟังคนที่ไม่รู้มาพอเขาฟังเหตุและผลของเราที่เราอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเขารู้สึกแบบบวมน้ํามากทําไมก็ไม่รู้นึกออกไหมคะลินเชื่อเลยนะคะเนเพราะว่าการการขาดความสมดุลของการกินอาหารคือการกินอะไรที่แบบอาจจะมีการใส่ไขมันหรือว่าการกินผักหรือกินอะไรที่มันแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงประเด็นสักอย่างหนึ่ง เราเลยไม่สามารถบอกได้เราบอกได้แค่ว่ากี่ในพวกนี้เพิ่มเข้าไปนะแล้วเราจะแน r r o คือลดลดมุมมองของซิมทั้มโลนลงอะ่ะหมายความว่าเคลียร์เรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆออกก่อนเคลียร์ขยะออกจากชีวิตไปก่อนถ้าใส่โปรตีนใส่ดับเบิลเอ็กใส่น้ำมันปลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของร่างกายเราคืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะขาดสามสิ่งเนี้เป็นเรื่องปกติมากถ้าเคลียร์สามสิ่งนี้เข้าไปในร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่เหลือมาคุยกัน ส่วนใหญ่นะคนเป็นสิวหนักๆมีปัญหาฮอร์โมนประจำเดือนไม่ปกติปวดหัวปวดท้องเป็นเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรพวกนี้เนะี่ยถ้าทานต่อเนื่องคือทานโปรโตีนดับเบิลเอ็กซ์แล้วน้ำมันปลาต่อเนื่องในที่สุดนะคะจะไม่เป็นเพราะว่าอย่างที่ริมบอกก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ตื่นมาแล้วก็ฟืดๆตลอดเวลาใช่ไหมคะก็จามจนหรือสั่งน้ำมูกจนจบอะตอนตื่นเช้าขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่ทานแค่โปรโตีนอย่างเดียวหนึ่งปี ไม่รู้ตัวเลยว่าหายไปเมื่อไหร่เนี่ยเหรอแม่บวกกรองบวกกรองอากาศไม่รู้ตัวว่ามันหายไปตอนไหนรู้แต่ว่าตื่นมาแล้วจมูกแห้งไม่รู้สึกว่าแบบฟืดๆหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกปวดหัวหรือว่าแบบมึนน่ะเนี่อเหรอมันจะมีแบบตื้อๆอยู่แถวนี้ยนะคะไม่มีอาการนั้นเลยแล้ะวนันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพเนี่ยอาศัยเรื่องรองรันคือดูระยะยาวทําต่อเนื่อง น ะ, ะทำให้ถูกต้องแล้วถ้ามาเรียนก็คือมาอัปเดตตัวเองเรื่อยๆทุกๆปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆทุกๆปีจะดีกว่าทุกปีมา refresh ตัวเองสักรอบหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็มาทําดี t o x กันสักรอบหนึ่งนึกออกไหมคะ ท, ทํำ detox เสร็จแล้วนะคะเราก็ดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องว่าเรากินโปรตีน double s u p p l ปลาไปนะคะและส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยมาค้นคว้ากันอีกทีหนึ่งว่าเราเป็นอะไรนะคะแล้วทําอะไรได้เพิ่มเติมเรื่องตลกก็คือเรื่องอาจารย์เฉินไม่ ไ, มได้ตลกมากกันนะตอนนั้นเวครบรอบ ในปี2009อาจารย์เฉินกินเอาไม่ใช่ค้นพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมอง3เซนเชื่อไหมคะว่าจนบัดนี้ไม่เคยผ่าตัดไม่มีผลกระทบอะไรแกก็กินใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่พวกนักวิทยาศาสตร์นิวทรไล์แล้วก็หมอหมอประจำครอบครัวเ h e Voss เนี่ยก็มาแนะนำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสั่งอาหารเสริมให้กินตามปกติแล้วปัจจุบันนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะไม่ต้องผ่า อืมเป็นเรื่องที่แบบเรรู้สึกว่ามาหัศจรรย์มากคือไม่น่าเชื่อว่าอาหารเสริมเนี้ยมันดูแบบมันก็ดูเป็นอาหารเสริมที่ธรรมดาใช่ไหมเราก็คิดว่าถ้าอาหารเสริมในี่อุดมคติมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยผลิตตามธรรมชาติไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ตัดต่อทางบรรลุ ก, กรรมไม่เนี่ยเหรอไหมคะไม่ใช้ยาฆ่าวัชพืชใช่ไหมคะใช้ใช้ปุ๋ยออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพ เราก็คิดว่านี่คือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องทําอะไรพิเศษกว่านี้แต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมคะสมองวัวก็มาทําแล้วยังมาตอยก็ทําแล้วปิโตลเลียมก็มีด้วยใช่ไหมคะก็กินเข้าไปนะคะขอให้มีอะไรขายในบนเคาน์เตอร์ที่คนต้องการนี่คือการที่เราซัพพลายให้กับดีแมนที่มีแต่ว่าแอมเวย์นะเป็นการครีเอทดีแมนให้คนหรือว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนมาก เรากำลังเครียดดิแมนให้มีคุณภาพที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเราไม่ได้แค่แบบมีสป라이ต์มีคนต้องการสิ่งนี้แล้วเราหาสิ่งนี้ไปเสิร์ฟอะ่ะแต่เรากำลังสร้างให้คนมี awareness มีความตั้งใจหรือมีความรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องได้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเรานะคะร่วมกันดูแลสุขภาพนะวันนี้ลินก็ ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ไม่นั่นบ้างเพราะมอไม่เห็นนะคะไม่ใช่ที่จดเอาไว้มอไม่เห็น <laughs> โอเคเอาเป็นว่านะคะก็อย่างที่บอกทุกอย่างสุขภาพอยู่ที่ความคิดของเรานะคะเราจะแข็งแรงได้น ะ, ะก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราแล้วอยากจะดูแลสุขภาพของเราก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะคะอยากให้พวกเรานะคะตั้งใจดูแลสุขภาพกันนะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่รอไม่ได้และต้องทำเองสวัสดีค่ะ จบแล้วครับขอบคุณครับ